จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริทั่ร่ายธทําทุกทกานวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติทานสิงภาวนาวันนี้จะเริ่มต้นที่คุณหมอพิเชษคุณหมอพิเชษเข้ามาก่อนกัปตันมุส ก, การครับอาจารย์ ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีสร้างความสุขตามหลักของพระพุทธเจ้าครับอาจารย์พระุทธ้าทรงสารวิธีสร้างความสุขอยู่สิบประการด้วยกันเรียกว่ า, าบุญบุญญากรากริยาวัตถุสิทธคือวิธีทาบุญสิบชนิดในทางาศาสนาคือคำว่าบุญก็คือความสุขใจ ซึ่งเป็นความสุขที่สำคัญกว่าความสุขทางด้านเวทนาสุขเวทนาเป็นความสุขชั่วคราวความสุขใจนี่เป็นความสุขที่อยู่ติดไปกับใจจะอยู่กับใจไปตลอดถ้าเรารู้จักวิธีสร้างและวิธีรักษามันก็มีอยู่สิบชนิดด้วยกันอันนี้ก็ไล่ไปตามที่ ท่นที่มีการแสดงไว้นะทอันแรกท่านบอกว่าความสุขที่เกิดจากการทําทานการเสียสละแบ่งปันทานแปลว่าการให้การเสียสละแบ่งปันแบบ่งปันประโยชน์สุขของเราที่เรามีเกินควาจําเป็นที่เราจะต้องเก็บไว้หรือว่าจะใช้มันได้ <c oughs> มีมากกว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยวความสุข ที่ได้จากเงินทองเข้ากองนี่มันมีเพื่อไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองมีมากไปกว่า น, นั้นก็มันก็ไม่ได้เพิ่มประโยชน์อะไรให้กับร่างกายอการซื้อไปแบ่งปันให้คนอื่นนี่เ่าคนที่เขา o, หิวโหไว้เขาอดอยากขาดแคลนมันที่ขาดปัจจัยสี่เราไปแบ่งให้กับเขามันก็จะทําให้เขามีความสุข แล้วเราก็ได้ความสุขเขาได้สุขเวทนาความสุขที่ได้าจากการได้สัมผัสกับอ <c oughs> สิ่งของอานทางตาหูจมูกนิ้วกายของมันอันนี้เรียกว่าเป็นสุขเวทนาแต่ผู้ให้นี่ได้ความสุขจากความเสียสละแบ่งปันและความอิ่มเอิบใจอันนี้ข้อที่หนึ่งสให้เราเสียสละแบ่งปันให้รู้จัให้ยาวแต่เอา ให้เราคำนึงถึงว่าสิ่งของต่างๆมีไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเราเท่านั้นเองตายไปเราก็เอาไปไม่ได้แต่บุญคือความอิ่มใจสมใจนี่เราเอาไปได้ <c oughs> ถ้าเราไม่ทําบุญใจเราจะไม่อิ่มไม่สุขจะมีแต่ความหิวโหยเพราะความโลภอยากได้เงินมากขึ้นอยากได้อะไรมากขึ้น <c oughs> จะทําให้ใจหิวโหย สภาพองดยงวิญญาณที่ไปแบบหิวโหยก็เป็นพวกเปร่เนี่ยถ้าเราทำบุญใจเราจะอิ่มมีความสุขใจจะอยู่ลักษณะของเทพของพวกวเทวดาดูงวิญญาณเวลาตายไปก็จะได้เป็นเทพกันไม่ได้เป็นเปร่นนั้นมันทำทานเงนทำให้มันเป็นนิสัยทำทุกวันเหมือนการรับประทานอาหาร แต่ละวันสําคัญสำหรับกาค่คอยทำสักครั้งหนึ่งมันจะทํายากน่าจะเสียดายจะทำํำน้อยๆก็ถ้าทําเยอะๆมันก็จะเสียดายเป็นก้อนใหญ่แต่ถ้าทําทุกวันทุกวันถ้ามารวมกันปีหนึ่งมันก็ได้เป็นก้อนใหญ่อก็แล้วแต่แต่ข้อสัมพันธ์ก็คือให้ทําทำมากทำน้อยทําไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ ข้อที่หนึ่งทำบุญต้องมีความสุนใจทำบุญทำทานต้องมีความสุนใจข้อที่สองคือการรักษาศีลการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเวลาเราไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือด น, นอนเสียหายเราก็เย็นสบายใจเราเย็นเราไม่กังวลไม่วิตกไม่ทุกข์ไม่เดือด น, นอนแต่ถ้าเราไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือด น, นอนใจเราก็จะร้อนขึ้นมาให้ทุกแก่ท่านทุกท่านย่อยก็จะกลับมาหา ผู้ให้เป็นกฎแห่งกรรมให้สุขก็จะได้สุขกลับมาให้ทุกข์ก็จะได้ทุกข์กลับมาแล้วทุกข์นี่้ทําให้ใจร้อนใจเป็นอบายเป็นเดรัจฉาน เ, นเป็นเปรตเป็นรศรละกายหรือเป็นนรกนย่งให้รักษาศีลไว้เอย่าเบียดเบี ย, ยนกังศีลห้าหเป็นพื้นฐานของศีลของทุกคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รก ร, มระพื่อผิดประเพณีไม่พูดปด ไม่นื่มสุรายามาแล้วยาสพติทั้งหลายมันจะนําไปสู่การขาดสติแล้วจะทําให้เกิดการกระทํอัายาได้ง่ายอันนี้ก็เป็นข้อสองวิธีทําทําทําความสุขให้กับตัวเราเองอันนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องอะไรเวลาโกรธใครก็ให้อาภายัยเขาได้เองโกรธใครแล้วใจร้อนพอให้อาภัยแล้วใจเย็ยน ไม่อย่าไปทําร้ายเขาไม่อภัยเข า, า, าง้างการไปท ầu, ําร้ายตอบโต้รขาเขาทำร้ายเราแล้วเราอย่าไปทําร้ายเขากลับถ้าเราไปกลับไปทำร้ายเขาเราก็เลวเท่าเขาเราก็ไม่วิเศษกับเขาถ้าเราวิเศษกว่าเราต้องไม่ทําร้ายเขาเราต้องเป็นแพรต้องเป็นพระพระเป็นผู้ผู้วิเศษผู้ประเสริฐพ้เป็นพระชนะเป็นบารม แล้วถ้ารักษาศีลได้ก็จะปิดประตูอาบายได้ตายไปดุงวิญญาณจะไม่ไปสู่อาบายสี่สถานข้อที่สามวิธีให้ความสุขที่มากขึ้นก็คือวิธีภาวนานั่งสมาธิทำใจใสงบระดับแรกระดับที่สองก็จเจริญปัญญาให้ละความรว้กดลงให้หมดไปจากใจอันนี้ก็จะได้ความสุขเต็มร้อยความสุขที่ถาวร ความสด ข, ของพระ น, นิพพานข้อที่สี่เวลาทําบุญก็สามารถแบ่งบุญส่วนหนึ่งให้กับผู้ลงรับไปได้เช่นเราหลวงบิดามันดาผู้มีพระคุณทั้งหลายว่าเขาดวงวิญญาณเขาอาจจะวุอยากขาดแคง่เราก็ทําบุญแล้วอุทิ้งบุญนี้ไปให้เขาได้เพราเขาไม่สามารถทำบุญได้แล้วพอหลังาจากที่ตายไปแล้ว น, นี่ทําบุญไม่ได้แ เป็นวลาที่จะไปรับผลบุญผ ล, ลบาตรเราก็ช่วยคนที่เขาไปแล้วบาที่เวลาเขาอยู่เขาประมาทเขาไม่เชื่อบุญเชื่ออะไรแต่ความจริงมันมันมันต้องไปต่อไม่ได้ตายเลยกับร่างกายดวงใจดวงจิตนี่แม่ไดไ ป, ไปรับผลบุญผ ล, ลบาตรก็ไม่ได้ทําบุญก็มไม่ได้ไปสวรรค์ไปไปแบบ ถ้าไม่ได้ทำบุญแต่ไม่ได้ทำบาปก็อยู่ในระดับของมนุษย์ไปถ้าทำบาปด้วยทำบุญทำบาสมากกว่าทำบุญก็ไปอบายตอนนี้ใช้ความสุขที่สูงสุดความสุขทรรใจข้อที่สี่แล้วข้อที่สี่คือทิฏฐบุญข้อที่ห้าก็คืออนุโมทนาบุญในลายใครก็ทำบุญอย่าไป อย่าไปกีดขวางมิอย่าไปปิดกั้นเขาคนย่าส่งเสริมเขาอนุมโมทนาก็คือสนับสนุนให้เขาได้ทำบุญตามที่เขาปรารถนาเช่นเรามีลูกจ้างเขาอยากจะขอลาบวชสามเดือนนี้ก็เอาเลยไปเลยนี่ไม่ดีเป็นเจ้าภาพให้ด้วยถ้า <c oughs> เป็นลูกน้องเราแล้วเขาไม่มีเงินทองไม่นองเราเสียประโยชน์จากการเสียคนทำงานให้เราทั้คนก็ไม่เป็นไรอาจจะหาใครมาแทนชั่วครา แล้วก็ช่วยกันทําของไปตาม <c oughs> แต่ก็สนับสนุนคนที่เขาทำเรียกว่าอนุโมทนานยินดีกับการทําบุญของพ <c oughs> วกเราล่ว ง, ว ง, งไปช่วยงานงานบุญก็ได้อนุโมทนาเงินก็ไปช่วยอะไรเวลาทั้งบ้านก็มีงานบุญเราก็ไปช่วยกันแล้วก็ไปทําความสะอาดสถานที่ไปเตรียมที่ไปอะไรแล้วแต่อันนี้ก็เรียกว่าอนุอนุโมทนา ไม่ใช่อย่างที่คนเข้าใจว่าไปคนเพื่อนบ้านเขไปทําบุญกลับมาแล้วก็เอาบุญมาฝากเน้อสาธุสาธุอย่างนี้ไม่ได้บุญเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อบุญเราเอาบุญมาฝากเราไม่ได้บุญของใครของมันถ้าอยากจะนึนโมทนาบุญก็ต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้ให้ให้ผู้ที่ได้ทําบุญนั้นเขาได้สําเร็จประโยชน์ได้ง่ายช่วยสนับสนุน อย่าไปกีดขวางบางคนเอ็น ค, คนหนึ่งทําทําไปได้ไหมทาไปศูนย์ป่าตายไปก็ไม่รู้ไปไหนแล้วแล้วโสวรรค์มีจริงหรือเปล่าไม่รู้ทําไปหน่อยอันเนี้ยเป็นการไปไปไปขวางเรื่อไปขัดขวางไปทําให้เขาอาจจะรังในสงสัยไม่อยากทํางบุญขึ้นมาก็ได้ดัง น, นัอย่าไปกีดขวางอย่าไปขัดขวางให้ให้ใหสแสดงความยินดีสนับสนุน ข้อต่อมาก็คือทำบุญแล้วอุทิศบุญคนอื่นก็ททำบุญล้วก็อนุโมทนายินดีกับการทำบุญของผู้อ่ข้อต่อไปก็ทำบุญทาใจให้เรามีความสุข ด, ด้วยการรับใช้ผู้ช่วยเหลือผู้อื่นแทนใ่อนเราไม่มีกมงินไม่มทอแต่เรามีเวลาเราจะเอาเวลาของเรามาช่วยคนนั้นคนนี้ สมัยก่อนเมืองไทยเวลาขึ้นรถเมล์นี่ยผู้ชายนั่งอยู่แล้วผู้หญิงหรือคนชาราแล้วเด็กขึ้นมานี่ยเขาจะลุกให้เสียสละราบใช้สังคมช่วยเหลือสังคมคนชาราอาจจะเดินข้ามถนนได้ไหวก็ช่วยเขาข้ามถนถนอะไรทำนองนี้หรือไปช่วยงานต่างๆงานวัดงานอะไรไงานว่าเห็นห้องน้ำสกปรปกก็ช่วยกันไปทําภาพสะอาด เรื่นทำงานสังคมรับใช้สังคมกิตอาสาไปเป็นผู้ช่วยงานการกุศลต่างๆปาร์ติร่ว ม, มกันอยู่เก็บศพหรืออะไรอย่างนี้แล้วมีเวลามีอุทุกขภ์ภัยมีอะไรต่างๆก็ช่วยกันอันนี้ช่วยด้วยแรงแรงกายแรงใจไม่มีเงินมีท่าแต่ช่วยเลยนัด้วยการช่วยเหลือรับใช้สังคม เ น, นี่ยเราก็จะมีความสุขเมเได้เสียสลาแทที่อย่าวเวลาไปเที่ยวไปกินไปเดินไม่เล่นกันก้าวเวลาไปทําประโยชน์ให้กับสังคมนี่วักรับใช้สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก็นต่อมาก็คือการเป็นผู้อ่อนน้อมทำตนทําตนใ ห, ให้ให้ติดดินหมาให้ให้ให้เป็นไทยคนให้ทำตัวเราให้ต่ําที่สุด วาการต่ํานี่มันสบายไม่ต้องไปอวดดีอวดเด็งไม่ต้องไปแข่งกับใครแล้วไม่มีใครลังเกียจคนที่อ่อนน้อมท่อมตนมีแต่คนยินดีไปอยู่กับใครเขาก็จะรักเราชอบเราเพราเราไม่อ้วนเราไม่อวดเด็งอวดเก่งมือน ด, เอ ด, ดีเราอยอมเป็นเจวใครจะใหญ่ก่าดีกว่าโอเคครุปัตย์เขาเยอะใหญ่ไปเราขอเป็นเจ้าดีกว่าสบายใจกว่า มีความสุขกว่าการอ่อนน้อนถ่อตนข้อต่อมาก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นตามหลักความเป็นจริงว่า <c oughs> เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้เห็นนิจจังของสภาวัฒธรรมทัง้งหลายก็ทำใจยอมรับกับมันก็ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่ไวุ่นวาย กับความแก่ความเจ็บความตายหรือคือมีความเห็นว่าคนเราเกิดมาดีชั่วก็อยู่ที่บุญที่บาสนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องใครทาดีเขาก็ได้ดีเขาใครเขาทําไม่ดีก็มไม่ดีเราก็ไม่ไปเดือดร้อนวุ่นวายกับคนอื่นคนอื่นจะดีก็เรื่องของเขาคนอื่นจะชั่วก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ค่อยวุ่นวายใจใจเราก็เย็ยนใจเราก็สงบมีความสุข อยู่ในโลกที่ได้บางคนอยู่เห็นโลกนี้แล้วบางทีทุกขกับโลกเใช่ไหมเห็นสังคมมีความแตกต่างหนึ่งระับสูงก็เกิดมาวุ่นา ว, ยวายพยายามที่จะมาเปลี่ยนแปลงสังคม <c oughs> ไม่เข้าใจหลักว่าสังคมนี้เป็นสภาวะธรรมอย่างนะมีเหตุมีปัจจัยทําให้สังคมเป็นอย่างนี้กันแต่ถ้าเข้าใจมี มีความเห็นที่ถูกต้องก็จะจะเฉยๆกับสภาวะต่างๆแล้วก็พยายามทําตัวไม่ให้ไปทุบไม่ให้ไปวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ได้ก็ทําไปถ้าทำไม่ได้ก็เฉยๆไปไปไปโ่ปวยวายไปด่าคนนั้นไปว่าคน น, ค น, นี้ไปล้ราะคนนั้นคนนี้เขาตายไม่ต้องวุ่นวายแต่จะทราว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมกา ร, รเป็นผู้จํจำแนกแยกให้สัตว์เป็นเป็นไปชนิดต่างๆให้รวยให้จนให้สุขให้ทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของกรรมแล้วนะที่พวกเราทุกคนมาในห้องนี้มีฐานะแตกต่างกันมีอะไรแตกต่างกันนี้ก็เป็นกรรมเป็นผู้จัดสรรได้เราตกต่างกันนี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องเราก็สามารถ สร้างมาได้ด้วยการไปศึกษาจากผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางเทศบางร้ำอ่านหนังสือธรรมะก็จะเกิดปัญญาเกิดมีความเห็นที่ถูกต้องตามมาทําให้ใจเราเห็นการฟทำธรรมแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจเข้าใจหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจมาก่อนว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้โลกเราทําไมมีความเหล่อมน้ำตับสูน มาฟังแล้วก็เข้าใจสบายใจมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของของเหตุปัจแบบจัยทำให้แต่ละสัตวมาเป็นแต่ละอยากก่างกันนี้ก็ถ้าไม่มีถ้าไม่มีความเห็นที่ถูกต้องก็ไปศึกษาจากผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาก็คือ พ, พระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องหลายประศิษฐ์ แล้วข้อสุดท้ายความสุขที่ได้จากการแบ่งปันธรรมะที่เราเรียนรู้ได้ปฏิบัติมาถ้ามีใครเข า, ามีปัญหาไม่เข้าใจหลักธรรมบางอย่างเราเข้าใจเราอธิบายเขาฟังแบ่งปันกันให้เขาเกิดความเข้าใจให้เขาเกิดมีดความเห็นที่ถูกต้องได้ก็จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของเขาได้การให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็เป็นความสุขถ้าเราไม่มีธรรมะของเราเองแล้ว เรามีหนังสือดีๆของกูบาจารย์หรือของพระทานเจ้าที่เขาพิมพ์จําหน่ายแล้วแเ้าก็าไปพิมพ์มาเพื่อจ่ายแจกแทนที่จําจจำหนาล้วก็เอามาซื้อมาจ่ายจ่ายก็ได้หนังสือดีๆแล้วว่าพิมพหนังสือดีๆแจกกันอย่างคุณล้านที่ชอบเอาหนังสือน้องตามมาพิมพ์แจกอยู่เรื่เลย อ, <c oughs> อันนี้จะเป็นการสร้างความสุขกำลังใจในเสียสละประโยชน์สุขเงินทองของตอนเพื่อ วความสุขของผู้วปัญญาให้นำมาที่ติดของผู้นนี้คือวิธีการสร้างความสุขต่างๆดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มเป็นความสุขเวทนาที่สุขเดียวๆแล้วก็เป็นความทุ่มเวลาไม่ได้เสพเพราะว่ามันเป็นปัญญาเสพติดไปพรเสพแล้วมันจะติด เวาไม่ได้ติดนะั้นมันจะมันจะเครียดมันจะทุกข์มันจะหมุนเวียนน้ำนักหนักก็จะซึมเศร้าได้อย่าไปเสพความสุขเวทนาแต่ให้มาเสพความสุขทางใจเนะี่ยด้วยการกระทําความดีต่างๆที่พระเจ้ญญาได้ส่งสอนให้กระทําในบุญญากิริยาวัตถุสิบ ป, ประการถ้าใครอยากจะอา่าน mm hmm. ก็เสิร์ชคำว่าบุญบุญญาวัตถุสิบ ป, ประการบุญวัตถุสิบ ป, ประการ สามารถอ่านได้ไปต่อันนี้บุญก็คือความสุขใจอันนี้ไม่ใช่ความสุขเพราะเวทนาเวทนานี่มันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ได้จากการไปสัมผัสรับรูปสิ่งต่างๆเช่นรูปเสีงเยงกลิ่นรสแล้วก็เกิดสุขเพราะเวทนาขึ้นมาแต่มันก็กลายเป็นทุกขเวทนาได้เวลาไปสัมผักสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจขึ้นมาหรือเวลา สุขก็เวทนาหมดไปก็รู้สึกว่าไหวอ้างว่าปาเปรี่ยนแต่สุขใจนี้มันไม่ปล่อยให้เราอ้างว่าปะเปรียบมันปล่อยให้รักษาใจให้เราอินเหมือนต้นไม้มีน้ําหลอดเลี้ยงอยู่เนี่ยๆทาให้ต้นไม้ไม่เชฉาไม่เหี่ยวอีกใจของคนที่ทำบุญนล้วจะไม่หิวโหยกัแบบสุขเวทนาเท่าไหร่เพราะมีความสุขที่ดีกว่ามีความสุขใจที่เกิดจากการทําบุญสิบประการนี้ การทำบุญสิบประการนี้ทำไปนะครับว่าจะต้องทำทั้งสิ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราขาดส่วนไหนเราต้องการส่วนไหนเราก็ทําหรือว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ในช่วงไหนที่เราต้องใช้บนชนิดไหนแล้วก็ใช้ไปเช่นเราทาบนนุญเสร็จแล้วก็ทิ้ตให้กับคนที่เรารักเขาน้อคนที่เราหงยายะแล้วเราไปพบฝากกับคนก็พยายามทําตัวให้เป็นพวันพวันน้อมอับถ่อม ถ้ามีเหตการที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าช่วยลงไม้ลงมยอไปอะไรไปนี่ก็ไม่จําป็นว่าจะต้องตั้งใจไปทําอย่างนี้นะบนหลักที่ควรจะทํานี่ก็มีอยู่สี่ห้าข้อนี่ข้อแรกก็คือการมีความใฝนที่ถูกต้องถ้าไม่มีก็ให้ศึกษาธรรมะแล้วก็ศึกษาธรรมะธรรมะก็จะสอนวิธีที่จะให้เกิดความสุขแต่น้อยก็คือต้องไปทํา ทานศีลภาวนาอันนี้ก็เป็นบุ ญ, บญหลักที่ควรจะเป็นเป็นบุญที่เราต้องพยายามทำให้ได้ส่วนบุญหื่ยก็ขึ้นกับเวลาเหตุการณ์ต่างๆเข้าใจดีมากเลยครั บ, บขอบคุณพระอาจารย์มากครับเคบุญศิล ป, ประการบุญญากิริยาวัตกศิล ป, ประการ ไปที่จะแม่กันแจ๊ดที่ต่ อ, <า>อศิลาชากล่าวด่นวารการพร<า>ะจั ง, จงครับวันนี้ไม่มีคำถามค่ะมาฟังธรรมครับเดนหนราบอาการทันทีสองไม่ฟังเลยนีออาารรไไ้ไงใช่ค่ะทำไมผมทำพร้อมกันเลยพร้อมันเลยรับผ ม, ผมคนเล็บฟันหนัง เนื half, right. ler, allora. ้อเอ็นกระหูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวัจตาพังผืดไตไตไตปอดใส่ใส่ใส่น้อยอาาอเก่าเยื่อในสมองสีสะนน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้าเหนือน้ำน้ามันข้นน้ำตาัน้เตี๋วน้ำบาดน้ำไขข้นน้ำบูด น้ำไหลลังเรกว่าน้ำลลนะน้ำโมกน้ำกายข้อน้ำมน้ลายน้ำเหลวน้าตาน้ามันล้นน้าเหนียเลอดนหลวลีย่ในสมองสีสั์อาหารเก่าอหใหม่ไสน้อยไส่ใหญ่ปอดไตฟังผืนดดับหัวใจ ม, ม้ามยัในกระดูกกระดูกเอเนหนังฟันเล็บขนผมอ่อาดียวจะทําไม่ได้ น, ะนี่ <c oughs> มีการสอบมาแม่บอกล่วงหน้าก่อนนะต้องเตรียมตัวอย่างเนพะื <c oughs> ่อนะอย่าเร็วนะอเอางี้ควรจะทําไปตลอดชีวิตเลยรู้ไหมแล้วหันมองเวลามองไข่มองพ่อ <c oughs> มองแม่ไหมองตัวเราในกระจกก็มองเข้าไปข้างในด้วย <c oughs> เอ๊ที่หน้าเรานี่ข้างใต้หน้าเรามีอะไรอนยะู่เห็นไหม เห็นไหมเวลาเรามองหน้าเราภายในกระจกเราเห็นอะไรที่ใต้ใต้หน้าไหมหน้าเรานี่มันเป็นหน้ากากใช่ไหมที่เราเอามาสวมทับสวมทับอะไรใช่ค่ะสวมทับกระดูกตลกศีรษะใช่ไหมในตลกศีรษะต้อมีอะไรสมองครับสวยงามไหม ก็ไม่ไม่น่าดูไม่น่าดูจำไว้นะเวลาไปเหนใครน่าดูก็พยายามดูให้มันเห็นว่ามันไม่น่าดูไม่ได้จะได้ไม่ไปหลงนักเขาหลงนักเขาก็จะจะนอนไม่หลับนะกินไม่ได้นอนไม่หลับครับโอเคมีอะไรคําถามไหมวันนี้ไม่มีคําถามครับนั่งสมาธิอยู่นะทุกวันนครับ ไดเพิ่มนี่ยังเพิ่มขึ้นได้ยังก็ก็นั่งยี่สิบห้านาทีครับแสนเดี๋ยวจะเพิ่มครับอเพิ่มไม่ได้นะครับ <c oughs> เนี่ยไม่ก้าน้าครับโอเคับทุกครับอขอคุณ พ, พรอาจารย์ครับคุณสาธกาจากชัยนาทอาจารย์มาฟังคำกล่าอาจารย์ แต่จะถามที่พระอาจารย์เทศเที่ยวก่อนนะคะเที่พระน่าจะวันอาทิตย์ที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาแบบคือเราฝึกอยู่แล้วใช่ไหมพระอาจารย์แล้วก็เตรียมตัวใช่ไหมเราต้องทำทุกวันก็ทำแบบที่พระอาจารย์สอนนะคะการสิ่ภาวนาเนี้ยไม่ประมาททำทุกวันทีนี้ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าตอนท้ายคือถ้าสมมติว่าเป็นมะเร็งเนี้ย มันก็ยังมีโอกาสที่จะรู้แล้วเราก็ทําทานแบบที่อาจารย์บอกแบบปึ้งเปนหมดแต่ทีเนี้ยถ้าบางทีอย่างเงี้ยเพื่อความไม่ประมาทเนี้ยถ้าเกิดแบบเจออุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทำจบไป <c oughs> แต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าที่พอาจารย์บอกให้พิจารณาว่าถ้าสมมุติว่าเราป่วยจริงๆร่งนะคะอาจารย์ถ้าเป็นอย่างบะเร็งเนี้ยถ้าเราไม่รักษาเนี้ย ไอ้ความเวทนาของแต่ละคนไงความอดทนอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันทีเนี้ยลูกก็เข้าใจที่พระอาจารย์บอกว่าที่หลวงตาบอกออตอนหลวงตาค่ะว่าไม่ให้ใครสั่งไม่ให้ใครอยู่ใกล้เลยอันนั้นคือท่านสําเร็จพระอรหันต์ไงแต่เราอะ hmm. อดทนทีนี้เราก็ต้องฝึกเรื่อยๆที่ทีนี้ถ้าเกิดเราแจ็คพอตอย่างเงี้ยค่ะเราเพิ่งฝึกมาปีกว่าแล้วเราเกิดแจ็คพอตแล้ว สองปีเราอาจจะแบบแม่นนั้นอย่างเงี้ยแล้วแล้วเราเกิดปเป็นมรเร็งอย่างเงี้ยพระอาจารย์เราจะต้องแบบอยู่ในห้องเงียบๆไหมเพราะลูกเห็นของแม่เนี่ยแม่เขาจะสั่งว่าเออข้ามให้คนนั้นคนอีเข้ามาเอออย่างเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในห้องเงียบๆใช่ไหมกเราต้องฝึกไว้ก่อนกเดี๋ยวคนเดียวอย่าไปเพิ่งใครแม่ต่หัวยามาถึงเวลาก็เพิ่งไม่ได้คือคือถ้าเรา <c oughs> คือไ ม, ไม่ไม่รักษาอย่างเงี้ยค่าสมมุติว่าแบบพวกเราถามคนบางคนอ่ะบางคนเขก็บอกปึกเดียวตายบางคนก็บอกปวดร้องอดโอยแตกแม่ที่เขาฝึกเยอะๆอะค่ะอาจารย์เขาก็ไม่ได้แบบอะไรนะเขาก็แค่แบบปิกซ้ายปิ๊กขวาดิ้งไอ้แบบของเขาไปลูกก็วัดถ้าฝึกมากๆก็จะอุเบกขามันจะแน่นใช่ไหมใช่อยู่ที่อุเบกขาเนี่ย ถ้าไ <poisoned. S 1> ม่ไปหาใจเขาไม่ทรมาร์ดความเจ็บของร่างกายเขาไม่ไม่หนักหนาสาความเจ็บของร่างกายกับความเจ็บของใจนี้มันหนึ่งต่อสิบเรอความเจ็บทางร่างกายสิบหายไปมันเหลือแค่หนึ่งเดียวมันไม่เท่าที่นี่พุทธโอและพระอาจารย์ที่เราอันนี้อย่ากบางโลกอ่ะความปวดความอะไรมันไม่เหมือนกันไงถ้าหัวใจวายตายมันก็ไม่อะไรหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ย คามเจ็บในร่างกายมันก็เหมือนกันหมดมันอมันก็เจ็บเต็มที่ของมันเท่านั้น่ะแต่มันแต่มันแค่หนึ่งในสิบถ้าเปรียบเทียบกับความเจ็บของใจก็คือดิ้นอะไรเนี่ยปกติใจที่ดิ้นมันใจดิ้นไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายดิ้นหมายถึงว่าร่างกายถ้าสมมติว่าเราฝึกมากๆอะค่ะอบเบกมากอะค่ะอาจารย์ก็คือใจอ่ะมันนิ่งแต่ว่า สภาพการเจ็บป่วยเวทนาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกปวดดิ้นไปอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับพระเจ้าใช่พระพุทธเจ้ายังรู้สึกท่านเดินก็เหนื่อยท่านก็บอกว่าหิวน้ํำบอกพานนอนให้ปู่ผ้าให้นอนทักเดี๋ยวเราไปเอาน้ํามาให้ดื่มหน่อยนั้นเป็นเรื่องของร่างกายอ๋อโอเคแล้วงั้นลูกคือใจใจใจเฉยใจเฉยใจมันกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ร่างกายมันร้อนเน่ะร้อนวิ่งไปมันร้อนคนขับก็ต้องจอดให้มันเย็นเติมน้ําให้เครื่องมันเย็นงั้นเดี๋ยววิ่งไปเล้วยเครื่องมันจะพังมั้อ๋อค่ะแต่คนขับก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถเนะถ้าเป็นถ้าเบี่ยงเบี่ยงขาแล้วจะไม่เป็นอะไรครับนอืาที่มันเป็นเพราะมันเกิดกิเลสความอยากความกลัวขึ้นมากลัวก็อยากให้มันหายมันยิ่งมันยิ่งทามานขึ้นมาใหญ่ ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างบางทีอ่ะก็คิดว่าหมายถึงว่าความรู้สึกเราอ่ะคิดว่าเราอ่ะทนได้ระดับหนึ่งและแต่อย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าคือเรายังไม่เคยเป็นเลยเขาต้องเขาต้องมันเข้านั่งแบบให้มันเจ็บไม่ไม่ขยับเนี่ยอืลูกลูกแต่เขาบอก<ห><ะ>ว่านี่นี่เป็นเหมือนกับเวลาที่เราจะเป็นมาเลยขึ้นมานี่คือความเจ็บของร่างกายแล้วดูสิว่าใจเราเฉยมัอยนอ ย, อยู่กับมันได้ปะ่ะอื่านอยู่กับมัน ไม่ได้หนีมันไม่ได้อยากให้มันดับหรืออะไรเพียงแต่หัดอยู่เขามันเยเวลาฝนตกก็หัดอยู่บอยู่กับฝนไปน้ำเพิ่มก็อยู่กับน้ําท่วงหมดไมไม่ไปเดือดร้อนเขามันเพราะว่าที่ที่แต่ก่อนนะอาจารย์มันจะมีปวดแต่ตอนเนี้ยคือมันว่างแต่มันมันไม่มีภาวะที่ว่ารู้สึกเจ็บอะไรเลยมันเข้ามันคือมันนั่งไปได้เรื่อยๆแต่มันก็อยู่แค่คือ ชั่วโมงกว่าถ้าลูกจะลืมตาลูกก็ลืมแต่ว่าคือก็สามารถนั่งไปได้เรื่อยๆแล้ว็จาให้มันเจ็บดูสิมันต้องเจ็บนะถ้าไม่ช้าก็เร็วมันต้องเจ็บเจ็บแล้วก็อย่าไปทำอะไรหันอยู่กับมันไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายก็ปล่อยเดี๋ยวเวลามันจะหายมันก็หายของมันเองอืมถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไปโดยที่วันใจเราวุ่นวายไปกับความเจ็บใช่ไหมโอ้ค่ะอาจารย์ ถามอะไรอีกลืมมป็นล็ดงงนึกนึกไว้ตองคำลืมเดี๋ยวาไว้ค่อยถามเดี๋ยวเดี๋ยวถามใหม่ก็ได้ค่ะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่เป็นโอเคจนไม่เสร็จตอนนี้คนแก่แล้วไปอาศาัยาความจำไม่ได้ความจำเสื่อมนึกนึกไว้ <c oughs> คุณคุณย่าพระอาจารย์โอเคไปที่คุณอ้อมน้องออมจากบอิวิเทอร์มลี นะจุดไฟบังคับเลยยังได้ไฟบังคับเลอยังออวันนี้จองไปแล้วค่ะแต่แตคุณป้าท่านยังไม่ได้ตอบเมลกลับมาค่ะจองวันที่สามเดือนมีนาค่ะพระอาจารย์สองคืนสามวันเหมือนเดิมค่ะโอเค <c oughs> ไม่ออกสักราทิตย์เมือนคนเดียวยังลา ง, งานไม่ได้ค่ะน้าต้ค่ะไม่ใช่ลางานไม่ได้ยังสู้ไม่ไหว ค่ะค่อยๆไปค่ะโอเคค่อยๆไปค่ะค่ะขอบระคุณคอ่าคุณอนุเบนวันนี้คุณอาจารย์ไม่อยู่แล้วบ่ายเป็นไหมรัลโลกราบนำมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ต่อไปทีวิเนียร์ที่เขาใหญ่ก็เลยให้มาทำหน้าที่กราบสวัสดีพระอาจารย์แทน โอเคสบายดีนะสบายดีครับอาจารย์ครับอยู่คนเดียวไม่เหงาเนอะอยู่ไม่นคนเดียว <c oughs> <c oughs> อยู่สองคนก็เหมือนกันอยู่คนเดียวเอแต่่ก็อยู่นะครั okay. บโอเคก็มาวสวัสดีอาจารย์เหมือนทุกวันอาทิตย์นะโอเคมีความสุขมากๆนะครับครับไปที่คุณแด น, นต่อคุณแด น, นจากอุดอรธานี <c oughs> กลับมมัสการค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะโอเคไปที่เชียงรายคุณเอง <c oughs> าการบมาตการพระอาจารย์ครับวันนี้เข้ามากับพระอาจารย์แล้วก็ร่ว ม, ร, มรับฟังครับพระอาจารย์ผมก็ปฏิบัติตัวนครับตามปกติครับพระอาจารย์รักษาใจให้นะให้เป็นโอเบคขาในตอนเวลาสักเท่าไหรดู ไมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารับรู้นะครับผมครับผมเออก็รู้สึกตัวตลอดครับอาจารย์ตื่นกินเดินก็รู้สึกตัวครับอาจารย์แล้วกินก็เคี้ยวก็ก็นับคําด้วยครับอาจารย์อย่าคิดพูดแต่งพยายามควบคมความคิดพูดแต่งนะที่ต้อที่จะเป็นต้องคิดแล่นไม่จําเป็นอย่าไปคิดมันครับผมก็มีแผนประมาณปลายเดือนนี้ก็จะออกไปปิดวิเวกครับอาจารย์ เอ่าดีครับผมอ่าครับต้องไปที่มันเปียวๆที่หวาดเสียวหน่อยครับเลย้วก็ขี้เกียจครับไปคราวนี้แล้วก็กะว่าจะไปอยูนกันแต่ว่ามันไม่มีโอกาสคนมันเยอะครับแต่แต่งวันี้น่าจะลองอยู่ครับอาจารย์น่าจะลองไปนั่งดูครับครับผมครับก็ขอทักทันพระอาจารย์ถึงแรงครับผมครับสาธุครับาก็เกิดเกิดบันเด็จดัง ได้ยันไหมเด็นั่งเด็กถามนวัสการครับอาจารย์ได้ยินนะคร<ช>ับพอดีครับพี่ดูเจ้าตัวเล็กอยู่ครับอาจารย์อวันนี้มีคําถามครับพอดีว่าอมีจะถามเรื่องของท่านออ่่าขันติปปาโลครับาอพาจารย์ครับ ใช่ครับปรดีว่าบังเอิญมากเลยครับเอน้องน้องคนที่เป็นลูกขึ้คนคุณจักจรจันทร์นะครับเป็นน้องในทีมจิตอาสาครับเพิ่งเจอกันเมื่อวันอาทิตย์ก่อนนะครับอืแล้วก็น้องก็ามาถามถึงเ อ, อพระ้าจารย์ครับก็เลยวันนี้ติดต่อทางคุณหลาไปครับก็เห็นเดี๋ยวแพนว่าทางทางน้องและทางทีมจิตอาสาจะไปพบผ้าจารย์อาจจะไปวันศุกร์อะครับผ้าจาย์ ไม่สะดวกเหรอเพราะเราต้องไม่แสดงครับนอกจากไปตอนเช้าที่ศาลาได้ตอนเช้าใช่ไหมครับอาจารย์จะได้แจ้งทางทีมงานครับอาจารย์เก้าโมงครึ่งก็ไม่ได้แสดงทำตอนบ่ายอ๋อครับเอ่อจะ น, น, นิ ม, มนต์อาจารย์ช่วยเล่าถึงท่าน อ, อขันติปารุใ ห, ให้ให้ฟังได้ไหมครับทำไมเลยไม่ได้ยินอะไรมาอ๋อเหมือนน้องก็จะบอกว่าท่านเป็นคนที่ อ่าตอนที่พระอาจารย์จะบวชนะครับ mm hmm. ก็เลยอย่างอยากจะฟังจากพระอาจารย์ครับอ๋อท่านเป็นชาวต่างประเทศท่านเป็นพระชาวชาวชาวฝรั่งนะครับแล้วท่านก็สนใจกับการปฏิบัติท่านก็ไปฝึกกรรมฐานกับครูบาอาจารย์ท่านภาคีสามอยู่บางแต่ไม่ได้อยู่อยู่ยาวเนท่านปัญญา พ, าพาระที่อยู่กัหลวงตาวบวชนะท่านก็ไปไปสัมผัสกับ วัดของครูบาอาจารย์หลายที่ด้วยกันแล้วท่านก็รู้สึกจะจะมีความความรู้ความสามารถในการเขียนหนังสือเกี่ยวกับธรมรมะธรรมะของการปฏิบัติเนี่ยเราก็เคยมีโอกาสช่วงที่เราศึกษาธรรมะจากหนังสืออาจารย์จิจากศีรษะกลาง ก, าก็เป็นหนังสือของท่านก็ได อ, อ, อ่านหนังสือของท่านแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะได้พบตัวท่านนะและ้วพอดี เวลาที่อยากจะบวชก็ได้ปรึกษากับพ่อครูโบเกตที่วัดเพราะท่านอยู่ใกล้บ้านอันนั้นก็ไปไปกราบท่านบัว อ, อยากจะบวชจะเห็นว่าวัดช่องลอกนี้มีเป็นมีวัดที่แข็งขัดทำวินัยไรยนนท่านก็บอกว่าวัดท่านถึงแม้จะแข็งขัดทางธรรมวนัยแต่ท่านจะไม่ได้เป็นวัดปฏิบัติเหมือนวัดของครูบาอาจารย์ทางภาคอีสาน ท่านเป็นยงเป็นวัดที่มีพิธีกรรมต่างๆมีมีเกีนรตินิ ม, ม, มีแล้วก็ต้องมีการเรียน เ, เรียนปริยัตอะไระถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยู่กับท่านห้าปีแว่ถ้าอยากจะบวชแล้วปฏิบัติเลยก็แนะนำว่าไปบวชกับสมเด็จพระยานสํวรที่วัดบอรอู่เวศแล้วท่านเจ้าอาจารย์อนุ ญ, ญาตให้ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ทางพาระิกนได้ แต่ปฏิบัตนได้เลยไม่ต้องศึกษาปริยัต <c oughs> แล้วก็เลยลุกไปที่วัดโบนแล้วแล้วก็เคยได้ได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับวัดโวนเพาะเป็นวัดที่มีชาวต่า ง, างชาติไปไปบวชกันเยอะดังนั้นสําเหนียนท่านเมตตาชาวต่างชาติใครอยากจะมาขอบวชท่านก็บวชแล้วก็ขอไปอยู่กับหลวงตามาหาบวัวงมื่พระอาจารย์ฟันมากหลวงปู่เทศมากท่า น, นก็บวชแล้วก็ให้เขาไป เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราไปที่วัดโบราณก็คงจวะว่าไปหาชาต พ, พัดต่างประเทศเพราะเราตอนนั้นก็ไม่รู้จักคนไทยเท่าไหร่เราคิดว่าคุยกับพวกต่างเทศต่างประเทศนี่มันคุยกันง่ายกว่าก็เลยพอไปถึงก็ปีเดีเห็นไปเจอพระต่างประเทศเดืนอยู่หองสามลูกก็ถามเขาว่าอยากจะมาคุยเรื่องที่จะมาบวชที่นี่ว่าจะไปคุยกับใครดี เขาบอกว่าพดีมีพระเทระท่านคันติปารลงนท่านหมดได้ 40, สิบพรรษามีมีชาวต่างชาติที่มีพัรษามากาที่สุดคือพระคันติปาราะว่าแนะนําเราไปคุยกับท่านแล้วเขาก็พาไปทีุ่ติท่านแล้วเราก็ไปกราบท่านแล้วก็ไปเล่าว่าเราได้ปฏิบัติแนวท า, ง, ทางนี้มาได้นหนังสือจากย์ศรีลังกาที่มีหนังสือของท่านอยู่ด้วยได้อ่า น, น นนวเนวเราศึกษาวนวแนวของสติปัะฐานสี่อย่างหนังสือที่ประเทศสีร้ำกาลที่เราสั่งซื้อมานี่มาเป็นผู้มือการปฏิบัติจนถึงเวลาพร้อมที่อยากจะบวชก็เลยได้ข่าวว่าที่นี่เขาาจะบวชให้แล้วให้ไปอยู่กับผู้บอาจารย์ที่ภาคอีสานก็เลยน่าให้ท่านทำ ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปไปเรียนการเรียนสําเร็จใหเ้เราไปเล่าให้สําเรนาฟังแล้วสําเร็จก็บอกให้เรียกตัวแล้วให้พาเราเข้าไปหาเราเข้าไปหาก็ท่านก็ถามว่ามาจากไหนอย่างไรรู้จักใครที่วันนี้บ้างไหมบราไม่รู้จักใครเลยรู้มาครั้งแรกรุ่งอนี้ได้เจอกับชาวต่างชาติก็ได้คุยกับเขาแล้วท่านก็ถามว่ามีพ่อมีแม่ไหม น้องนี่้องว่างใครก็บอกอย่างนีพาพ่อแม่มาพบหน่อยคนใดคนหดึ่ก็ได้ก็เลยนันวันวันที่จะมาพาพ่อแม่มาประกาศท่านพ า, ายโยมแม่มาประกาศโยไมได้เห็นโยมแม่แล้วคุยกันนะท่านกา็นัดวันบวชให้ให้ไปบวชคู่กับหน้าอีกคนหนึ่งที่เขาจบปริญญาโทรมาแต่ก็บวชชั่วคราว เขาบวดก็เป็นรุ่งในพลเขาบวชตามมาเพนีสิบห้าวันแต่วันเวลางานบวชนี่เ็ามีคนมาเป็นร้อยแต่เราบวชนี่มีคนมาแค่สามสี่คนเนะพราะเราไม่ได้บอกใครเราบวชเราบวช เ, เงียบเงียบแล้วช่วงนั้นถ้าอาจารย์กันดิปาโรท่านกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นธรรมทุ่นที่ต่างประเทศท่านจะไปอินโด น, นีเซีย ก, ก็ออสเตรเลียเพราะนั้นท่านตอไปทา บีซ่าทำทำฉีดยาอะไรเนี่แล้วก็เลยเป็นลูกศิษย์ท่านก็ช่วยช่วยไปกับท่านช่วยเป็นคนใเงินให้ท่านจำพ่อพาทีลป์เงินเองไม่ได้แล้วก็อาศัยอยู่ที่ปุติท่านที่ปุติท่านที่หน้าบุติท่านมีห้องเล็กๆอยู่ให้ลูกศิษย์อยู่เราก็อยู่ที่ห้องนั้นแล้วก็อาศัยอาหารมินถ่ายของท่านมินถ่ายกลับมาเราก็ช่วยจัดบารให้ท่านล้าบารให้ท่านอาหารที่เหลือท่านก็ให้เราให้เรารับประทาน อยที่นนช่วงก่อนจะบวชมาสักสองสามอาทิตย์ถึงจะได้บวชเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นลูกศิษย์พระไปเป็นไกด์กไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอท่านเลยกนเมื่อไม่กี่ปีนี้มี่กอนไปพบท่านที่ออสเตรเรียตอนนี้ท่านท่านศึกมาหลายปีแล้วแล้วตอนนี้ท่านก็เป็นคนชรลาอยู่บ้านคนชะลาแล้วพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แ้ในสู่มพระสุ่มี มีคนไทยคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งอยู่อยู่ที่เม้าเพื่อนได้ได้พบกับท่านเลยก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ท่านเสียไปแล้วก็มีประวัติท่านนี้ที่เกี่ยวกับอาจารย์ครับติดปลาโลบเราเสริรดูก็ได้อาจจะมีประวัติของท่านเรื่องมีหนังสือที่ท่านเขียนอยู่ที่อาจจะเอามาดูก็ได้ ท่านเป็นชาวออสเตรเียนะ <c oughs> ท่านไอยู่ออสเตรเลียเป็นพักอยู่สักพักห น, นึ่งว่าตำแตน่งไม่ทราบเกิดเหตุอะไรขึ้นมาท่านลาสิกขาไปโ <c oughs> okay, อเคพอหรืยงังคนที่บอกจะมานี่ยเขารู้จักท่านคันติปารโรไหมเราไม่รู้จักอ่า ค, คือคือน้องน้องเขาอยู่ออสเตรเลียนะตอนเนี้ยครับแล้วเขามาที่เมืองไทยชั่วชั่วระยะหนึ่งครับพรอาจารย์ อแล้วก็เอน้องเขาบอกว่าช่วงที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็ไปเหมือนบ้านน้องกับท่านอา่าปาติพาโลเนี่ยครับอยู่คันติปาโลนี่คืออยู่ห่างกันประมาณสิบโลแล้วน้องเขาเคยบแบบไปแบบเหมือนไปช่วยเหลือครับไปป้อนข้าวไปเหมือนตอนอท่านช่วยเหลือเองไม่ได้ครับเออก็เป็นเรื่องบังเอิญมากเลยครับอาจารย์แล้วใช่ครับเพราะว่าคือไมแล้วทางผมกับคุณภูมิไม่ได้คุยกันเรื่องปาจารย์เลยครับ แล้วก็เหมือนน้องเขาหาประวัติของท่านปติปาโลแล้วเจอชื่อพระอาจารย์ครับแล้วเขาก็เลยไปเสด็จแล้ววันนั้นที่เสด็จก็คือวันที่พระอาจารย์ออนไลน์เมื่อวันน่าจะอาทิตย์อังคารที่แล้วใช่ไหมครับอืมครับก<ต>็เลยชน้องคนนี้พี่เขา้าเข้ามาในชูนะใช่ใช่ครับแล้วคือน้องคนนี้เขาเหมือนเขาท่านน้องเขากับพรอบครัวเขาะครับคุณพ่อเขาดูแลที่ออติเลียอยูรับข้นใช่ใครบับแล้วก็พอดีเขามาแล้วก็ เพิ่งอาทิตย์ก่อนก่อนเพิ่งไปออกรายการเกี่ยวกับการคุยธรรมะอะครับของคุณหมอบีนะครับก็เลยทําไม่ได้เจอกันตอนที่ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านลานเสียงธรรมครับพระอาจารย์ก็ยังได้เจอกันคุยกันแต่ไม่เคยไม่ไ ม, ไมิไม่รู้ความเชื่อมโยงตรงนี้ครับพระอาจารย์ถือว่าโลกผมได้รู้จักพระอาจารย์ของพระอาจารย์อีกทีครับเป็นบุญมากครับก็ถือนะเป็นพระอาจารย์ รูกที่สองของ อ, อ, องร์การกิชางเลยอ ง, ง, องก็คือหลวงปู่บัวเกลิศขอขอคำปรึกษาบวชท่านก็นั น, นําให้ไปบวชมาบวชแล้วก็ไปคุยกับพระคัมภีร์พระเราว่าอยากจะบวชท่านก็เลยเป็นผู้อาสาไปไปกราบ เ, เรียนสมเด็จท่านก็พระระดับท่านเราคงจะเข้าไปไม่ถึงอยู่ยท <c oughs> ่านก็ไปกราบเรียนให้ท่านอะไรเรียนตัวหายคนก็ได้บวช ช่วงที่บวชก็ได้ไปนั่งสมาธิการสมเด็จทุกคืนหลังจากคําวัดขํามปณิธานจะนั่งอยู่ที่ห้องพระของท่านและท่านขออนุ ญ, ญาตให้ผ้าที่อยากจะนั่งสมาธิไปนั่งกับท่านได้แล้วก็ไปนั่งทุกคืนประมาณสักสี่สิบห้านาทีนั่งสมาิไม่ได้พูดให้คุยกันบางทีไปถึงแท่านกำลังนั่งอยู่นะแล้วก็ไปนั่ง่อบเงี้ยเงี้พอครบเวลาท่านก็นจะเคาะตีกนันหนึ่งนิดหน่อยบอจบละ ก็กาท่านแก็แยกคนไม่ได้คุยอะไรไม่แสดงธรรมนะอไม่นสมาธิกสิ่งเด็กอเมีมีพาะที่ก็พาะรูปหนึ่งตอนนั้นเป็นสามเณรเป็นชาวนิวซีแลนด์เขาก็มาบวชที่วัดบวรแล้วแล้วเขาก็พอเขาได้บวชพระแล้วเขาก็ไปอยู่กับน้องปูเทศทีท่หนองคายหนองคายน่อยอยู่ในชั่วคราแวแต่เข า, า, าศรัทธาในอาจารย์พระสมัยโตชาวเก่ง เป็นลวกศิกษย์ของหลวงปูชาเขาก็เลยลูกสิกษ์ไปพิยาติไปเป็นไปเป็นไปเป็นมหานิกายอยู่กับพระอาจารย์สเมโทแล้วก็ไปช่วยงานที่ประเทศอังกฤษนะลตอนนี้ย<อ>ังอยู่ที่ประเทศอังกฤษครับชื่อพระอุ ป, ปนโนมพระเจ้าไม่เป็ด<อ> <c oughs> ไม่อะไรไม่ไมเคยได้เจอจท่านเจอท่านครั้งหนึ่งตอนที่ท่านไปอยู่วัดเหิงมาเองแล้วท่มานแวะมาที่วัดต่ามันตายตอนนี้เราอยู่วัดต่ามันตายก็มีได้เจอท่านครั้งประจำในผินธรรมดานนะสี่ห้าสิบปีปปปปปปมาสี่สี่สิบปีมาคนนานมากครับ <c oughs> อาจารย์รู้ <c oughs> สึกว่าเหมือนท่านกัณฑีพาโลคอบแปลพักไต้บิด ก, กเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับอืม เราท่านเก่งมากเลยท่านเก่งท่านเก่งหนังสือเองบางทีท่านเก่นเกี่ยวกับเรื่องปฏิปทาเรื่องการปฏิบัติประยู่วัดประสบการณเวลาไปอยู่วัดป่าอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ท่านเแล้วเนี่ยท่านท่านเคยไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตานนะครับพระดันที่ว่าเคยนะเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้อยู่อานแล้วไปก่อนที่เราไปนะท่าน ถ้าหลวท่านมีปัญหาเรื่องท้งท่านชันเมื่อเดียวไม่ค่อยได้นะฉันสองมือได้เห็นเห็นน้องจักรจานทร์บอกว่าพระอาจารย์มีรูปท่านขันติพาโลในกุฏิด้วยเหรอครับไม่ก็คือรูปที่เขาถ่ายมาจากตอนที่เขาไปที่ไปป้อนอาหารที่ไปเยี่ยมท่านที่ท่านนั่งอยู่ในที่ในสถานที่อยู่ของคนฉราบที่ออสเตอ๋ออ๋อน้องก็แชร์ให้ดูใช่ไหมครับอ่าเขแช่มาให้ ต อ, อ น, น, นทําไม่ทราบเราเราเก็บไว้ที่ไหนหรือเปล่ไห ม, รไมรครับคนก็อาจจะไม่ได้เก็บไว้เป็นเรื่องบังเอิญมากครับแต่ว่าก็ไม่แปลกใจครับ่าะอาจารย์เรได้ได้ฟังบาริประธาของพระอาจารย์ก็เป็นบุญครับพระอาจารย์จับ ต, ตั้งใจฟังพระอาจารย์ครับขอบคุณครับพระอาจารย์สาธูครับไปที่คนยินดีจ่ดยินดีจากแคนซัสสวัสดีครับท่านอาจารย์ ไม่เป็ไรไม่มีอะไรเนฝากเซฮลโลเช่นเดิมค่ะแล้วก็บอลตองเต้ค่ะท่านอาจารย์เขาฝากบอเนี่ยเนี่ยอ่าไว้เปล่านี่อัานวีดีโอไว้เปล่านี่เช้าทุกวันพุทธกาลก่อนที่เขาจะไปทํางานเวลาเขาจะแบบทานข้าวพอช่วงที่ทานข้าวเขาบอมวันนี้ยค่ะช่วงที่ทานข้าวค่ะช่วงเช้าค่ะเขาบอกว่าวันนี้วันพุธท่านอาจารย์ฝากเซฮลโหลแล้วก็อย่าลืมบอลตองเต้กับท่านอาจารย์นะ เขาจะเป็นคนญแจเงลูกจะไม่ลูกจะไม่ได okay. ้พูดอะไรแต่เขาจะเป็นคนเขาจะเป็นคนบอกได้ดีขอบคุณเขาเป็นคนมีน้ำใจดีนะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์ก็ขอให้พระอาจารย์ท่านขันแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเป็นอค้ชใจให้ทุกคนนานๆค่ะท่านอาจารย์โอเคสาธุขอบคุณอ่าให้คมาริกาก่อนนะมาริการเยอะ กราบนมัสการพอาจารย์ค่ะก็ก็มากราบพรอาจารย์แล้วก็ร่วมฟังทางไม่มีอะไรนะไม่มีค่ะโอเคงั้นไปต่อเลยนะครับคุณก็อจากสุราธานีครับครับพี่ได้ยินไหมยังไม่เปิดหม่เลยอาจะมันเดีอดครับพูดกันนะพูดกันคุณรอเดี๋ยวนะร อ๋อข้าพเจำำ้าตามนวัตสการครับอบงไงมีอะไรไหมอ๋อเมื่อวันที่แปดครับอ่าเป็นวันเกิดครับไปทําบุญกับโควอาจารย์แรกๆที่สารมาครับไปวัดไปสกลแล้วก็ไปอุดรครับอืมพึ่งพึ่งครบสามสิบสี่ปีครับอ่ายังยังไปไกลอยู่ถ้าไม่ตายก่อน อะไรนะครับพระอาจารย์เรายังไปได้อีกไกลถ้ายังไม่ตายก่อน <laughs> ครับเราเดยวพระอาจารย์คือเป็นอาจารย์เล็กแรกๆครับหลวงปู่คาบอกกับหลวงปู่จันเรียนครับ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> พระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมพ้องพีหน้าอะไรอย่างเงียเดี๋ยวผมเดหรือว่าปีนี้เดี๋ยวผมจะไปหาพระอาจารย์ครับอ๋อ <c oughs> ไม่เป็นไรเราไม่ต้องมาก็ได้เนี่ยเจอกันตร ง, งนี้ก็จเจอกันแล้วทําบุญที่ไห <c oughs> นก็ได้เามือนกัน แต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าเจอที่นี่ก็เจอง่ายแต่ว่าครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่อายุเก้าสิบแปดสิบกว่าแล้วครับคือกว่าาจะไม่ได้เห็นท่านครับใช่ดีปรกาศท่านเถอะที่วัดที่วัดหลวงปู่ใชครับอทําบุญไปแบบว่าเต็มที่เต็มเหนี่ยวเต็มนูกรอบเลยอาจารย์โอเคตอ็ที่วัดทิพย์แล้วมันก็ทําได้เต็มที่ ครับที่วัดออผมเคยส่งพระจากที่ที่ใต้ครับผมออกค่าที่บ้านออกค่าตรวจเครื่องบินให้ท่านบวชตั้งแต่อายุยี่สามครับท่านบวชได้ห้าปีแล้วท่านได้ปานิโมงในภรรษาเรารู้สึกว่าท่านจะได้นั่งสมาธิวันหนึ่งหกถึงแปดชั่วโมงครับที่วัดถ้าเสหายครับอ๋อดีมากดีมากหลวูจ่จำเนียรท่านเข้มวดขดขันมากท่านเข้มมาก ครับก็ก็ก็รู้สึกดีใจท่านส่งของอะไรไปท่านใช้ท่านก็ได้ใช้ครับเราว่าถือว่าได้สนับสนุนแล้วก็เมื่ท่านมีโอกาสมาท่านจะได้กลับมาภาคใต้มาเผยแผ่ธรรมะครับ ต, ต่อไปท่านก็ต้องกลับมาอยู่ที่ทิพย์ของท่านอิสุราษฎร์ครับโอเคดังนั้นกราบ ข, ข, ขอพอาจารย์ขอขอพรวันเกิดแล้วก็แผ่เมตตาให้ที่ร้านนี้เยอะอนะครับขอให้อย่ามาเกิดอีกนะครับสาธุครับอาจารย์กบขอบคุณครับอเค จยาไปที่คุณหมอกับอาจารย์พัทรพงศ์ตามนามสกัญครับอาจารย์ขออ๋อเจ้าค่ะก็พอดีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโยงก็ไปมีไปปฏิบัติธรรมกันที่ทรรมรับแลรักขาอาจารย์อก็รู้สึกสงบดีแล้วก็กลับมามีมีสติมากขึ้นมากเจ้าค่ะอาจารย์รู้สึกว่า ควบคุมใจให้เราคอยมีสติอยู่เสมอเจ้าค่ะแต่มันก็อาจจะหมดได้อ่อนได้หลังจากกลับมาสัปหามเดี๋ยวมันก็กลับมามันกลับมาสัปหามเดินสัปหามเดินมันก็จะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมก็มจำเป็นจะต้องไปฝึกอยู่เรื่อยๆไปบ่อยๆจำค่ะถ้อยากจะก้าวหน้าถาไมงั้นก็จะอยู่นในใ น, ในระดับนี้ไปก่อน เจ้าค่ะก็รู้สึกหาโอกาสยากเหมือนกันเจ้าค่ะอาจารย์ว่าเรื่องลูกอะไอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่นี้ก็ถูกเหมาะแล้วก็ลูกเออก็มีแบบตายายเขาไปช่วยดูแลหยุดไปอยู่ก็ไม่ไม่ห่างมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์เข้าใจคาที่พูดเพราะพุทธชาพูดว่าลูกเป็นหวกเจ้าค่ะเป็นหวกเป็นหวงเพราเป็นห่วง้องดูแลเขาด้วย อ ก, การในวัฒการครับก็ได้ไปเข้าถ้ามาครับไปปีกีื่นยื่นถ้ำรับแลรับบุรีนะอ่าที่นประจวบครับประจบวบก็ค่ะเป็นสมมต ส, ส่งทางรับแันี้เป็นถ้าแบบถ้าธรรมชาติไฟมีแค่ไฟสว่างนิดนึงแล้วก็ลงไปเป็นถ้าอย่างเดียวเลยครับอ ป, ป๊าคิคมตัวมีนเนอเรชครับแล้วก็ได้ได้ลองลงไป ปฏิบัติทาตามที่ที่ที่านาจารย์เคยนะก็คือลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่แบบมืดมืดอยู่คนเดียวครับก็ได้รับความสงบตามกําลังของธรรมชาติครับก็ก็รู้สึกดีครับเข้วพอแยกกันอยู่ใช่ไหมเราอยู่ด้วยกันอยู่แยกกันอยู่ครับแยกนั่งครับแยกกันั่งเลยครับก็แยกครับวีผู้ชายคนละโซนกันใช่ครับครับเพราะส่วนใหญ่ก็ได้ใช้เวลา ไปแป๊บเดียวแต่ก็นั่งนั่งสมาธิตลอดก็ได้สติได้มีสติได้ใช้ความสงบได้ความสงบในช่วงนั้นแล้วก็กลับมาผจญความวุ่นวายที่อาจารย์ว่าอย่างน้อก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศว่าว่ามันเป็นยังไงถ้าเราอยากจะได้ความสงบเราก็ต้องให้ที่สถานที่มันสงบด้วยกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวบ ก็ดีที่ยังน้อยมีความเปลียนพยายามที่จะไปหาที่อย่างนั้นังว่าคงจะพยายามทําไปเรื่อยๆให้มากขึ้นคือกลับคือกลับมาเนี่ยก็คื อ, ค, อ, ค, อคือโชคปีที่ว่าพระอาจารย์ที่ที่วัดเน่ยท่านก็เป็นเป็นพระปฏิบัติท่านก็วัดท่านก็ไม่ไม่ฝไฟ ม, มีนิดเดียวแล้วก็กดใช้น้ําบาดาลเอามีภาพจับพรนตาอยู่ไม่กี่รูปท่านก็เทศโปรดเรื่อง เรื่องกรรมเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องกลับมานี่นอกจากแค่ระวังเรื่องไม่ผิดศีลแล้วก็ต้องระวังเรื่องความคิดมากกว่าเดิมด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ถือว่าโชคปีที่ไปแล้วได้ไ ด, ได้ได้มีโอกาสได้ได้เดรียนรู้แล้วก็มีความสังวรแล้วก็สำรวมอินทรียมากขึ้นตอนกลับมาครัจ้ะนี่นั่นมัลสถานที่มันมีส่วนเขาเรียกสัปปยะ สถานที่สัปปายงคือส น, นับสนุนการปฏิบัติของเรามันสบายปัจจุบันิแล้วสบายสบายอกสบายใจสัปปายะเนี่ยต้องเลือกเนี่ยมันมีสั ป, ปายะอยู่สี่สามสี่ห้าอย่างสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะอาหารนี่ก็บางทีถ้าไม่ถูกกบับเรากินเข้าไปแล้วมันอาจจะท้องเสียหรืออะไรนี้ได้ น, นี่ก็สัพเพยะเราไม่ต้องหมายความว่าอร่อยอร่อยนะหมายถึงสัพเพยะหมายถึงไม่เป็ น, ปปะะ ไ, มปนไม่ทําให้เราร่างกายเจ็บไข้แน่ป่วยแนะ่อะไรกันเรานี่ก็สัพเพยะแล้วก็บุคคลที่เราอยู่ด้วยก็สัพเพยะโดยเฉพาะอาจารย์นี่เป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดต้องเป็นคนที่เขามีประสบการณ์มากมาเราเขาถึงจะสอนเราได้ ควรสบายแล้วก็อากาศสบายนะอางคนชอบร้อนไปอยู่ที่หนาวมันก็ไม่ไม่ค่อยถูกคนชอบชอบหนาวไปอยู่ที่ร้อนก็ไม่ถูกที น, นี้ก็ต้องเลือกดูอากาศเหมือนกันดีป้ากัน น, นี่คือสัปปายะต่างๆ ท, ที่ผู้ปฏิบัติบองทีก็ต้องคำนึงถึงสถานที่บสัปปายะคือที่สงบสงบทีิเวฆ ค้อคขับแล้วจ้าโชคดีที่สภาพอากาศอะไรก็เป็นใจพอดีนะครับทุกอย่างดีหมดนะต้องขัาวันนี้ก็วันนี้มีโอกาสก็จะไปสามีอาจารย์เนี่ยเอาโอกาสเที่บ้างได้ได้พบความสงบบ้างครับจะได้แบ่งประสบการณ์ให้กับเพื่อนเพื่อนญาติยมที่สนใจว่าอยาจะรู้ว่าเป็นยังไง ตอนนี้คือแบบเน้นฝึกสติแบบสุดๆเลยก็ครับอาจารย์รู้สึกเป็นุู้สอที่สติก่อนหยุดความคิดให้ได้ เ, เข้าสมาธิให้ได้ก่ปัญญาเรารู้กันมากนะครับแต่ไม่มีกำลังที่จะใช้มันมาสู้กับกิเลสนด้คือชือไปครั้งเนี้ยคือได้เข้าใจสิ่งที่อาจารย์สอนคืออาจารย์ ได้เน้นย้ำเรื่องสติเี่เราก็ฟังล้วก็เออก็พยายามระลึกรู้ไปแต่แบบจะใช้คำวมาเี่นเหมือนมันไม่ไม่อินนะครับแต่พอไปปฏิบัติทางเนี้ยเหมือนสิ่งที่ที่พระอาจารย์สุชาติสอนเนี่ยมันแบบเออเขาเร ว, ว่าสติมันสําคัญจริงๆนะมันแบบมันมันเหมือนกับอินก็ไปในตัวแล้วว่าเออแบบโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกกลับมาความเพียรมันก็เกิดขึ้นมาเองเพราะว่าเรารู้ว่าเออสติมันสำคัญจริงๆนะไม่ใช่สำคัญเพราะว่าพระอาจารย์บอกแต่สําคัญเพราะว่า เราเอาไปอยู่ในถ้ำเนี่ยแล้วเราต้องใช้กับเรื่องอะไรท่านระมัดระวังเป็นสติตลอดเวลาครับครับครับบางีคำพูดคําสอนใี่ฟังแล้วมันไม่เข้าใจถ้องต้องไปปฏิบัติด้วยมันถึงจะเข้าใจต้องต้องพูดที่มันพูดมาจากจากการปฏิบัติเดถาต่ อ, อไห้มีคําถามอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีครับ ไปยังไปไปไปต่อนะจะไปทันกันตอนนี้ขอบคุณมากนะครับอ่าคุณมิรายพรสายสองคุณธรรมทนกล่าวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามค่ะเขามากราบพระอาจารย์ฟังเสียงพระอาจารย์แล้วฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคสาธุอาจารย์<ช>สายที่อาจารย์สายที่อยู่ที่ไหนมาสารคามหรือขอนแก่นอยู่ขอนแก่นเล้าค่ะ อยู่คอนแก่นเจ้าค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปสอนช่วงที่ปิ ด, ดไม่ค่มีมีสอนอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอวตอนนี้ไปมาได้ไปไปปช้าไปกลับได้ไปอ่าหนูจะไปวันจันทร์แล้วก็กลับวันพุธค่ะแล้วพรเิกหัดเช้าก็ไปใหม่แล้วก็ศุกร์หรือเสราร์ก็กลับมาค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ค่ะก็มีอะไรไหมวันนี้ ไม่มีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าได้ได้บ้านไม้มาไว้หลังทิศในสวนแล้วคะ่ะที่อยู่ตอนนี้หรือคะคณะนี้ค่นะได้อยู่อยู่หลังบ้านที่อยู่ขอนแก่นเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ใช่ตอนตอนนี้คุณอาจารย์อยู่ตอนนี้เป็นบ้านไม้หรือเปล่าไม่ใช่ออไม่คะ่ะไม่คะ่ะยั ง, ย, งยังไม่ <c oughs> ยังไม่กล้าคะ่ะคุณพ่อต้อ <c> ง <oughs> ค่อยค่อ ย, ค, อยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ตอนนี้เพิ่งเอามาตั้งคะ่ะพระอาจารย์ <c oughs> เดี๋ยวให้เขา <c oughs> ชินๆินแล้วก็ค่อยจะลองไปปฏิบัติค่ะ ตอนนี้ยังอยู่บนบ้านค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ค่ะก็ยังถือสินแปดแล้วก็ตื่นเช้ามาก็พิจารณาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจาร mm hmm. แล้วก็พิจารณาอาการ312ค่ะแต่อาจจะยังไม่เรี่ยงค่ะภระอาจารย์ค่ะพยายามเดากยังทําได้เลยเราปรเป็นอาจารย์จะลองช่วยคนเด็กน้อยช่วยช่วยเด็กน้อยสองคนไม่ได้นะก็จําความจำคนดีจะตายเลย ตอนแรกตอนแรกท่องเป็นภาษาบาลีได้ค่ะพระอาจารย์มันก็เลยก็เลยยังยังไม่ได้เพราะว่ามันมีงานค่อนข้างเยอะไม่ต้องบาลีก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้ภาษาบาลีค่ะเดี๋ยวว่าหลังถ้าท่องภาษาไทยไม่น่ามีปัญหาค่ะเราเป็นคนไทยเราเป็นเาเป็นข้ามภาษาแขกทำไมค่ะเดี๋ยวถ้างั้นไม่มีปัญหาค่ะพระอาจารย์พรุ่งนี้ก็ท่องได้แล้วค่ะเราต่อไปกันถึงภาพของมันด้วยแต่ละชิ้นแตะนเป็นยังไง ได้ค่ะแล้ววันเราเราแยกชิ้นส่วนเหมือนรถยนต์เมาเอามาแยกเปนกองกองผมกองฝันกองเล็บกองหนังกองนี่กองค่ะาจะได้รู้ว่าตัวเราอยู่ตรงไหนวะเราลองลองไปค้นหาในกองสามสิบสองนี่เลยค่ะตอนแรกหนอค่ะตอนแรกหนูก็ท่องแล้วก็เอ๊ะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ดึงออกจากข้างข้างข้างนอกไปทีละทีละส่วนทีละส่วนผมขน แล้วก็ที่มันไม่มีผิวหนังหุ้มท่านก็ค่อยเอาออกแล้วจากนั้นค่อยถลบหนังออกแล้วก็ค่อยๆค่อยไปข้างในค่ะพระอาจารู์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองทําตามที่พระอาจารย์แนะนำค่ะล้วพยายามยากมาเป็นกองกองก็จะได้ถามตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนอยู่กองไหนค่ะ อเคให้ะะผมเอาไปกองไม่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็ผูกปูเสือไว้ปูเสือไว้แล้วก็ยากมากกองมัเหมือนเสือไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารยไม่น่ายากค่ะาอาจารย์น่าสนุกเราถามตัวเองว่าเราอยู่ตรงไหนใน32นนาากลองน่า<น>จะหาที่อยู่ไม่ได้ละค่ะอาจารย์โดนเอาออกไปหมดแล้วเราอยู่ตรงนู้นค่ะภอาจารย์ ตรงไหนไม่รู้เราไม่ได้อยู่ใน ร, าาร่านกายเขาถ้าเราคนจริงๆนะฮะค้นหาตัวเราบานเวลาอาจารย์ยืลืมกุญแจรถไว้อยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนคิดว่าอยู่ในกระเป๋าก็าต้องเทงกระเป๋าออกมาใช่ไหมค่ะจะได้รู้ว่ามันมีอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่าพอเทเข๋ามาหมดก็ไม่มีกุญแจก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ในเป็นเพียงแต่ความคิดของเราที่ว่าลืมไว้ในกระเป๋าค่ะอันนี้ก็เหมือนกันตัวเราที่เราก็ไปเป็เพียงแต่ความคิดเท่านั้น คิดว่าเราอยู่ในร่างกายเราเป็นร่างกายค่ะสุดท้ายสุดก็เราก็ไม่ได้อยู่ในร่างกายไม่ในร่างกายอืมค่ะแต่เป็นเหมือนเราอยู่ในความคิดเรามาจากความคิดอืมความคิดของใจใจผู้รู้ผู้ไปคิดว่าเป็นร่างเป็นเป็นเราเป็นมาเป็นตัวเราอก็เลยมีการยึดยึดแล้วก็งติด แล้วก็ทุกแล้วก็ทุกข์ใครว่าไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ต้องชมอย่างเดียว <c oughs> ต้องให้ความสุขอย่างเดียวให้ความทุกที่กอดเจีื่อขึ้นมาทันทีถ้ารู้เฉยๆ ก, ก็ก็ไม่ถูกข์ใครจะให้อะไรครับรับรู้เฉยๆไปนะเหมือนกล้องถ่ายรูปเราแอคชั่นยังไงทำหน้าตาเบี้ยวบูดเบี้ยวยิ้มกับมันใส่กับมันทำหน้ายักหน้าอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรกับเราเนี่ยะ มันเป็นกล้องมันก็เพื่อถ่ายภาพนั่นเองใจเราก็ต้องเป็นเหมือนกล้องรับรู้เฉยๆไปก่อนกว่าจะมารับรู้เฉยๆนี้เราจะต้องแบบมีอุเบกขาอุเบกขาต้องฝ<ะ>ึกใฝึกสติให้มีโอุเบกขาจะได้รู้สึกเฉยๆได้อืค่ะก็คือต้องต้องอุเบกขาแน่นๆก็ได้สักสมาธิอก็วันเฉยใครด่าก็เฉยใครชอบก็เฉย เพราะว่าอย่างเรารู้ว่าเราต้องเฉยนะแต่จริงๆมันก็ยังไม่เฉยอยู่ดีใจเราเพราะกิเลสมันแรงกว่าเราอย่างรักชังอยู่ค่ะก็ต้องสู้ด้วยสติอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ฝึกสติไป<ห> ท, ทั้งวั น, หนให้มัน น, น้ำให้มันนิ่งให้มันเฉยเพราะว่าสติอ่อน<ส Brew>อะไรกระทบนิดนึ็ก็ไปนะมัค่ะก็รู้ว่าเราทุกข์นะคะแต่ว่าไม่ได้สะท้อนกลับแต่ก็รู้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ ยังทําได้ไม่ดีเลยอะไรเงี้ยครับมันปุยดุ่นลมพัดผราเบาๆก็ปิอละก็ทําตัวให้เป็นเหมือนเหล็กเนี่ยลมแรงขนาดนั้นมันนิ่งเป็นเหมือนก้อนหินก็ได้ทาใจเป็นเหมือนก้อนหินนี่พายุลมพัดน้ําพัดมาก็เฉยนิ่งต้องเฉยให้ได้แต่ก็ต้องฝึกฝึกเยอะๆฝึกสติทั้งสมาธิเยอะๆไป ได้ค่ะพรอาารย์เดี๋จะต้องเพิ่มให้เข้มข้นขึ้นแต่เรื่องเรื่องตรองอะไรต่างๆนี่น่าจะทําได้อยู่ค่ะพอาจารย์เดี๋ยวทําทําทําเรื่อยๆค่ะอค่ะไม่มีคําถามค่ะภาอาจารย์มารายงานเดี๋ยวคงได้ทางเดินตรงกลมค่ะน้องชายจะทําให้สาธุชาสาธุชาคุณสุภัสตาจากบอวินชนวลีกล่าวใวัสดการพรอาจารย์เจ้าค่ะ เข้าเข้ามาร่วมฟังธรรมกับาค่ะอาจารย์แล้วก็ในในในแง่ของการฝึกสติเนี่ยตอนนี้ก็มีการพิจารณาว่าเราควรจะจะทําในเรื่องบางเรื่องไหมหรือว่าควรจะหยุดอันนี้ก็ใช้ใช้คําสอนพระอาจารย์ว่ามักน้อยสันโดจจ้าค่ะอ า, าจารย์อันไหนที่ไม่จริงแล้วก็ไม่ทําอันไหนที่ควรจะทํำก็ค่อยทำมาก น, น้อยในฉันโดจ์ในเรื่องเรงรูปเสียงกลิ่นก็ แต่อย่าแม้มากน้อยสันโดษในเรื่องธรรมะธรรมะนี่ต้องไม่มากน้อยสันโดษธรรมะนี่ต้องมากมากต้องปฏิบัติมากต้องให้มากเศกษฐามาเดี๋ยวไปเข้าใจผิดว่าให้มากน้อยสันโดษก็เลยไม่ปฏิบัติมากน้อยไม่ใช่คอย่างเดียวอย่างเวลาอย่างเวลาไปซื้อของอย่างเงี้ยเจ้าขอาจารย์ ก็จะดูว่าเอ่อมันควรจะต้องใช้ไหมหรือไม่ควรจะใช่เงี้ยเหตุลผลนัล้วต้องเรียงจะต้องมันมันต้องแพงไหมของถูกของแพงมันทําหน้าที่ได้เหมือนกันหรือเปล่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็ ก, ก็ก็ตอนนี้ก็มาม า, มาพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเจ้าค่ะนอกจากว่าจะรู้ตัวในเรื่องของดูกลมีสติตลอดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์มาใช้ในเรื่องของหยุดอยากด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ก็ก็ เพียนพระอาจารย์เพียนอยู่วยคะโอเคไปที่คนณสันนี่กอทํามาเชียนสั น, นี่กลันมัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคำถามคุณแม่ฝากถามค่ะคุณแม่ถามว่าถ้าเรามีการฝึกสมาธิในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วหลังจากที่เราเสียชีวิตไปเรายังสามารถทำสมาธิต่อไปได้ไหมคะ ตอนนั้นทําไม่ได้แล้วเพราะเราไม่มีสตที่จะคอยควบคุณตอนนั้นเป็นช่วงที่บุญกับบาปมันจะนมาควบคุมใจเราต่อไปทอนนั้นถ้ามีบุญสร้างบุญมาบุญมันก็จะมาเป็นตัวทําให้ใจเรามีความสุขถ้าบาปมันก็จะทําให้ใจเรามีความทุกข์ถ้าเราเคยฝึกสมาธิจนถ้ามันสงบอของมันเองได้มันก็จะสงบอของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไร แต่เราไปทำเพิ่มไม่ได้นะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติตามตามที่เราได้ฝึกฝนจิตใจมาค่ะเขา้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะมีคำถามแค่นี้ค่ะโอเคอสาธุะนะโมไม่ไม่ไมเปลี่ยนชื่อทบอกสันโดดไม่ใช่นะมาสกายว่าใจาวันนี้กลับมาฉะเล็ดครับพระอาจารย์ก็ ใช้โทรศัพท์แล้วก็ปกติไม่ได้ใช้โทรศัพท์ครับเลยไม่รู้เปลี่ยนชื่ออะไรตรงไหนครับอาจารย์ปกติใช้แค่คอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ ipad ครับผมแต่วันนี้ต้องใช้โทรศัพท์เพราะว่าไม่ได้เอาอุปกรณ์อะไรไปเลยครับผมครับวันนี้มาส่งการบ้านครับอาจารย์บ่านมาอ่าอาจารย์ครับต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผลการเรียนออกแล้วการนำธรรมะ เสียงหายไ ป, <บ S 1> ไปนึง่งโมเสียงหายไปไปได้สัญญาณไม่ดีนะ้อเสียงขาดขาด ห, หายหายผู้หญิงก็เปล่าเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลย <บ S 1> นี่เองแล้วอาจารย์ปปรับสัญญาณนึ่งไม่ดีเลย <บ S 1> อเรอเดี๋ยวดูเสียงจะรีขึ้นไหม นิ่งกัเถอะเดี๋ยวนโมกลับเข้ามาใหม่ได้บ้างนะ <c oughs> ได้ยินไหมพยัคหน้าถ้าได้ยินเขาฟรีสครันอาจารย์ไปแล้วคุณปฏิมาเชิญปฏิมาแสนเดน่อยู่ที่ไหนเอ่ยเปิดไม้ก่อนเปิดไม้ก่อนการรัฐการครับพอาจารย์อยู่ที่กรทมครับอขั้นแรกเลยที่เข้ามา เคยเข้ามานานแล้วครับประมาณกับ6เดือนก่อนครับ okay. รช่วงนั้นช่วงนั้นอยู่กับภรรยาก็เลยได้จะรับฟังธรรมผ่านทาง Facebook ครับแต่ตอนนี้ก็มาทำงานกะกลางคืนด้วยครับเสริมก็เลยถือโอกาสเข้ามากรับสวดปีแรกก็ระยะเวลา6เดือนก็ได้ปฏิบัติทำโดยการนั่งสมาธิกับพระอาจารย์แล้วก็จะขอแล้วกับเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่า แนวทางที่ปฏิบัติเนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับก็คื อ, อได้ฝึกสติโดยการรู้กายอย่ารู้กายโดยการนั่งสมาธิแล้วก็การเดินในการทํางานต่างๆนะครับแล้วก็ได้ได้อยู่ดีๆก็จะมีความคิดหนึ่งสุดขึ้นมาว่ า, เ, าเขียนว่ากายเนี่ยลมลมมันเกิดมันดับเองแล้วก็อยู่ดีๆความคิดก็เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้บังคับมัน มันก็เกิดขึ้นมาเองจนจนมันเริ่มมันเริ่มเหนื่อยกับกับทั้งสองสิ่งนี้แล้วนะครับท่านาจาก็อย่าให้มันคิดเสรการฝึกเสพนี่เพื่อไม่ให้มันคิดถ้ามันคิดแล้วเราใช้คําบริกรรมพูดโธพูดโธเงินมันพุดโทไปเรื่อยใช่ไหมครับพูดโทไปเรื่อยตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดเพราะความคิดของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นปัญญาสัญญามันจะเป็นกิเลสซะมากกว่าันอย่าปล่อยให้มันคิดครับครับอาจารย์แล้วแล้วพูดโธต้อง แต่กำหนดตามลมหายใจหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องถ้าเราอยู่ถ้าเราไม่ได้นั่งสมาธิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปดูลมหายใจเลยถ้าใช้พุทโธอย่างเดียวก็ได้ครับท่านอาจารย์ครับทําอะไรก็พุทโธไปอาบน้ำกินข้า ว, วามาพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเท่านั้นเองคอยสกัดความคิดการใช้พุทโธนี้เพื่อสกัดความคิดครับกับท่านอาจารย์และอีกอ ก, อ ก, กรณีหนึ่งครับท่านอาจารย์แต่ก่อนก็ซื้อซื้อหวยครับท่านอาจารย์และทีนี้ ก็ถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็เลยเห็นว่าคิดนี่มันทุกทุกหลายกว่าถูกครับถูกมันถูกแป๊บเดียวแล้วมันก็ดีใจแป๊บเดียวแต่คิดนี่มันก็ทุกใจหลายวันก็เลยเลิกซื้อไปสองสามงวดนะครับเพราะเห็นว่าพอเลิกซื้อแล้วมันสบายใจอันนี้ก็เป็นเป็นการที่ผลจากการที่เราปฏิบัติธรรมหรื อ, เ, รอเปล่าใช่ก็เราเราเริ่มเห็นเห็นเห็นสุขทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทั่ของเรา แล้วก็ประเมินผลหรือว่าเราทําอย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้เราไม่ทําอย่างนี้แล้วมันดีกว่าไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้ปัญญาเป็นการดูเหตุผลคือการกระทําของเราเนี่ยมันทําแล้วมันมีมันมีผลตามมาสุขบ้า ง, ไ ม, าง ไ, มไม่ทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างแล้วก็ถ้าไหนเป็นทุกแล้วพขายามตัดมันไปอย่าไปทำนะครับขอ<ำ> บ, บคุณครั บ, บรอาจารย์ครับหมดคนคถามแล้วครับโอเคสาธุ อ่าไปที่คุณหมอพเสนอจากกทมหนึ่าเดือนขออนาจรนนนกการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ยังคงความสงบแล้วก็ความสุขได้แล้วก็ยังเอหลสัตวแต่ว่ารู้ได้ได้ไดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วกไ็ไม่มีไม่มีอารมณ์นะพระอาจารย์ตอนนี้ก็คือยอมรับได้หมดคุยา่างไม่ค่อยคยมีอารมณ์แล้วก็มองเห็นกิเลสละเอียดนิดนึงแล้วแหละะเริ่มเริ่มมองเห็น ไม่กแต่ว่าลกอะไรมกระทบกับลรงก็ส<ช>ักแต่ว่าลูปใรู้สึกดีมากเลยใ่ะอ า, าจารย์ต้องปฏิบัติต่างค่ะโอเคไปที่คุณสามยอฟังว่าอะไรสามยอมสามยอได้ชื่อใหม่แล้วเจ้ค่ะก็สามยอเจ้าค่ะหนูหนูจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าพี่คนนั้นนะคะเขามานั่งมาหาหนูที่ออฟฟิศ เขาเขาก็คุยเล่นคุยเล่นเยอะมากแล้วเขาเขาก็เผลอเหมือนเผลอว่าหนูแล้วเขาก็บอกอุ้ยไม่ว่าละเดี๋ยวชาติหน้าต้องมาเจอกันอีกหนูบอกว่าอ๋อพี่ไม่ต้องแล้วเพราะว่าชาติหน้าหนูไม่เกิดแล้วก็ก็หนูก็ว่าสามยอเนี่ยค่ะมันใช้ได้ผลแล้วเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์เราจะขาดหนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนมีปัญหาแต่ว่าสิ่งถ้าจะมีปัญหาคือหนูคิดไปเองค่ะทีนี้แลญหาทั้งหมดยที่เราอยที่ความคิดเราเอง เป็นความคิดเราที่ผ่านมาเหมือนหนูทุกมาตลอดเลยจ้ะคะหนูก็เพิ่งมารู้เมืม่อไม่นานนี้ค่ะว่ามันเกิดจากเราจริงๆด้วยจะ้ะค่ะเราไม่คิดมันปัญหามันก็หายไปพอมันคิดปัญหามันก็เกิดขึ้นมาค่ะขอบพระคุณธรรมพระจารย์นะคะถ้าหนูไปได้พระาจารย์หนูก็แย่ yeah, จริงๆแล้วก็แต่ว่าจะบอกว่าหนูโดนกิเลสเล่นงานเนาะจ้ะคะ่ะพอดีเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาหนูไปดูข่าวที่ มีคนเขาเอาเงินไปปาหน้านักร้องอะไรเงียค่ะหนูก็เลยเข้าไปแบบไปดูไปดูละเอียดหน่อยปรากฏว่าไแบบอ้คนนี้ทําไมหน้าเหมือนเพื่อนคนที่เราเคยรู้จักตอนเด็กๆ เ, เลยดูไปดูมาก็เหมือนแบบก็ติดพอติดปุ๊บก็หนูก็ตกใจว่าอา้าวตอนนี้มันหนูก็เริ่มแบบเหมือนแบบไปไปใช้ตาหูจมูกเดินกายไปดูไปดูของสวยงามเยอะไปหนูก็เลยมานั่งคิดว่าหนูจะทํำยังไงดีมาเจอตอนที่พระอาจารย์สอนว่าให้ดู ให้ดูกระดูกให้ดูซากศพอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลย น, นึกเลยพอนึกเสร็จปุ๊บมันก็เลยแบบหายไปเลยแต่อันเนี้ยหนูว่าน่าจะเป็นแบบชั่วคราวทีเนี้ยหนูขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายว่าถ้าจะกําจัดสิ่งเหล่าเนี้ยไปให้มันถาวร น, นะคะทายังไงเจ้าค่ะกําจัดอะไรเวลาเราดูคนสวยคนหล่ออะไรเงี้ยเจ้าค่ะเราก็ดูดูว่ามัน <c oughs> มันไม่สวยดูส่วนที่ไม่สวยดูคงกระดูกเข้าไป เอาดูเอาสุภาเลวลาเห็นสวยมันสุภาวพอเราเห็นถ้าเราเอาสุภาพมาดูต่อไปแล้วก็จะดูเฉยเฉยไม่ไม่ว่าสวยหรือว่าไม่ก็คือดูก็คือดูไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเกิดเกิดอาการเป็นกว่าเราจะเฉยไม่มีอาการอื mm hmm. mm hmm. เห็นว่าสวยแล้วก็อาส่วนที่ไม่สวยมามาม า, มาตัา้งสวยจริงนอสวยจริงแล้วทำไมต้องมีคอกระดุมด้วยอืม mm hmm. ทำไมเรต้องมีปอดมีตับมีลำไส้ด้วยเอ่อรวมทั้งอาการ32นี้ดูสามารถดูสลับกันได้โดยเชิงวิจัยก็แล้วแต่แเรา เ, เราจะลือกดูส่วนไหนก็ได้ที่ทําให้เราเห็นว่ามันไม่สวยงามเราทำนั้นเองอืมค่ะหนูเอากลับไปทําอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเดียเด๋ยวจะลองทํากันบ้านนี้ให้ผ่านเจ้าคะ่ะอืค่ะขอบพระคุณจ้คะค่ะคุณวันิดาทักก์ก์ อยู่ที่เสียร์เท่าไหร่ะะราดน้ำมาสการพระอาจารย์ค่ะอืคืออยากจะไม่มีอะไรแต่ว่าอยากจะถามอาจารย์พระอาจารย์นิดนึงเรื่องเรื่องไอความอยากเมื่อกี้ที่บอกสวยสวยงามคือว่ายโยมเนี่ยชอบซื้อดอกไมอ้อชอบซื้อดอกไม้มามาไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วทีนี้มันก็เห็นมันก็อยากซื้ อ, อยากซื้อเนี่ยเป็นเป็นกิเลสเป็นกิเลส คืออย่างอื่นไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากได้แล้วนะคะท่านแต่ว่าก็เจอดอกไม้แล้วก็เจอต้นไม้ที่จะดอกไม้ที่มาปลูกในสวนอย่างเงี้ยนะคะมันจะดอกไม้อย่างนี้ อ, อ, อันนี้มันก็นนนดูตอนที่มันเหี่ยวก็เลยไปดูตอนที่มันเหียวมาสามสี่วันเจ็ดวันมันเป็นยังไง่ต้อง ด, ดูดูมุมกลับบ้างมันมีทั้งลุมสวยและมุมมุมไม่ได้ไม่สวยพรมันเหี่ยวเช้าก็ย้อนทิ้ง ไ, ไปกลายเป็ขยะกลายเป็นปุ๋ยเลยกลายเป็นดินไป เราให้มันครบถวนบริบูนณ์เราให้ครบสองด้านอย่ามองเพียงแต่เฉพาะด้านเดียวแล้วก็ถ้าอยากจะบูชาให้ปฏิบัติบูชาดีกว่าเพราะพระเจ้าบอกการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริงท่านพระเจ้าบอกแล้วมีคําถามหนึ่งเรื่องการปฏิบัตินะคะ อาจารย์คือว่าเดินจงกรมแหละคะ่ะที่คือที่นี่มันหนาวถ้าเดินช้าข้างนอกออก็เป็นข้างนอกเนี่ยจะเดินช้าไม่ได้ก็เลยจะเดินเร็วนะคะอาจารย์นี่จะ้ไ่มัญาไดเนะ้เดินช้าเด้เร็วเดนได้ค่ะแล้วเก่งก็ได้ชอบเก่งก็ได้วิ่งชอบเก่งก็ได้ให้มีแต่ให้มีสติเท่านี้ ให้มีสติคือคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้มันคอยเฝ้าดูกันเดินองเราดเดินไปก็พุโทโธไปก็ได้หรือวิ่งก็ได้พุทธโทรไปจะ <c oughs> ใช้จั๊กเก็ตก็ได้ใช้วิ่งไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจถ้าเราอยากจะว่าออกไปวิ่งที่ที่ถนนเนี่ยที่มันกว้างที่มันไกลแล้วก็วิ่งไปแล้วก็พุทโทพุทโทไปก็ได้ แต่พอดีโชคดีที่บ้านมีมีที่พแม่มีที่เยอะแล้วก็มีทางเดินเหมือนเหมือนวัดป่าเลยครับอาจารย์ก็ดีก็เดินได้เดินถ้าเดินช้ามันหนาวมากก็ลองเดินเร็วก็ได้เดินได้เป็นได้ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เสียหายเลยเพราะว่าหน้าร้อนี่จะเดินกลับไปกลับมาอยู่แต่ว่าหน้าหนาวก็ไม่มีเดไรไม่ได้เลยก็อยู่ข้างในอยู่ข้างในข้างในบ้านนั่งสมาธิไปค่ะ ค่ะก็ปฏิบัติอปฏิบัติเช้าเย็นอยู่แล้วก็กลางวันก็จเวลาบ่ายก็ขึ้นมามานั่งมามาฟังธรรมะอยู่ค่ะระาอาจารย์ก็พยายามอยู่ก็อันนี้กี่โมงที่ที่เสียก่อนนี้ใจลงนะตอนนี้หกโมงครึ่งค่ ะ, ะพระาอาจารย์ครึ่งยางเช้าอยู่น ะ, ะก็ทุกทุกเช้าก็ตื่นตื่นมาตีสี่นั่งตีสี่ครึ่งนะคะ แล้วยังไปดูแลผ้าสองรูปด้วยเปล่ไปค่ะไปทุกอาทิตย์ตอนนี้ได้ที่วันได้ซื้ี่แล้วหรอยังไห น, นกำลังปรึกษากันเรื่องจะทําบุญผ้าป่าอยู่ครับพระอาจารย์ก็เพิ่งก็เพิ่งหาได้ปีหนึ่งก็คงจะต้องใช้เวลาล่ะค่ะเพราะว่านโยบายของคือเราคิดว่าอยากจะให้มีวัดที่อยู่ใกล้ที่ที่คนที่จะสามารถไปไปถึงได้ง่ายๆไปถึงได้ง่ายง่ายแต่ว่าก็ไม่ง่ายเกินไป คือเอาเอาไปยากนิดนึงเพิ่มสัตทานแล้วก็ง่ายด้วยคือว่าให้มีให้มีที่ public transportation คือคือไปได้โดยที่ไม่ต้องนั่งขับรถไปนะคะเพือจะยากเพราะว่าเสียร์ดีมันที่มันแพงก็ต้องใช้เวลานะคะก็เลยปรึกษาผ้าจารย์อยู่เมื่อวานนี้ดันนิเสพพอจา์คุโรู้ว่ากำลังจะคิดจะทำผ้าป่าอยู่ปีนี้เราจะทำยังไงกันอะไรเงี้ย ท่านก็อยากจะให้ทำเราเป็นตัวอย่างให้พวกฝรั่งดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้เวลาฟันเรสซิ่ง อ, ะอ่ะเพราะว่าเขาไม่เขายังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีประเพณีการให้ทานเท่าไหร่เขาจะปฏิบัติเข่งนั่งมากค่ะก็เลยจะอาจะ จ, ะจะพระอาจารย์จะมีมีกฎลยบายแบบนี้ว่าลองทำดูพพวกเราคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็เลยปรึกษาดูพระอาจารย์กนะ็ยังไปดูแลอยู่ค่ะโอเค แล้วตอนนี้เขาที่ที่เขาโยนนี้เป็นเป็นที่เช่าอยู่นะเป็นบ้านเช่าไม่ใช่ค่ะพอดีมีลูกศิษย์ที่ที่มานมัสการพระอาจารย์ด้วยกันมีลูกศิษย์สามีก็ เ, เป็นคนตาบอดอะแต่ว่าภรรยาเขาคือเขามีบ้านแล้วเขาก็มีที่เยอะหน่อยแล้วเขาก็มีคือก็เป็นเหมือนบุญหขอนเขาเขาตอนเขาซื้อแล้วมันมีกุฏิอยู่ข้างหลังบ้านนะคะ่ะมันเป็นเหมือนโรงเก็บของเล็กๆอ่ะเออแล้วบ้านเขาก็ให้พระอาจารย์ไปอยู่ที่นั่นและตอนช้าพระอาจารย์ก็ไปบินทบาท คือคือมีประตูออกคุณละประตูเลยอ่าค่ะแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์ลูกก็อยู่อยู่ด้วยกันนะอยู่ที่มีมอีอีกอีกท่านหนึ่งอยู่ใกล้ใกลบ้านหน่อยอีกข้างหนึ่งก็อยู่เพราะฉะนั้นนะ่ะเวลาท่านไปบินตบาตก็ก็ต้องมีคนไปใส่บาตรถ้าไม่ใส่บาตรคือท่านก็ไม่อยากรบกวนโยมทั้งสองท่านนี้เรื่องอาเรื่องอาหารน่ะค่ะอืมพรดีพวกเราก็ต้องต้อง ตกลงกันว่าคนไหนจะไปใส่วันไหนวันไหนอย่างนี้นะคะพระอาจารย์คือไปลงชื่อไว้ว่าเออเราไปใส่วันนี้ไปดูแล ว, ว่าคือถ้าท่านบินตบาทไม่ได้ท่านก็จะไม่ฉันอ๋ออย่างนี้ค่ะถ้าท่านบินตบาทไม่ได้ถ้าจะไม่ฉันพวกเราก็ต้องดูว่าเออวันนี้มีคนลงไหมวันนี้มีคนตำบาทไหมตอนนี้มีก็มีฝรั่งเริ่มเข้ามาสนใจแล้วค่ะเพราะว่าเข้ามาเขาจะไปรอที่หน้าสตาร์บัคที่ซีแอตเทิลนะคะสตาร์บัคสาขาแรกอะ่ะ ท่านก็จะไปยืนอยู่างนั้นประมาณห้าสิบนาทีแล้วท่านก็จะเดินมาขึ้นเรือข้ามฝั่งไปที่กุฏิแล้วท่านก็จะทำอย่างนี้ทุกวันแต่ว่าท่านจะใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำเป็นคอมมูนิตี้มีแกตเตอร์ริ่งมีอย่างนี้นะคะซูเหมือนอย่างนี้นะคะอาจารย์แล้วก็ให้มีเข้ามาในแอปพลิเคชันให้ซื้อสินนั่งสมาธิด้วยกันแล้วก็ให้แชร์เรื่องประสบการณ์เรื่องการ ปฏิบัติด้วยกันแล้วก็แชร์ธรรมะด้วยกันอย่างนี้ค่ะโดยที่ทัานอยู่นี่ไม่มีที่รับแขกรับคนได้ไม่มีไม่มีค่ะแต่ว่านั้นถ้าไปเนี่ยต้องต้องต้องอติดต่อกับติดต่อกับคุณอลริสานที่เป็นเจ้าของบ้านคือเขาก็เขาก็ศรัทธาพระอาจารย์สุดๆเลยนะคะแล้วเขาก็แต่ว่าเขาก็ต้องทำงานด้วย ถ้าเข้าไปเขาก็ต้องอยู่บ้านรอรับเราแล้วก็รอเปิดประตูให้เราเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะพระอาจารย์ใช้บ้านเข้าเป็นที่รับแขกนี่นะค่ะซึ่งซึ่งซึ่งพระอาจารย์นิสสโพจารย์กุเวรูท่านก็ไม่ไม่อยากจะรบกวนอโยมทั้งสองท่านถึงขนาดนี้เพราะว่าเอโยมทั้งสองท่านเนี่ยให้ให้เที่ยให้กุติพักเนี่ยมเกือบสองปีแล้วคือก็ไม่อยากรบกวนเข้าไปมากขนาดนี้แต่เขาก็เต็มใจนะคะ แต่พระอาจารย์ท่านก็ระมัดระวังเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องเรื่องรบกวนญาติโยมอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้ท่านเดินเอวันอาทิตย์ที่แล้วมาใส่บาตรก็ถุงเท้าถุงเท้าก็ขาดเพราะว่าสงสัยคงจะไม่มีคนสังเกตนะคะเพราะว่าที่นี่มันหนาวนะคะมันติดลบพระอาจารย์ไปบิณฑบาต ท, ท่านก็เดินจนรมท่านก็ใส่ส้งเท้ามันก็คงจะกระขาดก็เลยเมื่อวานก็เลยไปถวายอะถุงเท้าพระอาจารย์อย่างนี้นะคะ เอเคแล้วถ้ท่านใส่รองเท้าแตะใช่ไหมนี่ไงตอนตอนหน้าร้อนท่านจะใส่รองเท้าแตะค่ะหน้าหนาวใส่รองเท้าบูทเนี่ยไม่ไม่ไม่รองเท้าบูทคือรองเท้าที่มันสวมแล้วแต่ถ้าหิมะตกท่านก็ใส่รองเท้าบูทแต่ว่าถ้าถ้าถ้าหิมะไม่ตกท่านจะใส่รองเท้าที่มันสวมแล้วก็พอเดินทางกันหนาได้ค่ะพอกันหนาวพอใส่รุงเท้าได้แต่ว่าท่านก็อ่ารักษา นีนายอยางเพ่งคัดมาเลยค่ะเหมือนอยู่เมืองไทยเลยก็ต้องปรับปรับให้เข้ากับสภาพดินสร้างการด้วยนั่นค่ท่านก็ที่เมืองไทยบงทีท่านก็ต้องใช้พายใช้เรือพายมิตรบานก็มีใช่ไหมค่ะบางองค์ก็ขี่ช่ามินตบานก็เลยมันก็แล้วแต่สถานที่ว่ามันจำเป็นอย่างไรก็ปรับได้นนี้ไม่ถือไม่ถือว่เป็นเรื่องเรื่องเสียหายใหญ่โตอะไรค่ะแต่ว่าท่านก็แบบได้มีครูบาอาจารย์อย่าง หลวงพ่อสมัยทูปู่สมโยทอาจารย์ประสานโนก็ก็ให้คำปรึกษาอยู่ค่ะอาจารย์แช่สารูก็ให้คำปรึกษาอยู่ว่าถ้าท่านมีอะไรที่จะต้องอ่ยังไม่แน่ใจในข้อวัดปฏิบัติหรืออะไรเงี้ยท่านก็จะปรึกษาครูบาอาจารย์อยู่ค่ะอด้ดีค่ะก็กลับนมาสการอาจารย์ค่ะไม่มีอะไรนะค่ะไม่มีค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมามานมาสการกันทั่ อ่าที่คุณใช้ย่าดิ้คุณหน่อยหนาวนมสัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าว่ายังไงพระอาจารย์จะอ่าอะไรคือเจริญภาวนาเจ้าค่ะเจริญก็เป็นการทําให้มันมีขึ้นภาวนาวก็คือการนั่งสมาธิเดินจงกรมนี่เรียกว่าภาวนาการเจริญสตินี่เรียกว่าเป็นการภาวนาการพิจารณา อาการสามสิบสองนี่ก็เป็นการภาวนาและระดับปัญญาการภาวนานี้มีสองระดับระดับสมาธิคือความสงบแล้วก็ระดับปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงที่เรียกว่าวิปัสสนาให้เจริญภาวนาสองสองอย่างนี้อต่ตอนต้นให้เจริญสมาสมาธิให้ให้ให้ได้ก่อนแล้วงให้ไปเจริญวิปัสสนาต่อใช่ค่ะอเจริญ ภาวนาไอสมาธิก็คือนั่งสมาธิถูกไหมเจ้าค่ะนั่งสมาธิก่อนี่ออยนั่งได้ก็ต้องเจริญสติก็มีตตสติกนเจ้าค่ะเวลาเรานั่งสมาธิให้เอาสติเข้ามาครอบถูกไหมเจ้าค่ะว่าเรากําลังครับให้เอาใจมาดูดูสิ่งที่เรากําลังทํำอยู่เช่นกําลังเดินกําลังทํำอะไรให้มีสติอยู่กับการเดินหรือว่าว<อ>ท่านจะใช้ให้อยู่กับพุทโธใช้ใช้พุทโธก็ให้มีสติให้ใจรู้อยู่กับพุทโธพุทโธ เอืมนั่งสมาธิแล้วเอ่อกําหนดรู้ได้ไหมเจ้าคะไม่ต้องดูลมต้องรู้ลมต้องรู้อะไรทั้งอยา่างมีเยแต่รู้ลมแต่ว่าไม่เห็นเลยนะเจ้าคะพระอาจารย์งลงไม่เห็นก็มันไม่ต้องเห็นลมให้เลยให้มันเห็นความรู้สึกเวลาหายใจเข้าหายใจออกเราจะรู้สึกว่าเราหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกนั้นรู้ที่กลางหน้าอกก็ได้เจ้าคะ่ะ มันว่างมากเลยเจ้าค่ะก็เลยสรุปเราไม่มีตัวตนเรามีความเราเพือคือความว่างถูกไหมเจ้าค่ะคือก็ตัวตนออกมาจากความคิดเราไม่ใชเ่เราก็ไม่ใช่ความว่างแล้วเราเกิดตรู้เราเกิตัวรู้รู้รูตัวคเจค่ะพระอาจารย์นะคะอ่าแล้วผวังสมาธิคืออะไรเจ้าค่ะคือความชเวลาจิตรวมเป็นสมาธิก็เรียกว่าเข้าผวาง เวลาจริรวมได้สมาธิจิตนิ่งสงบก็เรียกว่าเข้าผวงางผวางมันมีสองอันถ้าไม่มีสติก็เป็นผวางหลับไม่รูเรื่องบางคนนั่งสมาธิไปชั่วโมงแล้วบอกเออสายหัวขึ้นมายกเอกอออกจากสมาธิแล้วอันนั้นออกจากผวางหลับไม่ใช่ไม่ใช่ผวางสมาธิถ้าผวางสมาธินี้จะรู้สึกตัวตลอดเวลาเหมือนที่เราคุยกันอยู่อย่างเนี้เจ้าค่ะ ใช่เจ้าค่ะคือรู้สึกตัวตลอดเวลารู้ว่าตัวเองขาชารู้ว่าตัวเองหายชารู้ไหด้อย่าง น, างนี้อย่างนี้เรียกว่ามีสติเป็นตคบางทีบางคนบอกไม่รู้อะไรเลยก็รู้อีกทีอ่เวลาผ่านไปครึ่งชนะั่วโม ง, แ, งแล้วนีว่จะแล้วมันเข้าระวังเราแล้วสมาธิที่เราเข้าไปนี่คือจะเป็นเป็นน้ำมันให้กับปัญญาถูกไหมเจ้าค่ะ S <S ก็คือว่าเป็นพลังให้กับปัญญาเวลามันเป็นพลังให้กับใจไว้สู้เวลาปัญญาบอกว่าต้องอย่าไปยามกิเลสต้องต้องฆ่ากิเลสต้องเฟื่องกิเลสถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีกําลังที่จะเฟื่อมันอ๋อที่ที่พระอาจารย์บอกว่าสะสมได้นี่คืออ่ากําลังกํา ล, ลังเฉยกําลังเฉยกาลังอยู่เฉยเฉยเราไม่จะอยู่กันเฉยเฉไม่ได้ใช่ไหมนี้กิเลสก็ว่าทานู่นทํานี่มาโน กินน่นกินนี่ดูนั่นดูนี่ฟางนู่นฟังนี่เ๋ยวเราต้องให้มันเฉยอย่าไปดูอย่าไปกินอย่าไปฟังไปอ้อยูเ่เฉยอยู่ความว่างไปเจ้าค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็ในทำม า, ม, ามาถูกทางแล้วจะคะ่ะที่ทําทุกวันค่อยๆสะสมวันไหนที่เรามีแบบกําลังก็จะลองไปสันโดด <laughs> หมายก็คือให้ตัดกิเลสความโลภความอยากให้บางแบบน้อยสันโ ด, ด <c oughs> ยินดีตามมีตามเกินเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะคําถามสุดท้ายคะ่ะเท้าพระอาจารย์เบอร์อะไรเจ้าคะ่ะอะไรเท้าเท้าของพระอาจารย์เบอร์อะไรจ้าคะ่ะอ๋ออันนี้สุดจะเบอร์สิบเอ็ดนะถ้าเป็นมันหลายยี่หอเบอร์ไม่เหมือนกันอันนี้ต้องระเรีกดาวเทียมของเท้าดาวเทียม <c oughs> มีว่าที่เราใส่มาตั้งแต่บวชเลยสี่สิบกว่าปีแล้วเปลี่ยนได้ไมเจ้าคะ่พะพะอาจาย์ มันไม่เปลี่ยนแล้วเพรามันมันมันเพรมันมันถูกแล้วมันมีเยอะแยะมันมีอยู่เยอะแยะมีที่ที่ว่าจะมีคนถวายยี่ห้อนี่กันมาอย่างเงี้ยไม่ขาดรองเท้าหรอกไม่ได้แบบไม่ได้มองประกาศเจ้าค่ะพอดีในเห็นเท้าพระอาจารย์บวมแล้วทีนี้มันมีรองเท้าเพื่อสุขภาพอาจ้าค่ะเดินเดินดีไม่ไม่ไม่ขิดวินัยเจ้าค่ะเพราะว่าหน่อยอ่ลองเข้าไปดูใน อ่าสายธรรมยุทธ์แล้วจ้ะค่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้บางข้าวพใส่ไม่ได้หรอยอมยันทอดได้แต่ถ้าจะใส่ไม่ใสม่สมนเรื่องของท่านเราอย่าไปบางข้าท่านไม่ไดไ้ไม่ได้ซีเรียสเลยจ้ะค่ะแต่ว่าคือไหนจะลองถ้าต่อไปนะคท่านไม่ใส่ก็อย่าไปเสียใจก็แล้วกันไม่เสียใจจ้ะค่ะก็แล้วแต่พระอาจารย์จะให้ใครที่แบบว่าเห็นสมควรเลยช้อยได้อยู่แต่อย่าไปบังข้าวท่านใส่มาให้ของเราสมควรนพระตายมาหลวงพี่ช่วยใส่ให้หน่อย ไม่ใส่งไงพระไตมันต้องไปแกวออกมาต้องอะไรของเรามีอยูย่อยู่เป็นประจำเลยนะก็ลองถามดูเจ้าค่ะเพราะว่าเห็นเท้าพระอาจารย์บวมไม่หายไปตั้งแต่คือเวลาถวายของพระได้อยู่แต่อย่าห้ามอย่าไปบอกว่าให้ให้ท่านใช้ให้กับเราอันนี้เป็นการบังคับไม่ถูกเจ้า่าไม่คื อ, อของที่อย่างที่ของพระอาจารย์แบบมีคนถวายเยอะมาก ไหนเข้าใจเลยนะเจ้าคะเพราะว่าบางทีอ่ะเราใช้ไม่หมดหรอกเราก็ต้องแบบก็ให้ผ้ารูปแบบต่าแงบบกันผ้าผู้ใหญ่ที่มีมากก็แบบ่งให้ภ้าผู้น้อยที่มีน้อยหรือไม่มีท่านท่านก็เก็บไว้ในส่วนที่ท่านใช้ได้ที่ท่านรับใช้ส่วนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่เก็บก็ให้คนอด่ให้ภาารูป <จะ S 2> แบบต่ะงกัแบบแล้วเอสมอกับมะขามป้อมมีถวายทุกวันไหมคะช่วงนี้ คือเราก็ไม่ได้เราไม่ได้คอยสังเกตบางทีของเข้ามาเนี่ยก็มีลูกศิษย์รับทมนทบน่ทิพาบเป็นเวลาอะไรเนี่ก็ใครก็ถวายสายบานเขาหยิบออกไปยิบออกไปก็ไม่ได้สังเกตว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างแต่ข้อพวกที่เราไม่ได้ฉันอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ไปสนใจจะขาะส่วนใหญ่แล้วั้งจากฉันเสร็จแล้วก็เดือแต่น้ำอย่างเดียวเจ้าค่ะ แค่นันไม่กินมากไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องฉันเรื่องอะไรของฉันให้ส่งมาให้เราตัวนใหญ่ไม่ได้ฉันใช่เจ้าขา่ะกลัวแบบว่าคืออ่าอย่างตอนนี้เ<อ>นืน่องจากที่เรากินอาหารเสร็จแล้วเราจะไม่กินอาหารอะไรของขอบเ<ป>ที่ยวเราไม่มีเจ้ค่ะเป็นสมุนไพรไงเจ้าค่ะพอดีแบบเราใช้ธรรมะโอสถมากกว่าสมุนไพรนี่สู้ธรรมะโอสถไม่ได้ เข้าสมาธิเลยใช่ไหมเจ้าค่ะให้เราไม่เราก็ใช้ปัญญาใช้สติเนี่ยสอนใจว่าให้ปล o n ให้วางอย่าไปทุกข์กับมันแค่นั้นเองเจ้าค่ะบางทีมันก็ถ้าเจ็บมากมันก็ต้องเข้าสมาธินะคะอาจารย์ก็ถ้ามีปัญญาก็ไม่นำเข้าปัญญาจะตัดจะตัดกิเลสได้ตัดความทุกข์ใจนะถ้่ไม่นำเข้าสมาธิแต่ก็ยังมางทีถ้าที่ต้องเข้าสมาธิเพราะยังไม่มีปัญญาต้องเข้าสมาธิไป แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ายังอยู่กับความเจ็บนั้นถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใจเฉยๆกับมันไงใจไม่เดือดร้อมว่ายอมรับมันยอมว่ามันเป็นของที่เราหลีกเียกไม่ได้หนีไม่ได้มันเป็นเงาตามตัวเราไม่ต้องไปหนี้มันฮัดอยู่กับมันไม่งั้นฮัดอยู่กับแฟนที่เราไม่ชอบแล้วนั้นเมื่อก่อนก็ชอบก็อยู่ได้ตอนนี้ไม่ชอบเท่านั้นอยู่กับเขาไม่ได้ก็ฮัดอยู่กับเขาไปไม่อถ้าไม่ยังต้องอยู่ก็อยู่กับเขาไป มันคนเรามันทเงานเถิดนะค่ะมันไม่มีกิเลสมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกิเลสมันก็อยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้มันก็มีช่วงเวลาโปรโมชั่นแล้วก็ไม่โปรโมชั่นเหมือนกันไม่รู้ความหมายก็ก็แรกๆก็โปรโมชั่นดีอะเจ้าค่ะก็คือพอมดโปรโมชั่นมันก็เลยไม่ดีแล้ว่ย ได้ค่ะว่าหลังๆมาอยู่ด้วยกันนานเริ่มเบือ่อขี้หน้าก็ไม่อยากจะเห็นหน้าก็ไม่อยากจะ <c oughs> แต่ก็ต้องอยู่อก็ต้องทําใจอยู่เข้าไปใช่ไหมใช่เจ้าค่ะนั่นแหละความเจ็บก็เหมือนกันทําใจอยู่กับมันไปยาวแต่ความสุขเอาความทุกข์ด้วยการมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ใหอยู่กันไปก็สุดท้ายแล้วมองว่ายัางไงคนเรามันก็ต้องตายเรา เราจะต้องทําดีให้ให้ความดีมันมันคงทนใช่ไหมเจ้าค่ะก็เราก็ต้องทําใจไม่ต้องทําทดีกับทําใจยอมรับกับความเจบมมมบ็บความแตกความตายเมันเกิดขึ้นอย่าไปทุกกับมันได้เองอ่าของคนอื่นด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะก็คือว่า <คน S 1> เราเทุกทุกคนอนะ่ะคนที่เราคนไหนที่เราทําให้เราเอ๋อ เ, เราทุกกับเขาเราก็เราทำใจไม่ให้ทุกกับเขาให้ได้เจ้าค่ะ จริงๆก็ฝึกตายตลอดเลยเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าแบบนั่งสมาธิก็คือฝึกฝึกตายอะเจ้าค่ะว่าถ้าถ้าไม่ตายถ้าถ้าจะตายตอนเนี้ยจะทํำยังไงอ๋อนี่มีคําถามหนึ่งเจ้าค่ะคําถามนี้เลยคือเราสะสมสมมติว่าเราทําสมาธิทุกวันแล้วทีเนี้ยพอเวลาถึงเวลาขึ้นใหมา่างเงี้ยเราสามารถทําสมาธิไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าบุญบาปมันจะมาดึงใจเราไปถูกไหมเจ้าค่ะ อ๋อถ้าเราทำสมาที่ทางสมาธิก็เป็นบุญอย่างหนึ่งสมาธิก็ยันดึงเราไปอืมจ้าค่ะเพราะฉะนั้นนั่งสมาธิดีมากๆต้องทำ<ห>ถูกตายเวล า, า<บ>ตายไปสมาธิก็ยันดึงให้เราไปอยู่ในพรหมลโลกไปอยู่สวรรค์ท่านพรหมจ้าค่ะจค่ะมีคําถามแค่นี้จ้าค่ะวันนี้ยาวหน่อยขออภัยทุกคนนะช่วงเวาทุกคนจะมีมีโอกาสได้ยินได้ฟังเป็นธรรมทานจ้าค่ะ คำถามแล้วจ้ะค่ะโอเคสาธุคุณสุภัสตาได้ข่าวว่าเท็กซัสในกำลังหนาววมากไหมฮะวันนี้กขาหนาวเต็มที่วันนี้ลเลยฮะเจ้าค่ะไฟฟ้าไม่ดับจาบนมัส ก, การเนะจ้าค่ะไฟฟ้ายังไม่ดับใช่ไหมยังไม่เจ้าค่ะจับนมัส ก, การเจ้าค่ะยังไม่เจ้าค่ะยังยังยังอยู่ก็จนถึงวันเพือ่อหาแต่เจ้าค่ะก็ตั้งแต่วัน ยาวหน่อยตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพฤหัสเป็นขีมมาที่แบบเป็น p r e s s i n g rain เจ้าค่ะก็คือมันจาเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งมากๆมันก็ลื่นหนาวจู่วันนี้ก็เลยเปิดทิเตอร์กันนะเจ้าค่ะอาทิตย์นี้ต้องเปิดต้องเปิด้ะมันหนาวมากเจ้าคะ่ะวันนี้วันนี้ลูกมีคำถามเจ้าค่ะ สัปดาห์ที่แล้วก็คือตอนนี้เริ่มลูกเริ่มฝึกโดยการแบบว่ า, าใช้โครงกระดูกเป็นกรรมฐานที่หมอผอ่าจารยนะเจ้าค่ะแล้วเวลาลูกนั่งลูกก็จะเหมือนกับสแกนไปทีละส่วนละส่วนละส่วนก่อนที่จะพอรู้สึกว่านิ่งลูกก็เริ่มจะใช้ลมหายใจแทนเป็นโครงกระดูกกระดูลมหายใจไปเวลา ที่แบบหลังจากสแกนตัวเองแล้วตามละส่วนกระโหลกไล่ไปเรื่อยๆอเจ้าคะ่ะทีนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลูกเหมือนกับแบบ เ, เข้าแบบ เ, เวทนาความเจ็บมาเจ้าคะ่ะทีนี้เนี่ยคือลูกเข้าใจที่พระอาจารย์สอนคือว่าให้ฝืนให้ฝืนอยู่กับเวทนาไปอะเจ้าคะ่ะจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมัน มันก็มันก็แยกอ่ะเจ้าค่ะก็คือคือคือความเจ็บเจ้าค่ะเหมือนตัวรู้มันเจ็มันก็จะเฉยกับความเจ็บได้เจ้าค่ะแล้วก็คําของพระอาจารย์ก็จะเข้ามาสอนรูกพอเวลาแบบเหมือนจะเหมือนจะทอแต่ว่ามันก็มีสติเหมือนมันมีกําลังแรงดันของมันเองอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็คําของพระอาจารย์สอนมาว่าสอนมาว่าแบบไม่มีอะไรทําใจทําจิตได้เจ้าค่ะมันก็เลยทําให้ตัวรู้มันเด่นเด่นแล้วก็เห็น เห็นความเจ็บของร่างกายอะเจ้าค่ะมันก็ลูกเหมือนกับว่าสัปดาห์ที่แล้วเหมือนกับลูกเห็นล่องที่จะล่องของการที่จะปฏิบัติต่อเจ้าค่ะว่าว่าจะทํายังไงอ่ะเจ้าค่ะทีนี้คําถามลูกก็คือวันวันแรกที่ลูกเข้าใจคือลูกสัมผัสตรงนั้นเนี่ยลูกเริ่มปรับเริ่มเหมือนมีแนวทางทีนี้วันที่สองเนี่ยพอความเจ็บมาอีกเนี่ยลูกก็ทําเหมือนวันวันนั้นที่ลูกสัมผัส ลูกก็ฝืนไปจนกระทั่งตัวรู้มันขึ้นมาเหมือนเดิมอะเจ้าค่ะแต่วันที่สองที่ลูกสัมผัสคือว่าคือว่ามันมันยิ้มอะเจ้าค่ะที่มันเห็นความเจ็บแล้วตัวรู้มันก็มีความรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่เกี่ยวข้องกันจนกระทั่งจุดมันดูเฉยเเจ้าค่ะแต่แต่ลูกยังยังได้ยินเสียงรอบตัวตลอดเวลานะเจ้าค่ะได้ยินเสียงนกเจ้าค่ะคือมันไม่ได้รวมแบบหายไปหมดมันไม่ได้รวมแบบนั้น มันมันดูแบบไม่หายกันก็ได้เจ้าค่ะคือทราบทุกอย่างสภาพแวดล้อมนกร้องอะไรสัมผัสก็ใ ห, ให้ใจ<ต>เราเฉยอย่างเดียวใจยิ้มได้เจ้าค่ะใจยิ้มเลยเจ้าค่ะ<อ>ยิ้มแบบ<อ>เหมือนกับแบบมันแยกมันมันรู้แ<อ>ล้วว่าเอ้ยมันมันตัวรู้มันเด่นนะเจ้าค่ะ<อ>ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยคือมันเหมือนกับอยากจะระเบิดตัวเองอ่ะเจ้าค่ะคือคือมัน มันมันมันรู้ถึงความเจ็บแต่เราไม่ไม่เจ็บกับกับความเจ็บอะเจ้าค่ะแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งที่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมอยู่ดีๆมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับตัวรู้มันบอกว่ามันอยากจะระเบิดระเบิดตัวเองออกมาเจ้าค่ะมันมันเหมือนกับอยากจะระเบิดออกมาแต่ทีนี้พอมันมันเป็นลักษณะเหมือนกับแบบมันขยายขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าค่ะขยายเหมือนจะระเบิดแต่ทีนี้พอไปถึงกลาง ไปถึงจุดหนึง่งเจ้าค่ะมันไม่ระเบิด่เจ้าค่ะมันบุ๊เขลัมาที่เดิมมั น, น, น <c oughs> ไม่น ะ, ะเบิดแล้วเจ้าค่ะเป็นร<ล>่ า, ากายของจิตแล้วก็นู่ไปเฉยๆเจ้าค่ะจะระเบิดไม่ระเบิดก็เรื่อมันไปเจ้าค่ะทีนี้คือคือลูกยังไงต่อเจ้าค่ะก็คือให้รู้เฉยๆไปได้เลยใ ช, <ป>ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้ามันไม่เฉยละจะใช้พุทโธก็ได้เหมกกนให้มันให้มันเฉย เพอที่เสพเรากําลังกําลังอดกําลังจิตมันก็เลยเริ่มแสดงอาการต่างๆขึ้นมาเป้าหมายต้อให้จิตรู้เฉยๆนั่นีอ้อ๋อคือให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดคือถึงแม้ว่ามันมีความอยากนี่ก็มกีความอยากนี่ก็เริ่มเป็นกิเลสแสดงตัวอวอกมาอออย่าให้มันแสดงอาการอะไรทั้งสิ้นให้มันเฉยๆอย่างเนียอถึงแม้ว่าความอยากที่มันจะ เราเบิดให้เราให้เราเห็นตัวว่าเราตัวเราแบบเหมือนจะแบบคือมันไม่มันไม่เห็นแต่ว่าความรู้สึกว่ามันจะกระจายมันปรุงแต่งแะจิตมันปรุงแต่งแล้วเาอย่าให้มันปรุงแต่งมราต้องให้มันเฉยเไปพุทโธพุทโธพุทโธไปโอสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะลูกอ๋อสาธุเจ้าค่ะก็แปลว่าไม่ว่า อะไรยังไงให้มันนิ่งอย่างเดียวให้มันเฉย อ, อย่างเดียวถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาเราต้องสดงว่จิตเราไว้ไม่นิ่งแล้เราต้องพุโทโธพุโทโธมันกลับไปนิ่งได้อ๋ <c oughs> อเจ้าค่ะแปลว่ายัางไงก็คือให้แค่ตัวรู้อยู่อย่างเดียวเหมือนอที่พระอาจารย<ๆ>์สอนเฉยๆว่ารู้เฉยๆแต่ว่ารู้อย่าให้มันทําอะไรอือก็ก็แปลว่าตอนที่มันจะระเบิดแล้วลูกก็ ลูกจะพยายามนึกถึงคําของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าให้นิ่งให้ให้แบบให้ไม่ต้องอะไรแล้วใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วมันก็พะมันก็เลยไม่ระเบิดมันก็เลยเหมือนกับบอกปุ๊บกลับเข้ามาอยู่เหมือนเดิมแล้วลูกก็อยู่กับกับตัวรู้แต่เวทนาก็ยังเจ็บลูกก็นั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งนาฬิกาดังอ่ะเจ้าค่ะก็ก็คือคือต้องคือถ้ามันอะไรจะเกิดขึ้นอีกก็แบบนี้เหมือนเดิมคือให้รู้เฉยๆ ้แล้วก็ทำให้มันนิ่งให้ได้น <Okay. S 1> ี่เล uh ่าอ๋อค่ะอ๋อแต่ถ้าไปถึงอีกระดับหนึ่งนี้บางทีมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปให้มันรู้รละลุอดไปก็ได้ <c oughs> <c oughs> อะไรจะเกิดกให้มันเกิด ล, ลอตอนแรกปล่อยสุดๆเลยนะแบบปล่อยสุดๆเลยเจ้าค่ะตอนแรกลูกลูกลนึกว่าคือลูกรู้สึกเหมือนว่าลูกอาจจะสติไม่พอลูกก็เลยไม่กล้าให้มันระเบิดลูกก็เลยกลักกวมันไงจิตมันไม่มีวันตายแล้วมันจะระเบิดก็ให้มันระเบิดไปเจ้าค่ะเหมือนกับมันเหมือนกับมันมันมีกําลังมากที่อยากจะระเบิดตัวมันเองอะจะทำมันโดนกำลังดูจะมันจะระเบิดไหมถ้าระเบิดได้มันก็อาจจะเห็นของแปลกประหลที่หลังจากระเบิดก็ได้ เลยวัานั้นจะเจอสันติสุขทุกอย่างสงบจริงๆนะที่นี่สงบแบบไม่ต้องบังคับแบบสงบแบบไม่ต้องใช้เสต็ แล้วถ้ามันเกิดก็คือจะให้ลูกรู้เฉยๆหรือว่ารู้ก็รู้เฉยๆแต่ว่าถ้ามันอยากจะระเบิดก็ให้มันระเบิดไปก็แค่ดูมันไปเรื่อยๆถ้าเราพิจารณาว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ก็ปล่อยไปถ้าเรามองให็นว่าเป็นอนัตตาก็ปล่อยถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นอนัตตาก็ก็ทําให้มันสงบทำให้มันทําให้มันนิ่งถ้าทำให้มันนิ่งมันไม่ยอมนิ่งก็เราปล่อยให้มันระเบิดไป เจ้าค่ะเออเจ้าค่ะลูกเลยคิดว่าการที่มันไม่ระเบิดก็เพราะว่าลูกยังลูกยังยึดกับยังยังมีความยึดกับตัวเองอยู่เจ้าค่ะว่ามันแบบมันก็เลยไม่ปล่อยแบบให้มันใช่ยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยก็เลยจับมาใหม่ปัจจัยมันจะระเบิดเข้าไยมันระเบิดไป แล้วก็รู้แล้วมันาจะไม่เกิดเด็กก็ได้นะว่ามันครั้งต่อไปมันเป็นสัญญาไปถ้าเราอนี้มันมันมันต้องมันอาจจะมีแบบรูปแบบใหม่มาแทนที่อย่านี้ไปอย่าไปยึดติดกับรูปแบบฉบับเก่าที่เกิดขึ้นไปแล้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะนั่นจะเป็นน่นจะเปรุ่นว่ามันจะมาหรือยังเดาล้มในเมื่ออาจจะไม่ไม่มาถ้าเราไปนึกว่าน้วเจ้าค่ะเจ้าค่ะคือที่สําคัญก็แล้วก็ปฏิบัติไปตามเรื่อง ตอนตัวเองกคอยควคมใหมันนิ่งนะไม่ให้มันไปวุ่นวายกับอะไรก่อนเจ้าค่ะลูกเหมือนกับเหมือนกับแบบคล้ายๆเหมือนกับเริ่มจะเข้าใจล่องที่จะทําให้ให้ใจมันมันเริ่มแบบรู้ที่ว่าเวลาเวทนาเข้ามาลูกเหมือนว่ามีแนวที่จะเข้าจะมีแนวที่จะไปอ่ะเจ้าค่ะนิดนึงเ<อ>จ้าค่ะ <c oughs> เจ้าค่ะรู้ว่าจะต้องแบบทํำยังไงก็คือครูคงคิดว่าก็คงต้องปฏิ่ม <จะ S 2> บ่า<อ>จนกระทั่งอยวางเวทน า, าให้เวท น, นามันอยู่ไปตามสภาพของมันเจ้าค่ะรู้ก็เลยเข้าใจที่พระอาจารย์สอนว่าต้องฝืนฝืนจนถึงกระทั่งฝืนจนแล้วมันจะเด่นขึ้นมาของมันแล้วมันก็จะ <c oughs> มันก็จะแยกของมันออกมาเจ้าค่ะแต่ต้องมีกําลังสติต้องมีกําลังสติเพิ่มมากติ๊กคอยดูใช้คำใบ้คําช่วยก็ได้ เจ้าค่ะลูกลูกใช้ค่ะเจ้าค่ะลูกก็ใช้ใช้พอเดี๋ยวตอนนี้ลูกก็เลยนั่งเป็นแบบว่าถ้าเป็นโครงกระดูกอะเจ้าค่ะแล้วก็พอนิ่งก็ใช้ลมหายใจพอมีความคิดเข้ามาลูกก็จะกลับไปมองที่โครงกระดูกเพื่อให้นิ่งอีกแล้วก็ใช้ลมหายใจต่อกคืนสลับอยู่อยางเงี้ยเจ้าค่ะไปเรื่อยๆเจ้าค่ะได้ก็เลยวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้ใจเราเน่นไม่ไปยุ่งกับการ ลูกจะรู้สึกว่าจะนิ่งมากระหว่างเวลาที่จะมองโครงกระดูกช่วงระหว่างช่วงระหว่างอกอะเจ้าคะ่ะช่วงระหว่างตรงเนี้ยจะจะรู้สึกว่ามันมันลึกมากอะเจ้าคะ่ะมันนิ่งนิ่งอยู่ตรงนี้อะเจ้าคะ่ะแล้วพอมันนิ่งลูกก็จะใช้ลมหายใจไปสัปดาห์ที่แล้วมันก็เลยเหมือนมีกําลังที่จะที่จะมีสติที่พอจะโต้รู้จะเด่นแล้วก็แยกแยกเวทนาเจ้าคะ่ะ <Okay. S 2> ้วค่ะเหมือนกับมีแนวเดี๋ยวรูกจะปปล่อยวางกายปล่อยวางเวทนาแล้วต่อไปก็ปล่อยวางจิตเลยจิตที่มันแสดงอาการนี้ก็ปล่อยมันแสดงไปเลยอ๋อเป็นขั้นขั้นสติ ป, ปะัะฐาท่านไม่เจ้าคะกายกายแล้วก็เวทนาแล้วก็จิตปล่อยท่านามีโอกาสคือถ้ามันไม่ว่ารูปแบบไหนมันถ้ามีกำลังปล่อยได้ก็ปล่อย เจ้าค่ะแล้วถ้ามันมาลูกจะลองดูเจ้าค่ะว่ามันจะมารูปแบบไหนอีกเจ้าค่ะลูกจะพยายามร่างกายก็ปล่อยมันไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเวทนามันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปจิตมันแสดงอาการอะไรก็ปล่อยมันแสดงไปก็ได้ถ้าเราเจ้าค่ะเราไม่ติดกเจ้าค่ะเจ้าค่ะและที่สําคัญคือแค่ให้รู้เฉยเฉยเฉยเฉยอย่าไปทุกกับมันยเฉยอันนีทุกกับมันอยู่เราจะต้องใช้สติให้หยุดมัน ก่อนแสดงว่าสติเรายัางไม่พอที่จะเฉยๆกับมันได้ถ้าเราทุกก็แสดงว่าเรามีกิเลสนะอืออือเจ้าค่ะคําสอนของพระอาจารย์ไม่ว่าลูกนั่งสมาธิก็จะเข้ามาในหัวตลอดนะเจ้าค่ะคือมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นคําที่นําทางลูกตลอดเวลาเจ้าค่ะไม่ว่าจะเจ อ, อสภ า, าะวะไห น, นก็จะทำคนท่านป่วยนั่นจาจะจำเสียงคนน ะ, ะให้มึงต่อยซ้ายต่อยขวานะ ใช่เจ้าค่ะคือคือลูกไม่ได้ลูกไม่ได้ว่างอ่ะเจ้าค่ะลูกไม่ได้แบบมันบอกไม่ถูกลูกไม่ได้ว่างลูกสัมผัสทุกอย่างที่อยู่รอบตัวและรวมทั้งเสียงของพระอาจารย์จะอยู่ในหัวลูกตลอดที่ให้ผ่านแต่ละจุดแต่ละจุดจะผ่านเวทนาก็เสียงของพระอาจารย์ก็จะเข้ามาว่าอย่างนี้นะอย่างนี้ที่ละจุดนะเจ้าค่ะอย่างนั้นโฟนได้ไหมเจ้าค่ะดีสนาความจําดีปัญญานี ปัญญาที่ได้ยินนด้ฟังมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดูค่ะพระอาจารย์จะบอกว่ารู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยพอลูกจะแวกลูกก็จะนั่งแบบรู้เฉยเฉยไม่ต้องอะไรนะพอเสร็จพระอาจารย์ก็จะบอกไม่มีทำไม่มีอะไรทำมาล้างจิตได้ให้รู้เฉยเฉยลูกก็จะเฉยเฉยได้ไม่ทุกข์กับอะไรก็ใช้ได้ไม่ทุกกัมันก็ใช้ได้ไม่ทุกเจ้าค่ะกับกับเวทนาเจ้าค่ะไม่ไม่ทุกเจ้าค่ะกับร่างกาย เจ้าค่ะลูกพอเห็นทางเจ้าค่ะลูกพอเห็นทางทางนิดนึงที่เหลือก็คือให้มันแข็งแรงขึ้นเจ้าค่ะบ่อยๆเดี๋ยวเราจะทำการํางานขึ้นต่อไปเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันต่อไปคุณกุติศักดิ์กอํารมนวสการทรับพระอาจารย์เอับ อ่ายังปฏิบัติอยู่ครับใน้ฟังความรู้จากเพื่อนๆเยอะมากดีมากเลยครับอาจารย์วันนี้แต่ละคนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ได้ฟังเรื่องเวทนามันเพราะย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองคือในการตัดเวทนาคือช่วงนี้ผมมีอาการขาเจ็บครับแล้วก็เหมือนก็พยายามคิดว่าเอออย่างที่อาจารย์สอนแต่มันรู้สึกว่ามันยัง ไม่สามารถตัดได้เหมือนกับตอนที่ตอนนั้นที่อยู่บนเขาครับที่เราถืร่มกลางกลางก่างกล้กลางกล้วกลาลังน้อยมลาเลยตัดางกลางกลางกลามันเหกือนมันไม่เหมือนตอนนั้นที่แบบพอเรานั่งสงบมากๆแล้วออกมาแล้วเราพิจางางุ๊บแล้วมันมันซึงมันลึกซึงงกงกลงกลางกลางกลางกลางางกลางกลางกลางกลางกลางกลางกลาลางกางกางกลาาคกางกลกาลางกลกลาลางกลาก มันรู้สึกเจ็บ<ต>มม อ, <า>อม่ไ ด, ไได้ปล่อยวางไม่ได้มันเฉยไม่ได้ใช่ใช่ใชปล่อยวางเลยนะสติมันจิตไม่สงบเท่ากับตอนที่เราอยู่ปตอนที่เราปฏิบัต <c oughs> ิมันสงบกว่ากันเยอะจิตสงบมากเท่าไหร่มันก็จะรับกับความเจ็บของร่างกายได้มากขึ้นแต่มันไม่ใช่เป็นการแบบอดทนรับมันใช่ไหมครับเป็นการตัดแบบเข้าใจในทางปัติเการฝึกให้เราอยู่กับอยู่กับสภาสภาพวัธรรมทั้งหลายนั่นเอง จะเรียกว่าอดทนก็ไม่อดทนไม่มันไม่ไมไมสำคัญเป็ น, นการวางใจเปดูเบรคขาแล้วางเฉยอืราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีกําลังสตินิ่งมากๆจนถึงจุด น, นั้นแล้วเรายอมรับมันได้แล้วก็ยอมเฉยได้แล้วลครั้งต่อๆไปมันก็จะไม่ค่อยมันจะเหมือนกับเรารับมันได้แล้วใช่ไหมครับก็เราเมัน<ส>เหมือนก็เรื่องตาย่เห<ร><ล>มือนเรื่องตายเรื่องความตายเราก็ อ้าเราเรียนรับได้เราก็รับได้หมดทั้งหมดครับครับโอเคครับขอบคุณคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอการนรรสการครับอาจารย์ครับก็วันนี้เข้ามาฟังเพื่อนเพื่อนทุกคนแชร์ประสบการณ์กันครับอาจารย์ครับก็ผมเองก็ปฏิบัติสมาธิอยู่ เกือบจะทุกวันครับมีบางวันก็ติดงานบ้างก็อาศัยการมีสติสัมปชัญญะทั้งวันครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็รู้สึกก็เห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับอาจารย์ครับเออทุกอย่างเป็นธรรมชาติปล่อยวางสัมเวธรรมานาตานะอาจารย์ครับแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นี้ครับอาจจะพาไปหาไปหาพระอาจารย์พาคุณจักรจันรไปครับพอดีผมก็เป็นคนอยู่กับเขาพาเขาคำนบณ อเอ ค, ครับอาจารย์ครัเก้าโมงครับอาจารย์ครับเก้าโมงเก้าโมงครึ่งนะครับครับครับอาจารย์ครับาสักครั้งสองครับือสมชายเพนเวเวียเคยนิภาษาไทยนะคุณสมชายเมื่อคืนนิภาษาอังกฤษกลับท่านพาจารย์แต่ตอนเยนครับเข้ามาฟัง เขามาฟังทำเป็นยังไงฟังเรื่องไหมประสบะการณ์ของแต่ละคนผมก็พยายามตั้งใจฟังแล้วก็ s ้ m ซ้ำ not quite get it but but uh, ภ า, าษาไทย okay. าาษาษาาก็ไม่ค่อยดีภาษาอังก็ไ uh, ม่ค uh, ่อยดีครับก็ก็อ่าก็ ขอบคุณทุกท่านนะฮะก็ขอบคุณที่ที่แชร์เอ็กเซเรี e น about นั่ครับขอบคุณคุณมากครับโอเคปฏิบัติไปเรื่อยๆนะปฏิบัติมากขึ้นหรือยังครับครับ <Okay. S 2> ครับคุณปุ้ยไม่เห็นเจอท่านนาวันนี้ไม่ทำงานเหรอ วนนี้เกค่ะกับนรร ม, มสสาสการค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 2> วันนี้คุณปุ้ยลาค่ะลาด่วนเจ็ด uh, วันเลยเพราะว่าก uh, เกเรค่ะยอมรับแต่เพราะว่าเราใจเราอยากจะมาปฏิบัติธรรมพอพอดีเปลี่ยนหัวหน้าใหม่ก็เกิดการกระทบกระเทือนนะทีนี้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องถอยออกมาหนึ่งเก้าเพราะว่าเราสู้ต่อไปไม่ไหวเราถอยออกมาหนึ่งเก้ามาปฏิบัติธรรม แล้วคุณปุ้ยก็สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านนะคะค่ะเลยถือโอกาสนี้แบบจะทำแบบให้มันดีที่สุดเลยเท่าที่เราจะคนหนึ่งจะทำได้เพราะว่าต้องใช้สูตสามยอมของคุณปามอะไรต้องยอมเข้าเข้าเป็นหัวหน้าเรายอมยอมหยุดเย็นแล้วก็อยู่กันได้เขาออยัางไงเรื่องของเขาไปก็ไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไป อะไรกับเขาไปก็อยากจะพูดก็อยากจะสั่งอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเรายอมอย่างเดียวหยุดต่อสู้แล้วเราก็จะเย็นเราาว่ทําตัวเป็นแจ้วนะทำตัวเป็นแจ้าร่างกายเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเราก็เหนื่อยอะ่ะแล้วมันอากาศด้วยเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเอองั้นเดี๋ยวหยุดมาขอหยุดทํามารักษาร่างกายแล้วก็รักษาจิตใจด้วยเอ่า ก็เลยนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสวดมนต์ไว้ค่ะก็ดีก็ดีมามาเสริมกำลังใจเดี๋ยวจะได้กลับไปเติมพลังค่ะไปทำงานต่อได้เวลากลับไปทำงานก็อย่าไปมีเรื่องกับเขาเพราะยังไงเขเรื่องของเขาก็คงจะเฉยๆกันไปเพราเขาก็ใช่เขาก็คงจะรู้ว่าเออ่เขาจะใช้อำนาจสัพย์ใหญ่ไม่ได้เพราะว่าการทำงานมีทุกสิ่งทุกอย่างคือ เหนือเหนือทุกสิงกอย่างมันมีกฎหมายควบคุมอยู่และเขาจะมาทำแบบตัวแบบว่าเฮ้ยคุณให้ให้ให้คนพนักงานรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในกงขังมันไม่ใช่คือสิ่งหนึ่งที่ทางรัศมเบิกตเขาจะไม่ชอบมากๆก็คือเขาจะไม่ให้พนักงานรู้สึกเหมือนกับว่ารัดกุมเหมือนกับกรงขังอย่างนี้และเขาจะมีสวัสดิการที่ว่าช่วยเหลือพวกพนักงานเพราะว่า เราเวลาเราไปทํางานที่ไหนเราต้องรู้สึกสบายเราต้องไม่รู้สึกว่ารัดกลุ่มอืมก็ดีกดีใช่ค่ะเพราะว่าอย่างกับหัวหน้าเก่าเงี้ยเราก็สามารถที่จะฟังทําได้สามารถที่จะปฏิบัติทาได้สวดมนต์เดินไปสวดมนต์ไปอะไรไปแต่นี่แบบโอ้ยห้ามทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือเราก็ทําตามแต่ว่ามันเยอะเกินไป ก็ต้องทําใจแหละล้วอยู่กับอันธิษฐานทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปจะให้มันเหมือนเดิมไม่ได้นะของใหม่เขามาก็ต้องหัดปรับใจให้อยู่กับมันไปถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องปรับใจยอมเขาก็ต้องสบายถ้าไปต่อดเวลาเก็คุยจะไม่ง่ายอาจจะเปลี่ยนค่ะคุยอาจจะต้องเปลี่ยนงานแบบอาจารย์นี่เสือปากจะละแค่นะเนี่ย มันยากอย่าไปคิดว่าข้างหน้าจะดีกว่ะตอนนี้นะมันอาจจะยากกระาตอนนี้ที่นี่ก็ได้นะซึ่งปรับใจไม่ดีกว่าเลยทาใจถายอมหยุดเย็นนะครับมันมันไม่แน่มันเราอาจจะต้องย้ายเพราะว่าเพราะว่าทางรัฐบาลคือระยะทางที่เราขี่ไปมันก็ไกลแล้วเราจะต้องไปฟังเรื่องราวอย่างนี้เพราะเพราะทางทางรัฐบาลเขาก็บอกแล้วบอกว่าคุณเป็นคนมีความสามารถในเมื่อ ในเมื่อมันมันไม่ใช่ก็คือเราจะดึงตัวคุณออกมามเขาก็มีวิธีการดึงตัวเราออกมาจากตรงนั้นเพราะว่าจริงๆเราขี่รถไปเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะมันก็ไกลเออแลอ้วอยู่อยู่คือคุณเธอจะทำอะไรก็ทำทาตามภาร ะ, ะใจชอบแต่เขาไม่มีเอกิเลียนอ่ะเขาไม่ได้จบการลงโร ง, ง, งแรมมาเลยมาถึงแบบเออแเรียกว่าออเดอร์เป็นอย่างเนี้ยส่่งเป็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะ เราก็ลาสามติเธอจะทําอะไรก็ทำเราก็ปล่อยเขาไปตั้งสองอาทิตย์แล้วเขาก็ยังทําเหมือนเดิมเขาก็ยังทําเหมือนเดิมอือเราก็เลยบอกเอาเถกนั้นฉันขอถอยออกมามาสร้างบุญสร้างบารมีหลังๆที่เพื่อนร่วมงานเราก็บอกนะเอ อ, อยู่่เป็นคนที่มีความสามารถและอีกอย่างอยู่เป็นคนที่ทําอะไรเร็วมากแลอยู่ไม่จ้อแจ๊ะคนเออเพื่อนร่วมงานเขาก็รู้แต่ว่าเราก็เฉย ก็เลยออกมาได้มาเจอผู้อาจารย์มาเติมพลังมาสร้างคุณสร้างบุญบารมีจากแานเมตตาแทนเมตตาเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาใช่ค่ะไม่อะไม่เพราะว่าเราก็คิดว่าเออเขาทําไงมันก็เป็นกรรมของเขาเราก็เฉยเฉยไปเราเพราะว่าเบี่ยงขาไปเราก็เบี่ยงาไปพออายุเราเยอะแล้วไม่ใช่น้อยแล้วและเราไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งเกลียดใคร อ๋อเวลาที่เหลือเราไม่แน่เราอาจจะตายพร่นี้มาลืนนี้ก็ได้ก็เลยคิดว่า่อยดีกว่าเพราะเราต้องการที่จะสะสมบุญเราว่าตรงถ้าตรงจุดนั้นมันมใช่อาจจะเปน็นจะเป็นเหตุทำให้เราไม่ต้องไ ม, ไม่ไม่ทํางานกันได้จะได้มาปฏิบัติได้เต็มที่เลยใช่ค่ะเพราะว่าเอ่อโยมรู้สึกว่ามันเหมือนไฟธาตุมันจะแตกเมื่อเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์จริงๆโยมพูดเรื่องจริงค่ะ ว่าโกรธมากมันแข็งมากมัโกรธมากมันมันไม่ได้แค็งนะมันไม่ได้โกรธอ่ะอาจารย์คือคือมันเหมือนกับคนเครียดที่ว่ามันไม่ได้ปลดปล่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันรู้สึกหน้อยๆอ่ะและและมันรู้สึกแบบเออเราไม่ได้สวจมวลไหว้พระหรเว้ยทำไมเราต้องเหนื่อยเนื่อยแล้วเราทํางานเราไม่ได้ว่าได้เดือนละสามแสนเออเราก็เออเราก็แค่ตรงจุดนั้นและทําให้ ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคฉันไม่ต่อสู้อยู่จะเป็นยังไงอยู่จะทำยังไงก็ทาไปฉันขอไปหาหมอและฉันก็จะสู่ปฏิบัติธรรมอยู่รักษาร่างกายเพราะกายสังขารถ้าเราไม่มีกายสังขารนี้เราก็ไม่สามารถสร้างบุญสร้างบารมีได้แล้วอุ้มก็เลยโอเคในเมื่อเนี่ยมันมีกฎหมายรองรับเราก็ขอให้เจ็ดวันนี้เป็นเจ็ดวันที่เราจะสร้างบุญสร้างบารมี แล้จะทํางานต่รนนอร้ังใจเจ็ดวันอ๋อก็ยังไม่รู้คะ่ะก็ค <c oughs> งจะเดินไปเฉยๆ <c oughs> ก็ไปทําบุญไปแผ่ปุณ <c oughs> <c oughs> ไม่กลับไปทํางานแล้วหรือไม่ไม่กลับไปที่เก่าแล้วอคิดว่าก็ต้องไปแต่ว่าวันจัน์นี้โยมก็ต้องไปหาหมอผู้จัดการของกรมรงงานเพราะเขาก็ต้องไปร้องเรีย น, ยนใช่เพราะว่าเขาเพราะว่าทาง ทางทางทางเรียกว่าอะไรนะแอ ส, สเซสเซน์ของปุ้ยอะเขาก็จัดการเรื่องไปเพราะเขาบอกว่าขนาดออมีเพื่อนร่วมงานอีกสามสคนเขาก็ไม่สามารถทำงานได้เพราะเขาเครียดเเครียดเครียดมากๆแล้วคือมันเครียดนะถ้าเรา <c oughs> ไปทำงานแล้วเราไม่ได้ไปรับเงินเขาเนี่ยเออ <c oughs> แต่ทีนี้ถึงถึงขนาดเขาเป็นคนที่ว่า ไม่มีประสบการณ์แล้วมาสั่งตั่งสั่งในด้านผิดผิดด้วยแล้วเราก็เลอยอมที่จะลงไปอธิบายให้เขาฟังอ่ะว่าเฮ้ย hey, คุณจะต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าเขาจะทําในด้านของเขาเขาเป็นเด็กซึ่งอยากจะโรแมนติกเขาก็เอาเทียน่ะมาตั้งยกตัวอย่างมาตั้งที่โต๊ะเราบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยเราไม่ได้ทําร้านอาหารกลางคืนเราทําร้านอาหารกลางวานันเราจะต้องมีน้ําตาลทีนี้ ไม่สนใจเขาบอกว่าฉันพูดอย่างนี้ก็คืออย่างนี้เราบอกเอ๊อะไรวะเราก็เฉยเฉยเฉยเออเฉยเยก็ไม่มีปัญหาอะไรกัน น, นี้พอเราไปทาต้อนรับเอ่อพวกดูกอะพวกษัตย์พวกมินิเตอร์ที่ u ยู v e r เว t ร์ซิตี้เขาก็อยากจะไปดูงานเพราะเขาไม่เคยดูรู้จักงานทางหัวหน้าทางทางแคทเธอรีเขาก็พาไปเขาก็ให้รู้จักเราเขาก็ให้เราดูว่างานมันเหนื่อยขนาดไหน เขาก็เขาก็บอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกงานอย่างเงี้ยบอกอ่ะันูรู้แล้วใช่ไหมว่างานนี้มันไม่ใช่งานนั่งสบายป็นงานเหนื่อยเขาก็โอเคเขารู้แค่ตรงนั้นแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ไม่โอเคแล้วมันมันมันมันอะไรหลายหลายอย่างคือเขาเด็กเราก็ยอมรับเราก็ไม่ได้ว่าว่าอะไรเขาเราก็เลยถอยออกมาค่ะมาสร้างสร้างบารมีขอเรดีละอย่าไปอย่าไปมีเรื่องเมลาไป เราไม่มี อ, อ่ะไม่พยายามไม่มีลืเอเขาอ่ะดีที่สุดเ <c oughs> นอะก็ต่างคนต่างอยู่ไปอ่คน ต, ต่างอยู่ไปใช่ใช่เราเพราะว่าเราขอแค่ว่าให้เราได้สร้างบุญสร้างบารมีบ้างในบางเวลาไม่ใช่ให้เรามานั่งแอบแอซ่อนซในการใช้โทรศัพท์มันไม่ใช่และเพื่อนร่วม ง, งานทุกคนเขาก็มีปัญหาและทีนี้เราก็เลยว่าไม่พูดแล้วเออเดี๋ยวอยู่ก็คงจะอยู่ไม่นานหรอกเออแล้ว แล้วอันนี้ไม่แล้วเขาบอกว่าไม่แล้วเขาไม่ค่อยเข้าใจนะเขาไปซื้อพระมาคือเขาอยากจะเอาใจเราหรอกเขาเห็นเราเป็นคนสุดมโนไหวพระเขาไปซื้อพระมามาตั้งบนโต๊ะเขาเล้วบอกว่าตอนแรกก็ตั้งนั่งหันหน้ามาทีนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยยูทําไมอาทิตย์นี้ยู่ตั้งพระชันหันหลังหันหลังให้อยู่ แล้วอย่างนี้ลูกค้ามันจะเข้าร้านยังไงล่ะเริก็บอกว่าเอิบอกว่าหันหน้าฉันนึกลัวบอกกลัวอะไรอ่ะทําไมติดอยู่ต้องกลัวด้วยเออถ้าเราพูดเล่นอย่างนั้นเขาก็คิดเป็นจริงเรก็เลยโรากเลยบอกว่าเอ้ยไม่พูดดีกว่าเออโอเคแต่วันนี้มีใจมามามารายงานพระอาจารย์เฉยๆค่ะมารายงานพระอาจารย์เครียดนะเขาอยู่แบบไม่เครียดไม่เครียดเลยเพราะว่าไม่เครียดนะคือ ตอนนี้ไม่เครียดแล้วก็ตอนเนี้ตั่งสมาธิแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างเข่งแล้ะจะเล่งตัวเองในเจ็ดวันนี้ต้องเล่งว่าต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทําอย่างที่เราไม่เคยทําีในชีวิตเลยก็คือนั่งต่อต่อต่อต่อต่อต่อไปเลยอย่างเนี้ยค่ะนี่อาจจะบรรลุธรรมอาจจะลาอจากงานไปเลยก็ได้ไปปวดอะไรก็ได้นะดูกันโอเคฮะค่ะ ขอเ <Okay. S 2> ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพชาตขันแข็งแรงนะคะและ <ไง S 2> บุญใดญ ท, ที่คุณปุ้ยถ้าบุญใดที่คุณปุ้ยได้ปฏิบัติรรมาคุณปุ้ยขอน้อมถวายพระอาจารย์สุชาติค่ะเพราะว่าพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ที่สั่งสอนปุ้ยมาปีกว่าคือได้พน้นได้เจอคาว่าคำว่าคนดีและได้รับความหมายคำนี้ ชัดแจ้งมากค่ะอเ okay, สได้ได้เข้าใจคําว่าเมตตาด้วยค่ะเออคุณปุ้ยขอประคุณพระาจารย์ยังสูงค่ะทุกข์ขอพระคุณของนะสาธุค่ะสาธุค่ะกล <Okay. S 2> าบขอบพระคุณท้าววันที่คุณทยาทเช่นคุณทยาทอยู่กอตมอเลยคุณทยาทนักสการครับวันนี้เพิ่งมาอยู่แม่สอดครับเอ๋อแม่สอดนะหนาวแม่ตอนนี้ เรามีแมสคอรดเย็นๆครับแต่ว่ากล <ๆ S 2> างวันก็ร้อนเหมือนกรุงเทพนะครับ <ๆ S 2> อาการไม่ดีเลยท <ๆ S 2> ั้งพึ่งลงมาจากเชียงใหม่ลำบางด้วยมืดหมดครับอาการไม่ดีก็เลยเป็นไขวันนี้ก็ไม่ได้เข้ามานานละแต่ก็ยังฟังอยู่เพราะว่าไปทำแบบฝึกหัดมาเยอะนะครับก็มาเจอเรื่องหนึ่งก็เป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับในอนามัตสติอนาปานสติขั้นที่สี่ ที่เขียนว่าย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ลํางับอยู่ไอ้คําว่าบทศึกษาที่พันแม่แปลว่าอะไรครับอาจารย์ศึกษาครับย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้เรางับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ก็คือเวลาหายใจเข้าให้เราสังเกตว่าเราดัาง ๆ, ๆความคิดปรุงแต่งเอย่าไปคิดปรุงแต่งสังขารคือความคิดปรุงแต่ง อ่านั่นคือความหมายคําว่าบทศึกษาใช่ไหมครับอแล้วคำว่าือว่าเรา ส, สังขารเราทํางานหรือเปล่าเมือมันหยุดทํางานอย่าให้มัน <ละ S 1> ทำงานนั่นก็คือมีสติอยู่ให้รู้มีสติให้รู้ว่าเราก็ไม่คิดเรื่องนีงๆๆ้ให้อยู่กับลมอย่างเดียวครับแล้วประโยคต่อมาที่ว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ลำงับอยู่อันนี้มันหมายถึงอะไรครับก็เราปล่อยให้กายนิ่งๆเฉยๆไม่ไปยุ่งกับมัน อย่ขยับร่างกายอ๋อให้นิ่งก็คือให้อยู่กับลมหายใจไปอยู่ลมหายใจไปอย่างเดียวครับอ ย, อย่าคิดอย่า๋ยวไปขยับร่างกายปล่อยร่างวันที่คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปขับนะเจ็บตรงนั้นตรงนี้ก็อย่าไปขับขยับอ๋อจนถึงที่สุดจนไปถึงขั้นที่ห้าที่ว่าเกิดปิติขึ้นมานั่นเ อ, อ, องใช่ไหมครับอ๋อนี่คือความหมายของคำว่าผู้ทําสังขารให้ระงับอยู่อืมครับ ครับผมเข้าใจครับนี่มีอสองคำถามเป็นคำถามที่แค่อยากรู้เท่านั้นนะครับ<ต>อยากรู้ว่าเป็นกิเลสเนั้นนะคําว่ากรรมฐานกับวิปัสสนาแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยมันต่างกันยังไงครับคือมันแล้วแต่คนั่วเขาจะมาความว่าอย่างไรแต่มันมีศักด์ของมันในตัวกรรมฐานก็<ช> ค, คืออารมณ์ที่เราใช้ในการนั่งสมาธิเช่นอนาปานสตินี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง กรรมฐานมีอยู่สี่สิบชนิดในกันที่เราเอามาใช้ฝึกใจใช้ อ, อนบบานาปานสติก็ได้ถ้าพุทธานุนสติก็พุโทโธถ้ากายะคตาสติก้าการสาสิบสองของร่างกายเป็นแค่คําเรียกเท่านั้นเองอ เ, ปเป็นชื่อของกับขอองเป็นชื่กรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราใช้ในการปลุกใจไม่ให้ไป ค, คิดเรื่องราต่างๆครับแล้วคําว่าวิปัสสนาล่ะครับ วิพัธศนาคือการศึกษาให้เห็นเข้าใจสภาพความเป็นจริงว่าทุกเกิดเกิดจากตัญหาความอยากทุกกิอศึกษาอริยศัสตร์สี่ให้เข้าใจให้เข้าใจอริยศาสตร์สี่เข้าใจใต้รากในเนื้นวิพัธสนาอ๋อเป็นลำดับที่สูงขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่แล้ปัญญาปัญญาก็เทียบอย่างที่อาจารย์ว่ากันเป็นระดับปัญญาตรีปิญญาโทอะ้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นญาเองแล้ว่านเปอี ทราเอกนะครั บ, คครบ ถ, ถ้าปัญญาก็เป็นยาเอกสติก็เป็นญาตีสมาธิก็เป็นญาโทมครับผมครับครับ <c oughs> คาถามที่สามนะครับเป็นคําถามที่แค่อยากรู้อครับที่ตอนเนี้ยผมฝึกเรื่องอุเบกขาเยอะมากเลยใช้แบบกึุงหักเยอะมากเลย <c oughs> จนมันมีคํากล่าวว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวมันคือคําคําเดียวกันใช่ไหมครับ แต่เป็นคําของโลกกับทั้งโลกทั้คํารมครับไม่เหมือนกันล่ะไม่รู้ล่องรู้หนาวทั้งเราหมายถึงไม่ไม่สนใจสิ่งรอบตัวเราใครก็าทำอะไรอยู่ก็ไม่ได้ไปสนใจศึกษาอันนี้ไม่ใช่ อ, อ, อ, นนอันนี้ไม่ใช่เบคคาเบคคารับรู้อยู่เหตุการณ์ต่างๆรู้ความรู้ว่าคนจะทําแล้วรู้การกาลเทสะนี้ไม่รู้ไม่ไม่รู้ล่องรู้หนาว อ๋อแต่อากาศวญาณที่อากาศวญาณที่ผมทําเนี่ยก็คือรับรู้ว่ามันคืออะไรเศร้าเสียใจแต่ผมก็เฉยเฉยใจเราเฉยเฉยกับเหตุการณ์ต่างต่างแต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่เราต้องกระทําอะไรแล้วก็ทําไปตามเหตุการณ์นั้นโอเคเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจไอ้คําว่าไม่รู้ล้อนรู้หนาวอะไรถ้าเราเข้าใจว่าเราวางเฉยเข้าใจมันมาเป็นเช่นนั้นคือไม่รู้อนรู้หนาวมันก็ว่าบางทีไม่ไม่เบร็งไม่เบ็ง มันสิ่งที่ต้องรู้ต้องทําไม่ทํานี่คือไม่รู้ล้อลุ้นหนาวเพะอันนี้สำหรับผมไม่ใช่แล้วหระทําทําอยู่ทุกอย่างใช่เราต้องทํำสิ่งที่ต้องทํางนี้ถึงเวลาล่างชางก็ไปล่ามช้างมีใครก็ไปรู้้อรู้หนาวเอาคำผมทําบวกทาอะไรเสิก็ทํำบวอแต่คนไม่มาพูดว่าผมเป็นไมู่้ล้อรู้หนาวเหมือนกับไม่ไม่ทําอะไรไม่สนใจอะไรเอาแต่กินอย่างเดียวไม่รู้ล้อรู่หนาว อ๋ออาจจะกินอาจจะเที่ยวอย่างเดียวครับเวลาทำงานไม่ยาวทำครับผมคทำผมครับเก๋ก็ได้ก็ตักอุเบกขาไม่ได้เป็นอางนั้นอุเบกขาทำทุกอย่างที่ต้องทําถำเวลาต้องทํำก็ทำทำมันทาด้วยใจที่ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่ทุกข์กับงานที่เราใช่ครับก็ทําเป็นจำอย่างทําให้เสร็จไปทําเป็นเรื่องๆทาแล้วก็มีติดเรื่ไปทําตามหน้าที่ทำ ครับผมครับผมได้ครบถ้วนครับคําถามที่อยากรู้เพื่อเอาไปทำแบบฝึกหัในทั้งโลกของผมต่อบอ่ามองแล้ว ต, ต, ตอนนี้ก็รายงานขึ้นหน้าไม่มีอารมณ์สนุกสนานกับการปฏิบัติอะไรต่างๆนานานละแา่เป็นอารมณ์ที่เฉยเอ่าเฉยแบบเ ฉ, เ, ฉเฉยแบบไม่ความสุขเฉไม่คว า, ามสุขเฉยแต่ไม่ความสุขเฉยแบบไม่หิวไม่หิวไม่หิวกับอะไรครับหรือก่อนสเดือนสนุกมาเล่นเกมมีความสุข แต่ตอนนี้เฉยๆแต่ทําไปเพราะว่าทําแล้วมันมีความสุขดีเออแบบเฉยๆอ่ะครับสุขแบบเฉยๆใช่ครับไม่ตาองทำอะไรครับผมครับครับขอบุญครับท่านอาจารย์ครับจะไปทําแบบนี้ครับครับเธอบคุณจารินท์ต่อยังไงจารินท์แมรี่แลนด์ตอนนี้หนาวไหมหนาวครับอาจารย์เมื่อคืนนี้มีหิมะโปรยโปยลงมาแต่ โยมก็ไม่รู้โยมก็ว่าทําไมได้ยินเสียงรถตลอดเวลาทั้งคืนเลยหนาวเหมือนกันนะคะพระอาจารย์กับน้องสกัดดันกอดที่มาโยมคิดว่าคงคนขับรถเข้ามาแล้วถนนมันลื่นอะไรอย่างนี้ค่ะเขาช่วยกันปัดอรอนแต่ว่ามันไม่ได้หนาขนาดที่ว่าเป็นนิ้วๆอะไรแต่ก็มีโปรยปพระอาจารย์โปรยไม่หนาค่ะค่ะก็ไม่มีคําถามค่ะแต่โยมก็ ได้แนวคิดของคุณปุ้ยอะค่ะเดี๋ยวโยมจะเอาพระคุณรูกไปตัง้ง่องไปทางเจ้าตายมันมันเป็นมันเป็นความเชื่อแบบงไงายหรอมันไม่เปเปลี่ยนอะไรเข้าได้หรอเผื่อว่าเขาจะให้งานน้อยลงกยังไม่ทำเลยอันนี้วินยาจะให้งานเรามากขึ้นก็ได้ ค่ทำตัวเป็นแจ๋วดีกว่าทําตัวอ okay, ่อนน้อมถ่อมตนให้เขาสงสารดีค่ะทีเขาก็ลดงานให้เราเองทุกวันนี้ก็เป็นแจ๋วอยาไม่ให้เข้ามันอย่าไม่ทําให้เข้ามันไ่ไม่ทราบนีงคะพระอาจารย์ยมตั้งฉัิท่บ้านก็ยัไม่มีคําถามค่ะก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องอยู่แล้วก็เวลาที่มีเรื่องเรื่องกระทบกระเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยังก็ยังก็ยังต้องใช้สติ ต้งยังต้องใช้สมาธิยังยังขึ้นปัญญาไม่ได้ค่ะค่ะอาจารย์อืไก็ดีสติหยุดเหมือนก่อนก็ยังดีครับใช่ค่ะก<ม>็ก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องค่ะ<ม>แต่ว่าเหมือนตอนที่มันได้ผลเนี่ยมันจะต้องทําต่อไปเลยสีห้าชั่วโมงติดกันไปเลยแต่ถ้าสมมุติเราหยุดปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ต่อเนื่องอะค่ะพระอาจารย์เหมือนต้องมาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่แม้ว่าจะทําชั่วโมงพอๆกันแต่มันก็ไม่ไม่เห็นผลเหมือนอย่างที่เหมือนอย่างที่ทําต่อ ได้มันก็เป็นอย่างนี้แบบว่าเป็นการรถเนี่ยรถมันวิ่งเร็วๆพอถึงเวลาต้องจอดมันมัจะกลับไปสปีดนั่นน้ามันต้องใช้เวลาใช่ค่ะแต่ก็ยังคงปฏิบัติอยู่ยังยังไม่ทิ้งนะคะก็ทําไปก็แบบเนี้แบบรถไฟที่ต้องคอยจอดตามสถานีต่างๆมันก็เลยเสียเวลาเสียเวลาจอดจอดแล้วเดี๋ยวก่อนจะออกวิ่งได้ให้ให้มันเร็วเหมือนตอนที่ก่อนจะจอดก็ต้องใช้เวลาค่าไป จะพยายามต่อไปค่ะพระอาจารย์วัฒนธรรมเราเป็นอย่างนี้เหมือนกับยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนถ้าขับรถก็ยังไม่ได้ขึ้นทางยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็ติดไฟแดงเแื้วติดที่แหงนั้นติดย่างนี้ถ้าขึ้นทางด่วนได้ก็ไปรวดเลยถึงเลยก็อีกต้องหลีกอีกตั้งหลายปี ก, กว่าจะได้ <c oughs> แบ่งเวลาไปปีวิเวกมันก็ได้อาทิตย์เจดขึ้นทางด่วนอาทิตย์เจ็ดวันก็ได้ยากเหมือนกันค่ะโอ้ลืม ลืมจะเรียนพระเจ้านะคะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณสจ๊วตเขามาที่บ้านโยมด้ยวยค่ะเนอวันนี้แม่เขาเข้ามาในซูมหายไปโยมโยมก็แอ บ, บทักว่าหายไปไหนไม่เห็นในซูมเลยไม่เห็นมาหลายเดือนแล้วเขาก็เขาพยายามติดวิเวกที่บ้านตัวเองอยู่ค่ะเ <c oughs> <c oughs> ขาพยายามเอนหลังบ้านเนี้ยคะ่ะแต่ว่ามันหนาวมันหนาวเขาก็บอกโยมพอดีเขาเอาลูกโยมมาส่งที่บ้านนะคะ แล้วยมที่วิ่งออกไปคุยด้วยก็ถามเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างยมก็กลัวเขาไม่สบายเห็นเขาเงียบเงียบไปก็เขาก็เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆเห็นเขาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อยากอยากจะปฏิบัติอยากจะออกวิเวกใจอยากออกวิเวกแต่ว่าครอบครัวทําให้ยังปฏิบัติไม่ได้มยมก็เลยแนะนําว่าให้เขาลองลองเจริญสติบุก่อนอไอค่ะ แต่ก็ก็เลยมากราบเรียนพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าเห็นของม่เข้าสูมีติงแล้วก็คุณจิ๊บก็ฝากมากราบพระอาจารย์เช่นกันมาค่ะวันนี้เด็กงานอย่จิ๊บจิ๊บวันนี้เขาเข้าซูมไม่ทันค่ะพระอาจารย์ค่ะ <Okay. S 2> ว่าฝากโยมมากราบพระอาจารย์ก่อนท <Okay. S 2> างจะฟังเหงื่อโยมก็ไม่มี okay. Okay. คํำลูกสาวสบายดีนะลูกสาวลูกสาวสบายดีค่ะก็มีเขาก็ยังคงจิตใจเขาก็ยังคง ยึดติดอยู่กับเรื่องบางเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องไร้สาระอย่างเงี้ยค่ะ<ช>เรื่องบางเรื่องไม่ต้องกับเขาเลยแต่เขาก็เอาจิตไปผูกแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องของเขาคือเหมือนกับเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตของคนนั้นคนนี้<ช>บางทีก็ยังมีให้ว่าเพื่อนไม่คุยด้วยสามชั่วโมง ท, ง, ทงทั้งที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนเขาอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้เข้าใจว่าทำไมเขาไม่สามารถหลุดออกมาได้<น> ก็โต้องใช้เวลาเด็ก ค, คนเราที่ค่อยเจริญเติบตัวอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะโยมก็พยายามบอกให้เขาฝึกสมาธิบอกอเขาบอกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นคนคิดมากไม่ต้องปล่อยวางอย่าเป็นกัวันับเรื่องของคนอือ่นก็เลยใช่ค่ะพระอาจารย์<ม>ก็ก็ต้องค่อยๆอะค่ออะอ า, าจารย์<ม>วันไหนที่เขาอารมณ์ดีเขายอมรับฟังโยมโยมก็ค่อยๆใส่เข้าไปคิดเขาแต่บางวันที่มีความคิดรุนแรง ก็พูดไม่ได้ยิ่งต่อไปเใค่ะพระอาจารย์ยก็ต้องหามยิ่งยิ่งใจย็นพระอาจารย์บางทีก็มีถูกถูกย้อนด้วยว่าแล้วเราหลังมีพุทธโทงีเราก็นิ่งเลยเป็นการพระอาจารย์โยมต้องปฏิบัติต่อค่ะกลบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขออภัยอบคุณจอยพัทยา อยู่แถวนั้นจอยนิถามบ้านอยู่แถวนันอยู่เอ่อหนองปือค่ะหนองปืนแถวอ่างอ่างน้ําซากนอกค่ะอ่างเก็บน้ําไม่ไม่ถึงก่อนถึงอ่างมันเหมือนที่ที่เขาเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่อ่างซากนอกค่ะถ้าจากแถวถ้าจากพัยาไปเส้นไหนวิ่งเขไปเส้นไหนถ้าถ้าที่หนูไปทุกวันหนูจะวิ่งออกเส้นห้วยใหญ่่ะค่ะห้วยใหญ่ พก้ใหญ่ออกทะลออกบ้านอำเภอปิงเขาปิงเขาทางถ้าอยู่พัทยาจะวิ่งไปทางหนองปืนนี่วิ่งไปเส้นไหนอ๋อสุขุมวิทแปดสิบเจ็ดนาือหรอา้นากอ๋อก่อนนพัทยาใต้ค่ะพัทยาใต้ค่ะค่ะอยู่ตรงพัทยาใต้ก่อนมีถนนวิ่งไปทานหนองปืนได้เส้นแปดสิบเจ็นี่แหละใช่ค่ะพอเข้าสุขุมวิทปดจิก็คือตรงเข้ามาได้เลยค่ะค่ะก็ อืมมันก็มีแต่ว่าก็ไม่ก็พยายามช่วยตัวเองอยู่ค่ะอ่าทำไปอ่าก็มันอยู่กับครอบครัวค่ะราะเดี๋ยววันที่เป็นวันพระไปใส่บาตรอทุกวันพระค่ะวันพระเนี่ยวันนี้วันนี้อยนยแฟนก็มาใส่ต้องสองข้างเลยนะก็ถามเขาามาไหมเขามาเขามาก็มาด็กก็พยายามไปทางที่ดีขึ้นโอเค เมตตาต่อกันเมตตาให้อภัยอาจารย์พระอาจารย์พูดหมืดพระอาจารย์รู้ตลอดเลยหนูเพิ่งตีกันไปก่อนไม่ใส่บาตรแล้วแล้วลูกก็บอกว่าแม่แม่กับพ่อดูดิพระอาจารย์สอนแม่กับพ่อทําไมไม่เคยทําตามเลยพอตอนสอนทําได้แต่พอถึงเวลาชีวิตจริงมันเหมือนมันตอบโต้นเวทีมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมาใช่ค่ะจนลูกแบบเบื่อพ่อของแม่ แต่ว่าแข่งกันแต่ก็ head, <S <s ไม่ได้ถึงขั้นแบบกดกันนะแค่ต้องคิดถึงลูกบ้างเสียสงสารลูกอยากให้ลูกก็เห็นเราเป็นอย่างนี้เลยเราไปปฏิบ mm ัต hmm ิโอเคคิดว่าทาให้ลูกก็แล้วกันทถ้าทำให้เราไม่ได้ก็ทําให้หนุยอยากทาเขาอะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอาจารย์สอนเขาเขาเขาจะทําอยู่เอ่อร์แฟานนะคะเขาปื้มอาจารย์มากค่ะโอเคค่ะน่าชมค่ะ ครัน่าโมกกับมาแล้วเหรที่เป็นยา ไ, ไปเปลี่ยนเครื่องอ่ะตอนนี้ใช้คอมพิวเตอร์มันากัดให้พอาจารย์ว่ากินเน็ตหลุดครับผมก็เลยได้โอกาสมาชว่วยใช้คอมแทนครับว่าไงจะส่งการบ้านว่ามาเลยคอาจารย์ก็อเล่นความเพียรครับอาจารย์ทุกวันนี้ก็นอนพื้นครับผมแล้วก็ยังฝึกเจริญสติต่อเนื่องทั้งวันครับผมตอนนี้นอกจากแค่ อารมหายใจที่เราจะรู้สึกตัวแล้วก็จะมีในเรื่องของอารมณ์อย่างเงี้ยครับอาจารย์ mm. ซึ่งก็จะมีแบบทดสอบที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกันในแต่ละวันถ้าอันไหนที่แล้วมันแปลกมากครับอาจารย์น้อยว่าอันไหนที่เราไม่ผ่านอย่างเงี้ยครับอาจารย์คราวนี้มันมาอีกเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านนะคระับอาจารย์แล้วมันก็จะค่อยๆหายไปครับอาจารย์แล้วก็อย่างวันนี้ก็ เคสแปลกมากคือเพื people people. Well. ่อนมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเหมือนไม่รู้หมัดเคี้ยวหรอหรือเปล่าก็เอาปากกาครับมาแบบเหมือนปักเราอย่าเงี้ยปักเราข่วนเราเงี้ยสองรอบแล้วก็ตอนรอบแรกมันตึก๊กไปแล้วาะเห็นหน้าลมแล้วเอ้ยมันเจ็บอ่ะเจ็บคือร่างกายมันเจ็บแต่ว่ามันก็วางเฉยอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็ มีอารมณ์โกรธเพราะอารมณ์โกรธมันก็มันจะผุดขึ้นมาแล้วว่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่กำลังจะโกรธแล้วดับมันก็กลายเป็นเกิดแล้วมันดับทันทีอะครับอาจารย์มันก็ไม่ไม่ทันที่จะได้โมโหเนยครับจะมันดูทันแล้วคราวนี้เขาปักรอบสองแล้วก็รู้ละเฮ้ยปักรอบสองเออช่างมันมันจะปักก็ปักไปเรื่องของมันแล้วก็แล้วก็แค่ขยบออกนิดนึงอะเขาจะได้ไม่ต้องแก้งเราอะไรเงี้ยครับอาจารย์ก็มันจะเป็นการที่แบบว่าเราเห็นแล้ว มันดับได้เลยทันทีอย่างเงี้ยครับก็ดีส้นเสติเราไปเป็นครับพยายามทำต่อไปพยายามเฉยอย่าไปก่ดใครเกลียดใครอาจารย์ให้อภัยอาจารย์มีสอบตกค่ะอาจารย์เห็นในเทนออนไลน์เขาเขียนกันว่าใกล้วันวาเลนไทน์แล้ว ผมก็เลยเขียนแซวเพื่อนไปอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาครับอาจารย์ลืมไปเรื่อง non A F e o นอนนอกเสี่ยงพิสต s เนสเราไปยุ่งกับชาวบ้านเรา บ, บอกเฮ้ยเป็นไงได้คู่หรือ ย, ยังวันวาเลนไทน์ท่านนี้เราก็ลืมดูเราไม่มีสติครับอาจารย์ตอนนั้นแล้วก็เราก็คิดไปเรื่องนี้กลับมาได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอาการ32ไปไหน ก็ต้องกลับมานั่งท้องใหม่อาการ32ผมคนเล็บนผนังมาเรื่อยๆโอเค okay. ได้พ <Okay. S 2> ยายามควบคุมใจ <Okay. S 2> ควบคุมความคิดก่อนจะคิดก่อนจะพูดอะไรจะทําอะไรคิดใท้รอบคราวก่อนครับอาจารย์ผมติดตัญหาตรงนี้ครับไม่ไม่ทันได้คิดก่อนพูดทำไมครับอาจารย์ค okay. ำาต่อไปนะครับอาจารย์ยายเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมอาการ คุณยายก็กําลังใจดีมากเลยครับวันนั้นพอได้เห็นพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์นุยพรก็มีความสุขมากเลยแล้วก็พระอาจารย์แล้วก็คุณยายก็พูดถึงจะชื่อพระอาจารย์ครับผมตอนนี้อยู่บ้านหรือเปล่าอยู่อยู่บ้านแล้วครับผมกลับมาบ้านแล้วโอเคดูแลคุณยายนะครับอาจารย์แล้วพระอาจารย์ครับผมมีคําถามครับคือถ้าสมมติว่าผมอ พปกติผมจะเป็นคนที่แบบเห็นข้อธรรมในโลกโซเชียลเวลาที่เล่นเวลาที่เล่นอย่างเงี้ยครับมันจะเห็นข้อธรรมตามโซเชียลมีเดียที่แบบว่าคือเราเล่นในเวลาแต่เราจะเห็นมันขึ้นมาเงี้ยครับคราวนี้ถ้าเราผมอ่ะชอบเอาไปโพสต่ตออย่างเงี้ยครับอาจารย์มันแชร์ต่อคราวนี้พ่อแชร์ก็จะมีฝรั่งบางคนที่เป็นเพื่อนผมทางโลกโซเชียลเขาจะบอกว่า เป็นภาษาอังกฤษให้เขาด้วยเขาก็อยากดูข้อธรรมอย่างนี้ครับอาจารย์คือเราก็แปลไปให้เขาอย่างนี้ครับอาจารย์แต่ว่าผมกลัวว่าเฮ้ยคือถ้าแปลไปแล้วข้อธรรมมันผิดเพี้ยนทําไงอะเรากลัวภาษาที่เราสื่อสารมันจะไม่ตรงตามที่ครูบาอาจารย์นั่นตั้งใจจะสื่อสารเไี้ยครับอาจารย์มันจะบาปไหมครับถ้าเราไม่เข้าใจก็อย่าไปแปลถ้าเราเข้าใจก็แปลได้ครับแปลตามความเข้าใจของเรา ก็ไม่บาปนะก็จะได้แชร์ทำมาให้เขาได้เขาก็มีโอกาสแต่ถ้าเราไม่ไแน่ใจเราก็อย่า share แชร์เราก็บอกวันที่เราแปลไม่ไมถูกแปลไม่ได้ก็อย่อยาแปลแปลใ น, นที่เราเรามั่นใจว่าถูกอะไรที่ไม่ถูกเราก็อย่าแปลอาจารย์ก็ล่าสุดเป็นข้อธรรมของหลวงตาบัวครับที่<ม>บอกว่าเวลาท่านจะ อก่อนนอนถ้าท่านยังไม่ได้ไหว้หรือการาบหลวงปู่มัน่นท่านจะนอนไม่หลับไปไหนมาไหนเดินจงกรมถ้าท่านยังไม่ได้หันกลับไปไหว้คื อ, อยังไงท่านก็ต้องหันกลับไปไหว้หลวงปู่มัน <Okay. S 1> ่นมันวก็นึกถึงแต่หลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยครับผมก็เขียนไปตามไอ้นี้่ครับว่าอาม่าาตก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็เราก็แปลไปถ้าเราไม่เข้าใจเราก็อยาาแปลอานนจารย์ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวไว้ ทำมาต่อเนื่องอีกครับพระอาจารย์โอเคสาธุาคุณนิสา l อเป็นยังไงนิสาอยู่ที่ไหนนั่งข้างนอกออ๋อไม่ค่ะข้างหลังมันเป็นรูกลับแ ร, ร, ร่มัสการค่ะพระอาจารย์อยู่ในบ้านนี่แหละค่ะข้างหลังเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นยา l ์โลสโตนค่ะ <Yellow Stone. S 2> พระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เคยไปไหมคะไม่เคยอยู่แต่แคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปเที่ยวที่ Arizona, อาริโซนครั้งอ๋อ ค่ะ <ไป S 1> ค่ ะ, คะพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็ยังปฏิบัติอยู่สม่าเสมอค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็กำลังต่อสู้กับเวทนาอย่างอย่างมากค่ะพระอาจารย์ก็ก็ต้องสู้ต่อไปค่ะ เพราะว่ามันจะเกิดค่ะกองกองน่าจะเป็นกองที่สองแล้วมั้คะมันจะหนักมากค่ะมันยังสร้างไ่ได้ช่อเ่องปัญญาอย่าไปช่อเรื่อยความอยากอย่ไปอยากให้ค่นายมันจะเป็นมันจะอยู่ก็ไปมันอยู่ไปค่ะ<อ>พระอาจาร ย, ย์ค่ะพระอาจารย์แล้วลูกสามารถแบบตอดเออถ้าเกิดมันมันเวทนามันหนักมากๆลูกเปลี่ยนเป็น เป็นพุทโธกับถีดถีได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ได้นี้อาจจะดีด้วยซ้ำไปเพราะอย่างมันมันสู้ไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธใช้คำอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่ารู้สึกดูลมลูกูว่าลูกสู้ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวคล้วเพราะสติมันชาไปมันตมมันชาต้อใช้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าเออลูกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะที่วิสาชนารม ล่าสุดอะค่ะที่เกี่ยวกับการพัดพาใช่ค่ะลูกขอกลับขอบกับขอบขอบขอบประจุขอบกลาบขอบขอบคุณหมอคุณหมอวีอะค่ะแล้วก็กลาบขอบพอบคุณพระอาจารย์ด้วยค่ะแบบรู้สึกฟังแล้วมันมันเกิดความปิติมากเลยค่ะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการพัดพรางใช่ไหมคะพระอาจารย์ลูกฟังสองสองรอบอะค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่ามันมันทำให้เราแบบจะไม่ยึดติดอะไรเลยคือเราไม่ควรจะยึดติดอะไรแม้แต่ตัวเราเองด้วยค่ะพระอาจารย์ทุกอย่างเป็นของเชื่อค่าว่ะเป็นฟองน้ำเดี๋ยวก็แตก อย่างเป็นมือนสองแล้วอยากอยากให้ค่ะอยากให้มีแบบหัวข้อแบบนี้อีกคะคระอาจารย์เดี๋ยวทางทีมงานเขาจะยืนคพอดีคุณหมอวีกับทีมงานเขาปรึกษากันว่าจะเอาหัวข้อไหนมาลงค่ะรู้สึกว่ามันฟังแล้วลูกกลับกลับไปฟังสองครั้งแล้วก็กลับเข้าไปฟังเรื่องก่อนก่อนที่เกี่ยวกับกับจิตสุดท้ายมรณารู้สติอะไรนี้อีกค่ะแล้วก็นีค่ะ ม, มีความรู้ ส, สึกคนจะชอบชอบหัวข้ออย่างนี้กันเมื่อเสกคนเข้ามาฟังเนี่ยเย่างนั้นแล้วช่วงนี้มันมีข่าวเรื่องแบบคนแบบเป็นมาเลงระยะสุดท้ายอะไรเงี้ยมันช่วยได้เยอะแล้วลูกมีความรู้สึกว่าตั้งแต่หลังจากที่ลูก ป, ปฏิบัติเนี่ยมันมีความวากการู้สึกว่าแต่ก่อนลูกจะไม่อยากฟังเรื่องพวกนี้เลยขอะค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าแบบอยากจะฟังแล้วก็แบบเออมันเหมือนกับมันมีความจริงที่เราเมื่อก่อนเราต่อบ่านั้นไม่ยอมแล้วใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ แล้วแล้วมีความสึกว่าบางทีลูกอ่านข่าวหรืออ่านอะไรที่เกี่ยวกับแบบคนที่แบบว่าเป็นเรนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือว่าคนที่แบบอะไรเงี้ยค่ะลูกก็จะรู้สึกว่าแบบมันก็จะแบบทําให้เราปร่งแล้วเราเราก็รู้สึกแต่ก่อนเราจะแบบกลัวแล้วเรารู้สึกว่าเราสงสารอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็จะเหมือนจะวางเฉยๆนิดนึงค่ะออก็อันนี้ลูกทาถูกไหมคะอาจารยถูกแล้วแหละเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายนั่งกายมันจะเป็นอะไรเราไม่ต้องไปทุกข์กับมันหรอก เราไปลองคิดว่าเรเป็นร่างกายท่านไหมคะพระอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้ฟังเรื่องเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เนี่ยทําให้มีความรู้สึกว่ามันกระตุ้นร่างกระตุ้นตัวเราอะค่ะให้กับให้อยากจะปฏิบัติมากขึ้นอะค่ะพระอาจารย์เป็นปัญญาเป็นปัญญาบอรมีสติเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราเลกนถึงอยู่เรื่อย อ่ะมันเหมือนกับเราเรามันพอฟังเรื่องนี้มากๆแล้วเราแบบเราอยากจะฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบทําให้เราอยากปฏิบัติมากขึ้นแล้วแบบทาให้เราคิดว่าแบบไม่ได้แล้วเราจะต้องเราจะต้องเราจะต้องปฏิบัติไม่เพราะ<ต>ว่า Shop, มันในข้อสอบใช่เพราะเพราะว่าความตายมันใกล้ใกล้เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ จริงเลยเท <ำ S 2> ําให้ค<ำ>ค่ะแบบการบ้านไม่ลาเลยก็จะสอบผ่านได้สบายค่ะลูกก็เลยรู้สึกว่าลูกชอบแบบเปิดหาฟังเรื่องพวกนี้มากๆเลยแล้วแบบ<ม>ทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบฮึกสู้ในการแบบนั่ง<ช>ปฏิบัติแบบต้องข้ามเวทนาให้ได้ต้องปฏิบัติตให้ได้<ช>เพราะว่าเรากลัวกลัวว่าเราจะไม่มีเวลาแบบกลัวเราจะเราจะตายไปซะก่อนอันนี้มันไม่ใช่เป็นกิเลสใช่ไหมคะพ่อไม่เดี๋แสดงว่าเรามีพลังใจเราสู้แล้วเมื่อก่อนนี้กลัวพวกนี้อย่างนี้ไม่กลัวแล้ว ค่ะพระอาจารย์ค่ะมีเวคขาถ้าใจไม่มีวิเวคขามันไม่ยอมรับสองอย่ของเราเนี้ยแล้วใช่ไหมแล้วบางทีลูกนั่งลูกก็พอหลังจากแบบออกจากสมาธิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลูกก็มานั่งพิจารณาเกี่ยวกับมรณานุสติแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็จะาพยายามพิจารณามรณะนุสติแล้วก็พิจารณาอนัตตาด้วมันเป็นตัวเราตรงไหนว่าร่างกายเนี่ยเราจะไปกลัวมันน่งแยกร่างกายออกจากใจให้ได้ ค่ะพาอาจารย์ค่ะก็ขอบกากขอบพระคุณทีมงานแล้วก็กอกามขอบพระคุณหนอะคุณหมอวีพระอาจารย์ด้วยคะ่ะที่แบบเสนอเรื่องแบบนี้มาคะ่ะขอ <Okay. S 2> ขออีกเดือนสิดายวันที่ยห้ามันจะมีอะไรดีคะ่ะดีคะ่ะ <î s 2> อาจารย์รู้เชื่อ ว, ว่าแบบมีคนดูเยอะมากคะ่ะยอดวิวที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยค่ะอ่ามีงานหนึ่งเกือบห้าแสนที่คนดูเกี่ยวกับวันนี้เกี่ยวกับวันชุดใช่จุดทวันสุดท้ายใช่ค่ะใช่ค่ะระอาจารย์ ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เวลาแบบมีใครถามเกี่ยวกับอย่างว่าลูกจะฟังธรรมะย้อนหลังถ้าใครถามเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทัดผ้าการตายการอะไรลูกจะหยุดฟังแบบฟังแล้วฟังอีกรู้สึกว่ามันมันอินเข้าไปแล้วมันปีติอะค่ะพระอาจารย <Gym. S 1> ์ไม่รู้ไปเดี๋ไหลช่วงนี้มันมันพอเราต้องการจะรู้วิธีที่เราจะทําข้อสอบนี้แล้วเนี้ ใช่ค่ะหรือว่าเราเป็นเพราะว่าลูกติดอยู่ที่ตรงที่ว่าลูกแบบรักตัวแบบรักตัวเองมากนะคะนี่คือคือปล่อยปล่อยวางตัวเองไม่ค่อยได้ก็เลยคิดว่าใช่การรู้ว่าเราเรามีความทุกข์เรามีปัญหาก็เรื่องนี้แล้วต้องพยายามหาวิธีแก้ให้นะใช่ค่ะพอมีความรู้สึกว่าพอฟังเรื่องพวกนี้แล้วเราให้รู้สึกว่าเราปล่อยวางได้ได้ง่ายขึ้นนะคะพระอาจารย์ใช่ถ้ามีวิธีปล่อยได้มันไม่ยากหรอกถ้าเราศึกษาเพราะว่ากว่าจะรอให้แบบว่าลูก ติดรวมมีสมาชิจริงๆมันกลัวจะบอกว่ามันจะนานนะคะพระอาจารย์ก็เลยเอาปัญญามาก่อนอถึงจะเป็นวิปัสสนึกบ้างก็ก็น่าจะช่วยได้ใช่ะอาจารย์ถ้าเราเอามานึกบ่อยๆมันก็กลายเป็นวิปัสนาได้ค่ะพระอาจารย์เราเริ่มทำวิปัสนาเก่อนค่ะช่วงค่ะสวัดีค่ะพระอาจารย์อโอเคมีอะไรค่ะไม่มีค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ธาตุแข็งแข็งแรงค่ะค่ะ ค่สาธุค่ะพระอาจารย์กับพระอาจารย์ค่ะอคุณตายกัตยาเชิญตายตายกัตยาแต่เต่าเต่าในธรรมเนี่ยนักเต่าพิธีการค่ะพระอาจารย์วันนี้ว่าจะไม่เข้าไปทุวร์มาเข้ามาเด็กแต่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้เข้าเหมือนไม่ได้มาเข้าอบรมค่ะก็เลยเข้ามาเด็กนะเข้ามาเท่านันก็ยังดีได้เช็กชื่อเดี๋ยว่าได้เข้ามาแล้ว ค่ะก็มารายงานอนปริสัยของตัวเองว่าปรับได้ดีขึ้นหรือยังอะคะอาจารย์ก็ดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยค่ะถ้าเขาทำอะไรที่ไม่ถูกใจก็จะบอกตัวเองว่าเขาได้แค่นี้เขาได้แค่นี้แล้วก็โอเคถ้าเขาไม่ได้ก็เดินไปทำงานแทนเขาค่ะอาจารย์ถ้าเขาดีกว่าเราเขาคงไม่ต้องมาเป็นลูกช่างเราค่ะก็ไม่ให้เขาเกียดเราละกันแล้งก็ ยมก็บอกว่าเออไม่เป็นไรแต่เนึกในใจนะคะไม่ได้ไม่ได้ว่าเขานื่อในใจว่าค่ะก็ให้อภยัยค่ะเขาำทำมาท่านี้จะไปเอาเราจะไปอะไรกับเขาน้ำยาใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ดีแฝึกไ<ะ>ปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเดเป็นนิสัยขึ้นมาอย่ต่อไปค่ะแล้วก็อาทิตย์นี้ก็เจอเรื่องยมไม่ค่อยสบายตั้งแต่วันวันจนันทร์ ตอนนี้ก็ยังไม่สบายอยู่แต่ก็วันแรกๆอะค่ะพระอาจารย์เป็นหวัดเป็นหวัดแล้วมันปวดหัวปวดหน้าปวดตาปวดตัวไปหมดเลยแต่โยมก็อยากจะไปหาหมอก็คิดในใจนะคะว่าไปหาหมอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็บอกว่าโหนี้แค่หวัดนะมันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรสัหน่อยแค่นี้ยังทนไม่ได้ก็ก็ไม่ผ่านละโยมก็ไม่ไปก็ตัดสินใจไม่ไปหาหมอก็กินยาอยู่ที่บ้านอ่าถ้ามันปวดหัวก็กินพาราตัวร้อนก็ กินพาราอะไรอย่างนี้ยค่ะพระอาจารย์คือละเม็ดแต่ว่าก็อาการก็ดีขึ้นนะค ะ, ะพระอาจารย์ก็กําหนดใจว่าถ้ามันเจ็บมากก็บอกว่าเออมันมันต้องมีเจ็บกว่านี้แ้าแค่นี้ผ่านไม่ได้แล้วจะไปผ่านความเจ็บปวดที่มันจะเข้ามาอีกที่มันที่มันจะเกิดในอนาคตอีกได้ยังไงโอมก็บอกใจเองว่าแค่นี้ต้องผ่านไปให้ได้ให้ได้อันนี้อันนี้ถูกไหมค ะ, ะครพระอาจารย์ถูกลนะถูกละคณะ ขนาดมอตัวเล็กๆยังสู้มันได้ยังไปสู้กัแบบตัวใหญ่กว่านี้ได้ใช่คะ่ะพระอาจารย์ตอนแรกว่าตอนแรกมันมันเจ็บมันปวดมากปวดหัวนะคะ<ม>แล้วก็ไม่ได้ค่อยได้พักในเรื่องงานก็ไม่ได้พักเลยต็เลยแบบต้องก้าวผ่านตรงนี้ให้ได้เดี๋ยวเราต้องไปเจอเจอหนักกว่านี้แล้วต้องค่ะกําหนดพุดโธมากเวลามันเจ็บมากๆก็พูดโธพูดโทก็จะไม่ได้นั่งสมาธินะคะก็พ<ม>ยายา ม, มเข้านอนใช้สติตใช้ติใช้ปัญญาไป มันโทรแบบปัญญาก็คือมันเป็นอย่างเงี้เราเราห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นก็ปล่อ ม, มันเป็นไปอืมใช่ค่ะปัจก็มันไปเนี่ยปัญญาค่ะอาจารย์ก็ไม่มีมีแค่นี้นค่ะแสดงว่าก้าวหน้าแล้วนะเป็นวันน้ำไม่ต้องไป ห, าหนะ้ามหนูแล้วอแล้วก็อี ก, กต่อไปไม่ต้องกินยา ก, ก็ได้ไม่ต้องกินยาแค่ปวดก็ได้ปล่อยมันปวดไป ค่ะก็พยายามทนถ้ามันปวดก็ทนแล้วก็มีอีกอันหนึงอะไรนะเมื่อกี้เออโยมก็พยายามเล่นมือถือ น, น้อยๆลงแล้วก็ไม่ไปช้อปปิ้งตามออนไลน์นะคะ่ะอ่าดีหนักมากเลยช้อปปิง้งพอทำบุญเยอะๆอาจารย์มันจะอิม่มันจะไม่ไม่ยิวกับของต่างๆถ้ อ, อาจารย์โยมไปเข้าไปฟังที่เขาขายของออนไลน์กันนะฟังไปฟังมาแล้วก็รู้สึกสงสารแม่ค้าอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ได้ออกไหมคะสงสารเขา ก็ต้องไปช่วยซื้อของเขาใช่ค่ะถ้าสงสารเขาก็ไม่ต้องซื้อเลยดี๋ยวส่งเงินไปให้เขาเลยบอกไม่ต้องถ้าไม่เอาของถ้าสงสารจริงยอมส่งตังไปให้นะคะส่งไปให้ห้าพันบาทสําหรับเขาบอกว่าเขามาขายผ้าไหม่ะคะพระอาจารย์เดี๋ยวไปดูไลฟ์เขาขายผ้าไหมของยายคนนึงเขาบอกว่าเราต้องเอาขายผ้าไหมแล้วเอาเงินเนี่ยไปรักษาลูกฟอกไตอะไรอย่างเงี้ยยอมก็ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตระวังหน่อยก็ต้องระวังหน่อยนะเพราะบางทีการมันเป็นการโกหกหลอกลวงก็ได้นะถ้าไปสนับสนุนเขาว่าไม่ไม่ดีนกันค่ะก็ให้ครั้งเดียวค่ะพระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็เลยว่าเรารู้สึกว่าจะใจง่ายไปละเราก็ถอยมาดีกว่าไม่ไม่ไม่เอ้าแล้วไม่ดูแล้วดีกว่าตอนนี้ก็เลยมันจะเป็นการหลอกลวงกันเคลมมากกว่าค่ะฟังไปฟังมาก็ใจอ่อนก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ไหวแล้วถ้าเรา มาเป็นแบบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าความไม่มีสติใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่หลักความเมตตาของเราแหลนะเราชบใจบุญชุนใจก็ทําไปก็ทำครั้งเดียวแล้วกันถ้าเราม า, อาขอเพิ่มอีกก็อยากไปหลงกลเขาแล้วกันเขาเขาไม่ได้ขอนะพระอาจารย์ผมให้เขาเองหรุ่ยเนทกับเขาเองได้ถ้าหนุ่ยทำแล้วหนุ่ยมีความสพควาเป็นบุญนะเป็นบุญเป็นกุศลไปแต่ว่าอาจจะเป็นเป็นเหยื่อให้เขาถ้าเป็นเขามาพวก ลงไปช้าชีบเบาๆลูกเราก็เั็นเหยื่อเข้าไปค่ะแต่ก็ตั้งใจว่าจะไม่ดูอะไรแล้วเพราะว่าเราห้ามใจไม่ได้เป็นแบบดูอะไรก็เป็นตัดเป็นเรียดีกว่าอย่าไปสนใจมันดีกว่าตอนนี้กำลังกำลังมากรับเรียนพระอาจารย์ว่าถ้าลูกไม่ได้กลับเรียนกับพระอาจารย์หรือว่าไม่ได้คุยกับใครให้เหมือนกับเหมือนกันเราต้องรักษาสติว่าเราเราไม่เข้าไปดูแล้วนะเราก็จะแจะแวบเข้าไปอีกเนี้ยถ้าได้พูดกับพระอาจารย์ไว้ ก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมว่าเราน่าจะใช้แข็งมากกว่าเดิมค่ะพรอาจารย์ใช่นีค่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะค่ ะ, อะโอเคสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะไปเรื่องคุณบาลีคุณบาลีกลับบ้านแล้วเหรอไปสัมม า, ามามัสเซนแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ามีงานมาให้ทําเยอะแยะเลยค่ะหลวงพ่อต้องส่งด้วย เราเป็นคนมีฟีมือไะเขลยต้องสมให้เราทำเยอะๆโอ้หลวงพ่อเยอะมากเลยไปทำอะไรก็เป็นเป็นการ เ, าเขาจ่ายจในเดือนเราเรากต้องทำให้เขาไปหลวงพ่อปฏิบัติอยู่ค่ะของพ่อแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีคำถามอะไรคะ่ะแต่ว่าโหหนวจอง ข้องนะคกับครอบคุกไว้ค่ะแต่ว่าต้องมีสาค่ะหลวงพ่อคิวยาวเอยอะแน่นอนใช่ไหมผ่อนผ่นจะได้อถ้ า, าจองได้ดีก็ไม่ได้เลยถ้าไม่จองก็จะไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าถ้ามีตรงไหนที่แบบพอได้ก่อนหมูก็จะไปะค่ะหลวงพ่อเราจจะเป็นคนยกเลกิกกนได้ไก็ปฏิบัติคิวค่ะ แล้วหลวงพ่อครับช่วงช่วงที่สมมติว่าเรากําลังติดงานอยู่อย่างนี้ยคะ่ะแล้วแล้วทีเนี้ยพอมันถึงเวลาที่เราอย่างสมมติตอนกลางคืนเงนี้คะ่ะมันถึงเวลาที่เราจะต้องนั่งปฏิบัติอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่มันมันจะเหมือนมันจะบังคับให้เราจะจะไปนั่งจะไปปฏิบัติอย่างเนี้ยคะ่ะหรืว่ามันจะเป็นสัญญาหรือว่ามันจะเป็นความเคยชินหรือเปล่าคะเป็นความเคยชินมากกว่าพอเคยกลาไปแล้วมันจะเป็นนิสัยขึ้นมา ถึงเวลามันก็จะมันขยากจะทำจริงๆดีค่ะก็ดีคือปกติที่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติกันก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะถือคือก็จะไม่ไม่ทําอะไรก็คือจะปฏิบัติอย่างเดียวใช่ัหมคะยิ่งปฏิบัติเข้าไปยิ่งยื่ก้าวหน้าเท่าไหร่ก็ยิ่ไม่อยากจะทําอะไรนอกจะปฏิบัติอย่างเดียวคือมีเวลาว่างก็จะมุ่งไปปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อ ใช่นัะแสดงว่าอิทธิบาทสี่มันกําลังมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นอิทธิบาทชันท่าขความยินดีกับการปฏิบัติวิริยะความเพียนก็จะาตามมาใจก็จะจดจ่อคิดแต่เรื่องการปฏิบัติมันมันก็เลยจะดูแปลกไปนิดนึงอย่างอย่างที่หนูไปอบรมอย่างนี้ยค่ะเขาก็จะถามว่าข้าวหายไปไหนทําไมทำไมกลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูนก็เลยแต่ เ, เ, เห็น ใจเราไปทำงารแม้นะไม่ไปทางโลกากค่ะแล้วก็อย่างที่ไปพักที่โรงแรงมก็จะมีเตียงนอนอะไรใหญ่ๆเนะี่ยหนูก็ไม่ได้นอนนะคะหลวงพหนูเตียมเตียมเตียง่าปูเตรียมอะไรไปหนูก็นอนที่พื้นในของหนูเป็นปกติอะไรเงะะี้ยค่ะเออได้ค่ะแล้วคนเมดเขาคงสงสัยทำไม เตียงไม่สะอาไม่มีไมลายย่นไม่มีไม่มีร่องไม่มีหลยย่อท่าย้ายู้วจะเก็บเป็นปกติเพราะว่ามันเวลาเสร็จแล้วมันจะนั่งสมาธิมันต้องถนัดนั่งกับกับพื้นที่แบบมันไม่ใช่ถ้าเป็นนั่งบนที่นอนใหญ่ๆพุ่งหนาๆมันก็ไม่มันไม่ได้อะค่ะการปฏิบัติธรรมนี่มักจะไม่ค่อยได้ไปใช้สอยอะไรกับของของที่เขาจัดไว้ให้นะ แคไม่ได้ไปแตะอะไรเลยค่ะหลวงพ่อเหมือนเหมือนตอนที่หนูไปขึ้นเขาที่ทีโอนะคะแบบไปก็คือไปแบบนอนคือง่ายๆไม่ได้อะไรขึ้นเน้นแบบพักผ่อนใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อก็วันนี้หนูก็ไม่มีอะไรค่ะยังปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมวันนี้รายงานหลวงพ่อประมาณนี้ค่ะจ้าสาธุแต่ทูกข่าวเขาว่าคุณข้าหลวงพ่อ เหีสองท่านอ่ uh, คุณชันิษายี่ปุ่นเอ็นแคร์ชันิษาเป็นยังไงากกาาาค่ะนามาจาการท่าอาจารย์ค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะวันนี้มีคำถามค่ะสงสัยว่าที่เขาบอกว่าจะทำสมาธิเนี่ยต้องทำในสถานที่ที่วิเวกใช่ไหมคะหาที่วิเวกที่สงบทมหมายความว่าถ้าใน อบริเวณที่มีเสียงอย่างเช่นเสียงนกเสียงไก่เสียงคนคุยกันหรือว่าเสียงรถลาเสียงก่อสร้างคือเราถ้าไม่มีสติพอมันจะเข้าสมาธิไม่ได้อย่างนั้นหรอคะพระอาจารย์ก็มือนก็มีสวนไงเพราะเสียงอะไต่างมันจะรบกวนการสมาธิเราถ้าไม่มีเสียงมันก็จะไม่รบกวนแต่ถ้าเป็นเสียงธรรมชาติไม่เป็นไรนะเสียงนกเสียงลมพระอาจรนี่ไม่เป็นไร เสียงที่เป็นอันตรายก็คือพวกเสียงคนเสียงเสียงดนตรีอะไรพวกนี้มากกว่าคือเสียงกระทึกคืกคออะไรตา่างอ๋อไม่ได้หมายความว่าสติเรามีไม่เพียงพอเลยไม่สามารถทนกับไม่ไม่ <c oughs> มไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกัที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นสถานที่ที่จะสนับสนุนเรือ่องต่อต้านการการปฏิบัติของเราเนี่ยสถานที่สงบมันก็เหมือนจะสนับสนุนให้ใจเราสงบง่าย แต่ถ้าสถานที่กระตก้นควบคอวก็จะทำให้เราสบบยากกว่าส่วนสติก็เรื่องของสติม่นคนละเรื่องกันเวลาจะานั่ง <คน S 1> สมาธิกต<ข>ตตต็ต้องมีสติต้องมีสติเนั้นนะ่าถึงแมว้ว่าคนที่เขาปฏิบัติปฏิบัติได้ถึงขั้นหมายถึงเลเวลสูงๆแล้วอย่างนี้เขาก็ยังมีปัญหากับการนั่งในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างนี้เข้าใจถูกไหมคะ ถ้าเขามีสติสามารถชูเขาไม่เขาอาจจะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหากับเสียงรอบข้างเขาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากำลังของสติเขามากน้อยเท่าไหร่ของแต่ละคนไม่เหมือ น, นกันอ๋อคือเราไม่จำเป็นจะต้องทนนั่งต่อไปถ้าสมมติว่าสี่งแมดล้อ ม, มันเกิดแบบอยู่ๆก็มีเสียงเขาซ่อม มอเตอร์ไซค์หรือว่าซ้อมรถหรือว่ า, ามีเสียงก้าลองดูว่าถ้าเราทนได้ไม่ไปเขาไ ม, มา่ทำให้เขาเราทำใจอยู่เขาได้ไม่ไม่ไปวุ่นวายวาเขาเราก็นั่งตอบไปได้ mm hmm. ถ้าทนไม่ไหวก็กเลิกไป mm hmm. แต่ถ้าไปนั่งที่ไม่มีเสียงมันก็จะได้ไม่มีอะไรมาขัดจังหวะไดมค่ะพอดีสงสัยว่าเอ๊ะเราควรจะต้องทนหรือว่า ที่ถ้าเลือกที่ได้ก็เลือกถ้าเลือกคุยได้ก็ต้องทนอ่าค่ะงานบางคนเขาปฏิบัติอยู่ที่บ้านถ้ามันเขาไปปฏิบัติที่บนเขามันต่างไปเขาเพราะอะไรอยากจะหาเวลาไปปฏิบัติที่บนเขาไปเพราะมันเยี่มันกสงกว่ามันมันมีเวลามาล็อกกวนใจก็เหมือนกับความลดขึ้นทางด้วยกับความลดที่อยู่ใต้ใต้ทางด้วยนั่อ่า อ่าอยู่ใต้ทางเดินก็มีสี่แยกมีรถลาเยอะมันก็ติด ก, กันใช่ไหม แ, แล้วขึ้นทางเดินมันก็วิ่งพรวดไปเลยมันไม่มีไม่มีสี่แยกมันมีอะไรมาคอยขัดอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องขัดขวางความสงบของเราอืมค่ะเข้าใจ่ะค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าเดินกได้ก็เลือกเลือกไม่ได้ก็ต้องก็ต้องทําไปก่อนดีกว่าไม่ทําเลยเข้าใจไหม อ๋อทำเท่าที่ทำได้ทก็คือนั่งไปถ้ามัน เ, เลือกไม่ได้ค่ะ้าอย่างที่ยังเรื่องไม่ได้ก็ทํานี้ไปก่อนมากกว่าจะเลือกเลือกที่ได้แล้วก็ค่อยไปที่ที่มันดีกว่าอืมค่ะพระอาจารย์เมื่อสักครู่ที่ที่ท่านก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องอ่าอะไรนะคะเวทนาใช่ไหมคะใ ห, ให้ทนเวทนาการเจ็บปวดของร่างกายก็ลอง ค่ะหนูก็เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยทานยาเวลาปวดหัวปวดท้องไ ม, ไม่ไม่ค่อยทานยาเลยเถ้าสมมุติว่าแบบหมอหมอไม่ไม่ห า, าเข้าไปจริงจริงก็ดีแส ด, ด, ด, ดงว่าเรามีกำลังมากมีอุเวกขามากเคยแอบคิดว่าเอ๊ะมันมันเป็นอาการหนึ่งของซาดิซึ่งหรือเปล่าค่ะอาจารย์นึ่งไม่หรอกมันก็เป็นอาการของจิตที่มันไม่เดือดร้อนกับความเจ็บอาจจะเคยฝึกมาม า, มากกว่าน่าด็ก็ได้ อ๋อคือก่อนหน้านี้เป็นเป็นเอ่อเป็นโรค เ, เป็นไทรอยนะคะต้องเจาะเลือดอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนเป็นคนกลัวเข็มทีนี้พอมันต้องเจาะอยู่บ่อยๆก็ท้องพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันก็เออเอ อ, เ อ, อมันก็ช่วยได้ก็เลยชินไปกลายเปก็ไม่เดือดร้อนค่ะอืมดีดตอนแรกก็ก็เลยคิดว่ามันไม่ใช่อั กาจะเป็นอะไรไม่เก่วถือว่าเสพติดความเจ็บปวดใช่ไหมขอให้น้องไม่ทุกข์กับมันเป้าหมายของการปฏิบัติของเราคือการไม่ทุกกับมันใไค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะอที่ท่านสุดท้ายท่านรับเน้คุณสุทัศนีหมอมีอะไรไหมไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคคุณลามีหมไปบุญอ่าป้ามา มีสิบสี่คำถามค่ะจากเฟซยุเลยนะโอเคเอาให้หมดเลยคำถามจากคุณจเจริญตรีสอนมีทั้งหมดสี่คำถามค่ะชื่อจเจริญตรีสอนอายุห้าสิบปีอาชีพพนักงานธนาคารได้ติดตามธรรมะบนข่าวโดยการแนะนำของรุ่นพี่คำถามที่หนึ่งมีปัญหาทางด้านครอบครัวลูกชายดือ้อจนทำให้เกิดความเครียดประกอบกับงานก็เครียดทาให้คิดมาก นอนไม่หลับมาหลายปีหาวิธีดับทุกนี้ต่างๆนานาเวลาอยู่คนเดียวก็ฟุ้งซ่านชอบคิดถึงอดีตอนาคตของลูกในทางที่ไม่ดีมันจะแว บ, บเข้ามาตลอดค่ะขอคาแนะนำค่ะเพราะวาเราเปตัง้งเป้าให้กับลูกเกินที่เขาเป็นไปได้นี่เราพยายาให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็เครียด เราไม่เข้าใจหลักความเป็นจริงว่าคนเรามันก็เป็นเหมือนกับผลไม้นะคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มเราอยากเขาเป็นกล้วยเราอยากแม้เขาเป็นส้มอย่างไงเขาก็ไม่เป็นเราก็ไม่เป็นเราก็เลยเครียดกับเขาเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาเขาเป็นอย่างนี้คนเขาเป็นอย่างนี้เราสอนให้เขาแล้วสอนได้แต่ถ้าก็จะทําไม่ได้ก็ถือว่าจบอย่าไปเครียดกับเขา อย่าไปหวังอะไรจากเขาทำหน้าที่ของเราไปดูแลเขาไปสอนเขาไปถ้าก็เชื่อฟังเขาปรับปุงตัวเขาเองได้ก็ดีไปถ้ากาปรับไม่ได้ก็แสดงว่าเขาเขาไม่ได้เป็นคนแบบที่เราต้องการให้เขาเป็นนั่นเองคำถามที่สอง ผู้ร่วมงานบางคนเราพยายามเต็มที่แต่จิตใจก็ไม่ชอบหน้าเขาไม่อยากเห็นไม่อยากร่วมงานด้วยรู้ตัวว่าต้องปลงปล่อยวางแต่ก็เครียดอยู่นอนไม่หลับมาประมาณแปดปีแล้วคะ่ะตอนนี้ก็ได้จิตแพทย์ก็ได้ยาคลายเครียดปรับอารมณ์ตนเองก็หลับได้เพราะยาอยากขอคําแนะนําเจ้าค่ะกก็็นล ก็ต้องสอนตัวเราว่าเราอยู่ในโลกที่มันมีสิ่งที่มันเหนือวิสัยเราเราไปควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศนี่เราก็ควบคุมบังคับไม่ได้แต่เราก็อยู่กับเขาได้เพราะเรายอมรับเขาฝนตกแดดออกอากาศจะร้อนจะหนาวเราก็อยู่มันไปคนก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปเกลียดไปชังอะไรใคร เขาเป็นอย่างนี้เราก็ปรับใจเราให้อยู่กับเขาไปเท่านั้นเองเหมือนกับเราปรับใจให้เราอยู่กับดินฟ้าอากาศถ้าเราไม่ปรับเราก็จะเครีออยดเราจะทุกข์เมื่เราเราจะเกิดความอยากไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากจะอยู่ใกล้เขาไม่อยากจะเจอเขาซึ่งเราอยู่ในโลกนี้เรามันเราควบคุ้มบังคับสิ่งต่างๆไม่ได้สัตเพธรรมานัตตาคำถามข้อที่สาม ติดตามฟังธรรมะทางเฟสย้อนหลังในช่วงเย็นหลังเลิกงานประจำมาประมาณ8เดือนพยายามฟังแต่ก็ยังปฏิบัติไม่ได้แต่ก็ลดความเครียดได้เยอะแล้วเคยเข้าวัดปฏิบัตินั่งสมาธิตามวัดใกล้บ้านแต่ก็ยังไม่ใช่แต่ฟังพระอาจารย์เทศสอนคิดว่าดีขึ้นแต่พอหยุดฟังหรือต้องไปพบปะผู้คนมากมายความเครียดก็มาเหมือนเดิม ติดตามอ่านข้อความทางเฟซตลอดเพื่อสกิดใจให้คิดดีคิดบวกปล่อยวางให้ได้อยากได้ความสุขสงบเหมือนที่พระอาจารย์พูดสอนแต่เข้าไม่ถึงสักทีคะ่ะอยากขอคำแนะนำวิธีการปฏิบัติให้ได้ความสงบในแต่ละวันไม่ให้จิตคิดถึงเรื่องต่างๆนาน า, นาเป็นขั้นตอนที่ง่ายๆฝึกสมาธิขั้นต้นให้ได้เพราะใจพุโทโธแล้วก็ยังถูกแทกสมองขึ้นเรื่องอื่นๆแวบมาตลอดคะ่ะ ก็ไม่เป็นไรพยายามติดไปกับพุโทโธไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็อย่างเนี้ยใหม่ๆพุโทโธเรายังมีกําลังน้อยเราก็พยายามฝึกพุทโธพุโทพโธไปเลยต่อไปมันมีกําลังมากขึ้นความคิดก็จะแทรกเข้ามาได้น้อยลงไปเองเวลามีความคิดเข้ามาก็อย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุโทโธไปคำถามข้อที่สี่ทำบุญทําทานก็สบายใจ แต่เวลามาถึงจุดเดิมก็มีความเครียดขึ้นมากับงานแต่ละวันหรือต้องลากออกจากงานแต่ภาระหน้าที่ครอบครัวก็ยังมีตัดไม่ได้ควรทาอย่างไรให้ความคิดแบบนี้หายไปเร็วที่สุดคะก็มันเป็นหน้าที่ะเราถ้าเราไม่ทํางานเราก็จะไม่มีไรายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจว่าเรามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำํำเราก็ทําไปตามหน้าที่ของเรา อย่าไปมุ่งมั่นอย่าไปมีความอยากมีความหวังกับอะไรมากมายทำไปตามหน้าที่ของเรามีงานอะไรก็ทำหน้าที่ของเราไปทำเพื่อให้เรามีรายได้ขอครับคิดอย่างนี้คำถามต่อไปจากคุณวริ์ขออนุ ญ, ญาตสอบถามพระอาจารย์ครับขอวิธีการสร้างความมั่นใจในตัวเอง ให้มีความมั่นใจในตัวเองอย่างไรไม่ให้กลายเป็นอีโก้หรืออัตตาตัวตนครับก็ต้องฝึกสติเนี่ยฝึกสติทำใจให้เน่งให้มีอเบยวขาแล้วมันก็จะมีความความมั่นใจแบบไม่ใช่อีโก้มันมั่นใจจากความสงบ ม, มีสองคำถามจากคุณวาสนาข้อที่หนึ่งยุงและแมลงเล็กๆมีดวงจิตมีวิญ ญ, ญาณไหมครับ ภ้าศาสต์ที่มีการสัมผัสนุ่มีตาหูจมุกเล้นกางมันก็จะมีวิญญาณเข้าไปเกาะถ้าไม่มีตาหูจมูกมิ้นการมันก็จะไม่มีคำถามที่สองยุงกัดพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมครับมันไมาได้เรื่องผมไม่รู้พระองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเรื่องมันเหมือนกันนะคําถามต่อไปจากน้องหลินหลินสอบถามค่ะ หนูนอนฟังพระอาจารย์อาทิตย์หนึ่งนอนฟังพระอาจารย์เทศอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วหลับไม่รู้ตัวจุดนี้หนูเอามาพิจารณาแม้ร่างกายเราก็ไม่ใช่ของเราจิตที่เคยรู้ว่าจะหลับก็ไม่รู้คะ่ะว่าหลับไปตอนไหนไม่มีอะไรเป็นของหนูเลยหนูคิดถูกไหมเจ้าคะเจ้าแม้แต่ตัวหนูก็ไม่มีด้วยตัวหนูก็มาจากความคิดของนูเอง คำถามต่อไปจากคุณระเบียบน้อมกราบนมิศการกราบเรียนถามค่ะเราอยู่บ้านสวดมนต์นั่งสมาธิกับการไปปิดทองลูกนิมิตอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันคะก็แล้วแต่ว่าเรานั่งสมาธิแล้วมันสงบแล้วไม่สงบถ้านั่งสมาธิแล้วขีมม้คุ้งจ้าน ม, ม, มันก็จะไม่ได้บุญไปปิดทองไปทําอะไรมันก็เกิดบุญขึ้นมาได้แต่บางที เราอาจจะไม่สามารถทำบุญขั้นสูงได้เราก็ต้องทำบุญขั้นต่ำก่อนคือทำบุญทำ ท, ทานไปก่อนบริจากงินบจากทองให้กับวัดก็ไดไปก็ได้บุญแต่ถ้านั่งอยู่ที่บ้านน้วใจไม่สงบมันก็ยังไม่ได้บุญคำถาม ต, ต่อไปจากคุณเอกวิทย์ถ้าบวชเป็นพระถือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้ออย่างเดียวและทำบุญทานุบำรุงพระศาสนา และทำสมาธิไปเป็นปกติแต่ไม่ได้มักผลเป็นโสดาบันหรือบรรลุทำอะไรแบบนี้จะเป็นทุนสะสมในชาติต่ตอไปไหมครับและดีกว่าการเป็นเพศคาวาดไหมครับถ้าทำแล้วไม่ได้บรรลุอะไรเลยครับก็ได้นิสัยไปนก็ได้มันก็เป็นได้ได้ศีลบารมีไปเพราะเป็นนักบวชก็ต้องมีศีลได้ทานบารมีไปเพราะได้สละเงินทองทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมด ไม่บวชนได้แล้วก็ได้เด้นคำว่าบารมีก็คือการไม่แสวงหาความสุขจากกามคุณทั้งห้าหรือรูปเสียงกลิ่นแล้อันนี้ก็เป็นการสะสมบารมีแต่ยังไม่ได้ขั้นอุเบกขาเรื่องปัญญาบารมีนั่นเองคาถามต่อไปจากคุณพันธิวาพวกฤาษีที่บําเพ็ญในป่าสามารถบรรลุทำเป็นพระอระหันต์ได้ไหมครับ เพื่อว่าเขามีธรรมะมีใครสอนธรรมะให้เขาฟมงรึเปล่าให้เขารู้ราเแล่้าเขามีคนสอนธรรมะอริยสัจสี่ตายรักเขาก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเขไม่มีไม่มีอริยะไม่มีอริยสัจสี่ไม่มีตายรักนี้เขาไม่บรรลุธรรมไม่ได้เขาได้อย่างมากก็แค่สมาธิคำถามต่อไปจากคุณสุพัตราถ้าได้ยินสุนัขหอนตอนเย็น จะปฏิบัตินั่งนานๆหรือเดินนานๆดีคะเพื่อให้กิเลสดับหายไปคะ่ะก็แล้วแต่ได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราจะเราจะได้ประโยชน์แบบทําไหนแล้วกเกาแบบนนั้ถ้าเดินจะกลงแล้วได้ระงับกิเลสได้ก็เดินไปถ้านั่งแล้วลระงับได้ก็ระงับไปได้อย่างนั้นไม่ได้อยู่ที่ท่ามันอยู่ที่สติกับปัญญาว่าเราสามารถเอามาใช้ในการระงับกิเลสได้หรือเปล่า คำถามต่อไปจากคุณทัชชรีพบกับชาติต่างกันอย่างไรคะพบก็คือหมายถึงว่าการที่เราไปเกิดแต่ละครั้งนั้นมันก็หนึ่งพบส่วนชาติก็คือเราไปเกิดเป็นอะไรแหละเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นเทวดาแล้วเรียกว่าชาติพบชาติคำถามต่อไปจากคุณอุ๋งอิง นั่งสมาธิเดินจงกรมทำอย่างไรคะก็เหมือนกับเราเดินเดินไปไหนมาไหนแล้วก็เดินเพียงต่ตาเราต้องที่เราเดินแบบมีสติเวลาเดินไปแล้วเราก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆเวลานั่งก็เหมือนกันเวลานั่งก็เหมือนนั่งทั่วไปแล้วนั่งเราหลับตาแล้วเราก็ท่องพุทโธไปเราอย่าปล่อยให้ใจคิดทั้งนี้คำถามต่อไปจากคุณเบญจวรรณ ตัวรู้ก็ไม่เที่ยงค่ะตัวรู้ของพระอริยะแตกต่างกับตัวรู้ของคนภาวนาอย่างไรคะระหว่างโลกุตตะลัธรรมค่ะคนภาวนาก็เป็นคนไหนมันพูดมันทางผิดแล้วมาระหว่างอริยะก็ต้องปุถุชนเนี่ยเป็นอยงเพื่อเปรียบเทียบกันได้อริยะกับภาวนาอริยะก็ต้องภาวนากันทุกคน นี่คงจหมายงปุตตุชนคนที่ไม่คนที่ไม่ได้เป็นอริยะกับคนที่เป็นอริยะตัวรู้ก็เหมือนกันต่างกันตรงที่ตัวรู้ที่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลสนั่นเองปุตตุชนก็มีกิเลสอยู่ในตัวรู้แต่ผอริยะถ้ามนถึงขั้นสูงสุดก็ไม่มีกิเลสตรงนั้นเลยคำถามสุดท้ายจากคุณเมธนีพระอาจารย์คะระหว่างเอา ขนลุกขนพองกับอาการจับกลางกระหม่อมจะจับอันไหนดีคะแต่เวลาจับกลางกระหม่อมจะดิ่งมากคะ่ะสาธุ ค, คะ่ะก็แล้วต่เราวิธีไหนที่ทำจิให้สงบได้ก็ใช้ได้นะั้นโอเคนะหมดแล้วเหรหมดแล้วใชค่ะโอเคเพรขาพอดีเหมือนเวลาพอดีนะถ้าทุกก่มก็เดี๋่อยแล้จะได้กลับไปพักผ่อนรับนอนกัน